มาคุยกันถึงเรื่องผีผีสางๆกันหน่อยท่านผู้ฟังการเผาศพของวัดตามชนบทในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยทั่วไปจะเผากันกลางแจ้งกลางป่าชาไม่มีเมนไม่มีเตาเผาเหมือนในปัจจุบันโดยที่เขาจะนำเอาลงศพขึ้นตั้งบนกองฟืนกองฟอนเมื่อพระทําพิธีบังสกุลเรียบร้อยสัปรเรอ่อก็จะนําน้ํามันเชื้อเพลิงมาราดราดทั้งลงศพทั้งกองฟืนเสร็จแล้วก็จุดไฟเผา พี่น้องญาติญาติก็พากันกลับบ้านตอนนั้นตอนเช้าค่อยมาเก็บกระดูกเท่าฐานกันไม่ต้องรออยู่ดูภาพอุจาร์เพราะว่าในตัวมนุษย์เนี่ยมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นพอถูกไฟถูกความร้อนมันก็หดตัวงองหงิกถึงก็ยกส่วนหัวส่วนขาแขนหรือว่ายกตัวขึ้นมานั่งทำเอาญาติโยมใจหายใจคว่ำมาคิดว่าผีเฮียน สัรเเรอนะมีหน้าที่ใช้ท่อนเหล็กยาวๆค้ำยันให้ศพเอนลงไปเพื่อจะเผาให้เสร็จเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวกว่าจะเสร็จแต่ละศพแต่ละศพตอนที่คุณสมบูรณ์จะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพย้อนไปเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วบ้านก็อยู่ขอนแก่นตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าปีมีพี่สาวชื่อพี่แตว่ว พี่สาวนี่อายุแก่กว่าสมปีตอนนั้นพี่แต้วก็อายุสิบแปดเป็นคนสวยหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็มีน้องสาวอีก่สองคนหน้าตาสวยไม่ได้เครึ่งพี่แถวเลยพี่แต้วเนี่ยเรียนแค่ชั้นมศ ส, สามในยุค น, นั้นก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ค้าขายคนโบราณหรือว่าคนตามชนบทนั้นไม่ค่อยมีใครได้เรียนสูงๆหรอกยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเลิกพูดกันเลยเพราะถือว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์พอแต่งงานแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน พ่อเน่ยเคยห่วงพี่แต๋วอย่างแรงแต่ก็เบาลงไปมากเมื่อเห็นโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพี่แถวช่วยงานได้ไม่ถึงปีก็มีคนมาติดพันเป็นข้าราชการทํางานอยู่อําเภ อ, อชื่อพี่อาคมแกก็พยายามเที่ยวไล่เที่ยวคืนเช้าถึงเย็นถึงมีของกํานันติดมือมาฝากกันอยู่เสมอจนพ่อแม่เน่ยเห็นใจประกอบว่าพี่อาคมก็มีหน้าที่การงานที่ดีในที่สุดทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกัน โดยหลังจากแต่งงานพี่แหม่กับพี่อาคมก็ยังพักอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีเนื้อที่ห้องหับเพียงพอตอนนั้นคุณสมบูรณ์มาเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดพักอยู่กับน้าชายนาชายก็คือน้องชายของแม่ที่ทํางานเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นนานๆนนจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักทีส่วนมากก็จะเป็นช่วงปิดเทมอมทั้งที่บ้านน่ยไม่ได้ไกลเลยเพียงแต่ขี้เกียจเท่านั้นก็ไม่ไป หลังจากที่พี่แต๋วแต่งงานได้ปีเดียวคุณสมบูรณ์ก็ได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าพี่อาคมสามีพี่แต๋วเสียชีวิตคุณสมบูรณ์ตกใจรีบลาโรงเรียนแล้วชวนน้ากลับบ้านทันทีเรื่องราวที่ได้รับทราบก็คือหลังแต่งงานแล้วเนี่ยพี่อาคมเนี่ยแกมักจะคอยหึงหวงพี่แต๋วเสมอเพราะว่าก็บอกแล้วว่าพี่แต๋วเนี่ยเป็นคนหน้าตาสวยอหน้าตาดีทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยมีปากมีเสียงกันเป็นประจำ ไ้เรื่องความหึงของพี่อาคมนี่แหละจนกระทั่งเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นมาพี่อาคมน้อยใจหาว่าพี่แต้วไม่รักจะไปมีผู้ชายคนใหม่แกก็เลยคิดสั้นถ้าไหนไม่รู้ผูกคอตายผูคอก็ต้นไม้ใหญ่ที่หลังบ้านนั่นแหละแม่เป็นคนไปพบศพเขา้าทำเอาแทบช็อกเสร็จแล้วก็แจ้งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของพี่อาคมทราบสาเหตุของการตายทุกคนก็ได้แต่เสียใจงานศพของพี่อาคมก็จัดกันที่วัดท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นวัดเล็ก ตามบ้านนอกทั่วไปที่แรกก็ตั้งใจว่าสวดครบสามวันแล้วก็จะเก็บศพไว้ก่อนแต่ที่ทางเก็บศพมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ผีไตหงส์ในส่วนมากเขาจะเผาเลยไม่เก็บเอาไว้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเผาก็เผาทั้งที่ตอนนั้นก็เป็นหน้าฝนฝนตกแทบทุกวันก็ทําให้การเผาศพที่ต้องเผากันกลางแจ้งกลางป่าช้าเนี่ยไม่มีเมนเผาศพมันค่อนข้างลาบากพอดูแล้วก็เป็นจริงตามที่ลุ้นกันไว้ คือเย็นที่ทำพิธีเผาศพพี่อาคมซึ่งนำาลงมาวางบนเชิงตะกอกองฟืนท้องฟ้าก็มืดครึคมคล้ายๆฝนจะตกสั ป, ปะเรือก็เลยเร่งให้ทางเจ้าภาพเนี่ยรีบเผาพอจุดไฟบนกองฟอนทุกคนก็รอดูกันจนเห็นไฟเริ่มไหม่ลงดีแล้วก็ทยอยกันกลับแล้วก็ต่างภาวนากันอย่าให้ฝนตกเลยพอกลับไปถึงบ้านกันแล้วประมาณทุ่มเศษๆนี่ฝนเทลงมา พ่อก็บ่นไม่รู้ป่านนี้ศพจะไหม้หมดหรือยังแม่ก็ปราบว่าสับ ป, ปะเลอเขาคงจะรีบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เร่งไฟจนเผาหมดแล้วละ่ะทุกคนก็เลยหายห่วงพี่แตวได้ร้องไห้ตลอดไม่พูดไม่จาอะไรกับใครคืนนั้นอากาศหนาวเย็นเพราะว่าฝนยังตกพรำพรำอยู่ตลอดทุกคนในบ้านอยู่กันครบพร้อมหน้านอนรวมมาอยู่ห้องโถงของบ้านบ้านก็เป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูง ชั้นล่างสําหรับเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นอตอนกลางวันก็เหมือนบ้านตามชนบทบ้านนอกทั่วๆไปประมาณสักตีหนึ่งเห็นจะได้เสียงหมาหอนดังมาจากทางวัดที่เผาศพพี่อคมดังรับกันมาเรื่อยๆแล้วก็ใกล้บ้านเข้ามาทุกทีตอนนั้นรู้สึกว่าทุกคนจะนอนไม่หลับกันเสียงหมาหอนหแข่งกับเสียงฝนตกฝนมันตกมาโดนหลังคาสังกะสีดังกราวากราวหมาก็มาหอนกันแถวรั้วบ้าน ทังเห่าวทั้งหอนอ่าเสร็จแล้วก็มีเสียงเรียกคล้ายๆเสียงว่าแต๋วแต๋วพ่อครับพ่อครับแต๋วเรียกสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเสียงเรียกของใครไม่รู้จะดังมาจากประตูรั้วความที่ทั้งเสียงหมาเสียงฝนก็เลยจับใจความไม่ได้ว่าเป็นเสียงใครแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายแน่นอนพ่อกลุกขึ้นแง้มหน้าต่างทุกคนก็พร้อมกันลุกขึ้นแง้มหน้าต่างดูกันมั่ง จากระยะหน้าต่างชั้นบนจนไปถึงประตูรั้วก็ไม่ไกลมีไฟรั้วที่พ่อเปิดเอาไว้ตอนกลางคืนพอมองเห็นคนที่มาร้องเรียกได้ร่างนั้นเป็นผู้ชายเนื้อตัวกระด่างกระดําเหมือนกับถูกไฟเผาบางส่วนของเสื้อผ้าไหม้ไฟจนมีควันลอยออกมาจังๆรวมทั้งเส้นผมที่บนหัวก็หลุดไปเป็นแถบแถบกับใบหน้าที่ดาเกรียมมีแต่ดวงตาเท่านั้นที่แดงกํากระลิ้นจุกปากมองเห็นอ่า เสร็จแล้วเสียงพี่แตวนี่สะอื้นหักเลยอุทานว่าพี่อาคมนะก็ทำเอาทุกคนขนลุกก็เริ่มจะยืนไม่อยู่เพราะความกลัวปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่ข้างล่างหรือว่าพี่อาคมเนี่ยยกแขนข้างหนึ่งข้างหนึ่งที่มันขาดเหลือแค่ข้อศอกให้ดูเสร็จแล้วก็มีเสียงฝ่าสายฝนเบาๆว่าช่วยไปเอาแขนคืนมาให้ด้วย พอพูดจบก็หันหลังเดินหายไปในความมืดทีนี้เอาเลยสิโดยเฉพาะเด็กๆนี่วิ่งกันโครงครามมารวมตัวนกลางห้องอย่างบรรยายไม่ถูกแมก่เป็นลมพี่แต๋วร้องไห้หน้าชาย ส, ายสวดมนต์พ่อนี้หน้าซีดจ้ะส่วนคุณสมบูรณ์กับ น, น้องกอดกันกลมเลยรอจนเช้ารีบพากันไปที่วัดไปที่วัดก็สวนทางกับสับเบอ ที่กําลังเดินมาหาที่บ้านพอดีเขาบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยฝนตกหนักศพยังไหม้ไม่หมดเขาก็เอาสังกสีมาคลุมศพไว้กะว่าเช้าจะเผาต่อพอมาดูศพปรากฏว่าแขนข้างหนึ่งขาดหายไปคาดว่าคงจะเป็นหมามันแอบมาคาบไปก็ได้ทุกคนก็ออกแยกย้ายอันหาทั่ววัดนาชายอ่ะเป็นคนไปเจอแขนข้างที่ไหม้ไฟไม่หมดหงีกงออยู่ใกล้เจดีในป่าช้านั่นแหละมีผงหมาสองสามตัวป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นด้วย สับ ป, ประรลอก็เลยจัดการนําชิ้นส่วนศพมารวมกันแล้วก็เริ่มทําการเผาศพพี่อาคมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรรอจนเผาเส ร, เรียบร้อยก็กลับกันเสียงสับ ป, ปะเลอะแกก็บน่นตอนที่กําลังเก็บรวบรวมเท่ากระดูกของพี่อาคมซึ่งเหลือเพียงห่อผ้านิดเดียวเออพิสดารจริงๆตายแล้วยังไม่ราบรื่นอีกเออหมดเวน้นหมดกรรมกันเสียทีนะ คุณสมบูรณ์กลับไปบ้านทุกหกเดือนลาหยุดงานเพื่อไปเยี่ยมแม่และพี่แต้วกับ น, น้องอีกสองคนที่เปิดร้านอาหารด้วยกันที่ขอนแก่นหมู่บ้านก็เปลี่ยนแปลงเจริญมากวัดที่บ้านวัดนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีเมนมีเตาเผาตระกูลของคุณสมบูรณ์ก็อุดหนุนบริการเตาเผาของวัดด้วยศพของพ่อซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปสองปีละ พี่แตวก็อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวใหม่อีกเลยตั้งแต่พี่อาคมตายแก่ใจเด็ดจริงๆรูปถ่ายของพี่อาคมที่ตั้งอยู่บนหิ่งนั้นคุณสมบูรณ์ไม่กล้าสบตามองเท่าไหร่เพราะว่าภาพของแกที่ประตูรั้วในคืนฝนตกเมื่อสามสิบปีก่อนโนนยังไม่เลือนไปจากความทรงจำแล้วมันก็ทำให้คุณสมบูรณ์กลายเป็นคนกลัวผีมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับเอาทีนี้มาถึง เรื่องสุดท้ายแล้วท่านบุฟังยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยเรื่องของลุงปุ่นลุงปุ่นนี่แกเป็นพรานเบ็ดประจําหมู่บ้านบ้านแกอยู่แปดริ้วครับชาวเชียงแซาฝีมือการปักเบ็ดหาปลาของลุงปุ่นนี่จัดว่าเป็นเสียนคนหนึ่งวันไหนถ้าลุงปุ่นออกไปปักเบ็ดรับรองขากลับบ้านไม่มีคําว่ามือเปล่าแน่นอนแหล่งหาปลาของลุงปุ่นนั้นอยู่ที่กลางทุ่งของหมู่บ้าน มันเป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาช่อนตัวใหญ่ๆชุ่มเหลือเกินลุงปุ่นมักจะออกจากบ้านตอนหัวค่ำไปหาลูกเขียดแถวๆริมทุ่งนาก่อนจากนั้นก็จับมันมาขังไว้ในตะค้องขังเอาไว้พอตอนเย็นๆวันรุ่งขึ้นแกก็จะหอบเอาคันเบ็ดที่มีอยู่หลายคันไปปักไว้กลางทุ่งวิธีการปักเบ็ดของลุงปุ่นก็คือแกจะจับเขียดตัวเล็กๆ เ, เกี่ยวไ้ที่บริเวณปาก แล้วก็นำเบ็ดไปปักที่คันนาให้ตัวเขียดเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำนิดหน่อยคมเบ็ดที่ฝังอยู่ที่ปากเนี่ยทำให้มันได้รับความเจ็บปวดต้องดิ้นรนอยู่ไปมาแล้วก็การดิ้นไปดิ้นมานี่แหละเป็นการเรียกให้ปลาช่อนมาฮุบเหยื่อได้อย่างดีลุงปุ่นแกใช้วิธีนี้มาโดยตลอดกระทั่งแกมีอายุได้หกสิบแปดปีก็เกิดอาการปละหลาดขึ้นกับแกคือมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่บริเวณริมผิปากมีอาการคันมาก เมื่อคันยนทนไม่ไหวแกก็ใช้มือเกาเพราะเกามากๆเขาก็กลายเป็นแผลแล้วก็เริ่มลุกลามไปรอบๆปากพอกลับไปหาหมอหมอก็แค่ให้ยามากินมาทาอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยจนแผลเน่าเว้าปากกินอะไรไม่ได้พอนานวันเข้าร่างกายของลุงปุ่นก็เริ่ม่ายผอมลงเพราะว่าต้องนอนอยู่กับที่นอนมาตลอดในที่สุดอาการป่วยของลุงปุ่นก็ซุดหนักท่ามกลางสายตาของลูกเมียและญาติที่เป็นห่วง ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแกได้ยังไงก่อนที่ลุงปุ่นจะตายนั้นแกมีอาการชักตาตั้งตัวเกรงกระตุกแถมส่งเสียงคล้ายๆเขียดร้องอยู่สี่ห้าครั้งแล้วค่อยๆ ค, คอพับคออ่อนแน่นิ่งสิ้นใจไปทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่ลุงปุ่นได้ทําไว้กับเขียดตัวเล็กๆแท้ๆ แ, แกถึงได้มาจบชีวิตลงในสภาพอย่างนี้ครับ นั่นก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมของบาปของบุญที่เรานำมาเสนอวันนี้เล่าให้ฟังหลายเรื่องหน่อยนะครับจากการวันนี้ด้วยพุทธพาสิทธิ์ที่ว่าสัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งมวลท้วนหมดสลดจิตสละสิท์ร่างรักลงตักใสว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดารดาดดาดแผ่นดิน เกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวนเกิดผุดไม่สุดสิน้นอายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดีสวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับ คนแก่ๆเนี่ยมักจะลืมโน่ลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่ได้ออกอย่างสะดวกคล่องใจปิดน้ำและยังปิดไฟหรือเปล่าพัดลมละ่ะปิดแล้ยังโอ้สารพัดอย่างยัยเตี้ยคนที่หมู่บ้านแกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกเมื่อก่อนนี้แกอยู่กับแสงตะเกียงน้ำบ่อน้ำคลองหุง ข, ข้าว้วยเตาไฟไม้ฟืน แต่ว่าเดียเ๋ยวนี้ลูกหลานมันซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีไม่ดังพรึบเตี้ยตกใจนึกว่ามันจะระเบิดเพนเออกมานอกครัวแล้วเขาก็พูดก็บอกถ้าใช้ไม่ดีเกิดแก๊สรั่วนี่มันตุมตามบ้านช่องพังชิปเหงวายว่อนหมดไฟลุกท่วมเผาผลานนะดีไม่ดีตายนะโอ้ยเตี ย, ยิ่งกลัวใหญ่แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้าเลยแกบอกว่าใช้ฟืนดีกว่า ใช้ปืนอย่างเก่าว่าดีแล้วแต่เด็กๆมันก็บอกย้ายไม่ทันสมัยซะเลยไม่มีใครเขาใช้แล้วปืนมันใช้หุงข้าวใช้หม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าในยายเตีย้ยเขาไปฟังว่าน้ําเปียกมือเปียกในไฟจะดูดเอาจนแกไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงในพวกมันกินกันแล้วแกแกก็แก่แต่แกก็ยังไม่อยากตายแกว่างั้นยายเตี้ยแกบ่นอยู่เสมอ แต่แกก็เข้าครัวทุกวันตื่น้ํามึดหุงช้าอาถุหุงข้าวต้มแกงใส่บาตรพระแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จช่วยกันได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกบอกทําๆไปเถอะระวังระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงหลงลืมลืมไม่มันมากแนละ้วเดี๋ยวไฟฟืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสศั ส, สไทยใหญ่ยยเตีย๋ยแกก็พาร่างเปี้ยของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลม แกไม่ได้เปิดเองอ่ะหลานสาวมันเปิดแล้วมันก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดอ่ะแกก็เพิ่งจะนึกได้ตอนที่เดินออกมาจากบ้านหางตั้งหลายสิบก้าวแล้วแกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่ไปด้วยกันเนี่ยจะไปฟังเทศทิวัดบอกกับยายเอี้ยงเดินล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะกระย่องกระแยงกลับไปปิดพัดลมที่บ้านก่อนว่าอย่างนั้นยายเอี้ยงก็บอกเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ร่มมะม่วงเนี่ยไม่ไปก่อนนะอนะรออยู่ตรงเนี้ย อยู่หน้าบ้านต ล, ดลยาดนั่นแหละใหญ่เตี้ยก็เลยรีบกลับไปบ้านยายเอี่ยงรอพักใหญ่ยยเย่เตี้ยเขายังไม่โผล่ม า, ยายเอี่ยงกขาชักจะรอไม่ไหวเขเลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวบอกยยเย่เตี้ยเลยบอกแกไปวัดก่อนแล้วนะถ้ า, ยายเย่เตี้ยมาถามหาก็บอกด้วยบอกแกไปแล้วไปวัดแล้วใหญเอี่ยงไปถึงวัดไปนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนานสองนานก็ไม่เห็นยยเย่เตี้ยไม่มี ไม่มีแม้แต่เงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงก็ชะเง้อมองหาก็ไม่เห็นเอ้หายไปไหนยังไงกันนี่แกก็เลยใช้เด็กวัดไปดูยายเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปไอเด็กมันก็หวงเล่นไม่มีใครอยากจะไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินให้มันห้าบาทมันถึงไปยอมยอมไปดูให้พักใหญ่มันก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาบอกหน้าตาตื่นเสียงละล่ําละลักบอก y ay, y ay, ยายยายยายเตี้ยตายแล้วอ้าว ตายแล้วทําไมตายอ่ะโดนไฟดูดคนก็กําลังดูคนเต็มบ้านเลยที่ยายเตี๋ยตายเพราะปลั๊กพัดลมไฟมันรั่วแล้วมือยายเตี๋ยวก็เปียกๆด้วยแกคงจะล้างมือแล้วขึ้นไปบนเรือนเนี่ยไปดึงปลัก๊กหรือว่ามืออาจจะเปียกเพราะว่าตักน้าล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนหรืออะไรสักอย่างนะว่า อ, อย่างั้นยายเตี้ยโดนไฟดูดตายใจแกห่วงจะไปฟังเทศปรากฏดปรพอตายแล้วมีคนเห็นพระเนรในวัดเห็นอ่า เด็กวัดก็กลัวเพราะวกก่ากลางคืนจะเห็นเงาดําตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธรรมาะที่แรกก็ไม่คิดกันว่าเป็นผีเ ย, ยเตีย้ยตอนหลังถึงเชื่อว่าใช่ว่าผีมาฟังเทศเพราก่อนแกจะตายตอนนั้นแกตั้งใจจะไปฟังเทศหลวงพ่อสงสารดวงวิญญาณเยเตียก็เลยคิดหาวิธีบอกเล่าให้ดวงวิญญาณรู้ท่านไม่ได้บอกเองแต่ให้ลูกหลานของคนตายจุดธูป บ, บอก ปรากฏว่าหลานๆ ล, ลูกๆของเยเตียเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สลักสําคัญอะไรซ้ํายังไม่เชื่อว่าผีเยเตียจะมานั่งพนมมือบนสล า, าทุกคืนหลวงพ่อก็เลยให้พวกลูกหลานมาดูด้วยตาตัวเองมันก็ไม่มากันท่านก็ไม่รู้จะทํายังไงกับคนพวกนั้นท่านก็เห็นใจดวงวิญ ญ, ญาณเยเตียมากท่านก็นอนไม่หลับจําวัดหลับห ล, ลับตื่นตื่นอยู่ตั้งหลายคืนก็คอยจะนึกว่าเยเตียเนี่ยนั่งพนมมืออยู่บนสล า, าเนี่ยวันเวลาล่วงเลยไป เกือบจะสองวันพระร่างดำตะคุ่มก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมานะตกดึกคืนหนึ่งพระเนรลูกศิษย์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดัดงมาจากศาลามืดๆ ม, มาวัดส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมีร่างดำตะกุ่มตะกุ่มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมะบนศาลาสงบนิ่งตามภาษาคนแก่คนที่เห็นก็รู้ ร่างเ ย, ยเตียแน่แหลวงพ่อเทศจบกันแล้วร่างนั้นก็ก้มกราบเราหายไปหลวงพ่อก็ลงจากธรรมะลงจากสลากลับขึ้นกุฏินับแต่วันนั้นก็ไม่มีร่างดำดำตะคุ่มตะคุมที่จะมาคอยฟังพระเทศที่วัดนั่นอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ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 จังหวัดอ่างทองสมัยเมื่อห้าสิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ที่สุดน้ำในลำคลองนี่ใสสะอาดไม่มีผักตบชวาแม้สักต้นเดียวจะมีก็แต่แผ่ผักกระเฉดผักบุ้งที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ริมท่าน้ำเพื่อใช้ประกอบอาหารสายบัวก็มีอยู่เต็มตามริมหนองริมบึงออกดอกงดงามสวย ถ้าอยากจะกินปลาเนี่ยเอารอบไปวางนี่ชั่วคืนเดียวก็ได้กินปลาถ้าอยากจะกินกุ้งตัวโตๆเช่นกุ้งกล้างกรามเนี่ยลงไปงมๆริมท่าน้ำก็พอได้กินชาวบ้านตำบลบ้านแหเนี่ยแสนจะมีความสุขถึงหน้านาก็ทำนาไม่มีอดมียากทีนี้การเวลาผ่านไปชนประธานก็ทำเขื่อนกั้นน้ำน้ำในลำคลองที่เคยถ่ายเทไหลขึ้นไหลลงก็ถูกบังคับโดยเขื่อน มันก็หยุดนิ่งเสร็จแล้วน้ำในลำคลองก็เริ่มแห้งเรือยนเรือพายที่เคยใช้ลำคลองเป็นทางสัญจรไปมาก็ต้องยุติลงเพราะว่าพายไปไม่ได้แล้วไปติดตัวเขือนที่กั้นไว้ไอชนิดที่เปิดให้เรือผ่านเข้าออกไม่ได้นะชาวบ้านก็ต้องใช้วิธีเดินลัดทุ่งนาทุ่งแล้วทุ่งเล่าหลายทุ่งถึงจะทะลุถึงตัวจังหวัด เข้าหน้าฝนก็จะลําบากมากน้ําในลําคลองขุ่นข้นแล้วก็มีสีคล้าผักตบชวาก็เริ่มลอยแพรน้ําคลองเริ่มเน่าเสียเพราะถ่ายเทไม่ได้กุ้งปลาก็ลอยตัวบนผิวน้ําแล้วก็ตายลอยกันเกลื่อนและแล้วคลองอันสมบูรณ์นั้นก็ถึงจุดดับโดยน้ํำมือของมนุษย์การทํามาหากินก็เริ่มฝืดเคืองกุ้งในคลองก็ไม่มีแล้วมันสูญพันธไปพร้อมกับพวกปลาสวายปลาชโด ยาต่างๆยปุ่นแกก็เลยต้องลําบากในการหาเลี้ยงชีวิตแกต้องใช้เบ็ดเดินไปตามหนองตามบึงเพื่อจะตกปลาหมอมาเป็นอาหารเมื่อก่อนนี้ยายปุ่นเล่าว่าเมื่อก่อนนี้กุ้งกร้ำกรามในคลองหน้าบ้านมีเยอะแยะบางทีเอายอไปวางพอยกยอขึ้นก็เต็มยอเอามาต้มใส่เกลือกินกันได้เป็นอาทิตย์ปลากลายหรือว่าปลาอื่นๆก็มีมากมาย ทำปลาแห้งจากปลาเนื้ออ่อนตัวเท่าแขนเก็บไว้กินได้เป็นปียายบอกว่าเดี๋ยวนี้อย่าให้พูดเลยลูกปลาลูกกุ้งยังไม่ค่อยจะได้เห็นน้าในคลองหน้าแรงมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยมันสกรปรกแล้วก็ดมดำยายปุ่นเป็นคนบ้านแหอยู่บ้านแหมาตั้งแต่สาวจนแกลูกๆของแกแต่งงานกันไปหมดแล้วอพยพครอบครัวไปทำมาหากินกันที่กรุงเทพกันหมด เมื่อสาวใยายปุ่นชอบไปตกปลาหมอเอามาแกงส้มกับดอกแคร์บังแกงส้มผักบุ้งบังยายปุ่นนี่มือทําบาปขึ้นเสียด้วยไปตกครั้งไหนก็ได้ปลาหมอเกือบครึ่งกระป๋องทุกทีเรียกว่าวัดคันเบ็ดนี่วัดเอาวัดเอาอ่าน่าสนุกแต่หน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือตวัดคันเบ็ดขึ้นมาครั้งไหนนี่เบบที่เกี่ยวปลาขึ้นมานี่จะต้องเกี่ยวตรงลูกตาปลาลูดออกมาแท้ทุกตัว จากวัยที่สาวจนแก่ญญปุ่นตกปลามาสิบกว่าปีแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วว่องไวก็เฉื่อยชาลงญญปุ่นก็เลยเลิกตกปลาถึงแม้จะทำบาปเพื่อปากเพื่อท้องอยู่เป็นประจำแต่เมื่อถึงวันพระญายปุ่นก็จะไปทำบุญที่วัดมีข้าวมีกับข้าวมีของหวานไปวัดทุกวันพระไปฟังเทศแล้วก็สวดมนต์ภาวนาที่วัดและค้างคืนที่วัดทุกวันพระ สุขภาพทางร่างกายของยัยปุ่นนั้นแข็งแรงมากโรคภายในร่างกายไม่มีเลยเดินได้ตัวตรงหลังไม่มีโคง้งมีงออายุแก่เก้าสิบกว่าแล้วก็ยังเดินตัวตรงเพียงแต่เชื่องช้าลงเท่านั้นเองวันเวลาผ่านไปจนอายุยัยปุ่นเข้าปีที่เก้าสิบเอ็ดแก่ก็มีอาการปวดหัวเป็นอย่างมากปวดจนน้ำตาไหลพรากพรากเป็นโรคครั้งแรกเลยที่ยยปุ่นทรมานมาก เมื่อก่อนนี้แกก็เป็นแค่ไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนธรรมดากินยาแก้ไข้แก้ปวดสามสี่วันก็หายแต่ว่าอาการปวดหัวของเยปุนเพิ่มมากจนเป็นที่ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สู้ผอมนอนสมน้ำตาไหลอาศัยญาติห่างๆใกล้บ้านเข้ามาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้แล้วก็ส่งข่าวให้ลูกๆเยปุนทางกรุงเทพได้รู้พวกลูกๆ ก, ก็เดินทางมาที่บ้านแหมารับเยปุลเข้ากรุงเทพ ไปตรวจที่โรงพยาบาลตาข้างซ้ายของยาปุ่นมีฝ้ามัวมากหมอก็เลยลอกฝ้าที่ตาออกแต่ก็ยังมองอะไรเห็นไม่ชัดมันพรามัวไปหมดเจ้าว่าผลกรรมดีที่แกไปทาบุญฟังเทศที่วัดทุกวันพระของยาปุ่นก็ว่าได้ยาปุ่นไม่มีอาการหลงลืมอะไรสมองนะความจำดีจำอายุตัวเองได้จาลูกหลานทุกคนได้ทั้งที่แกเก้าสิบกว่าแล้ว หมอบอกว่าร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่ปลอดดีหัวใจเต้นดีความดันสูงเล็กน้อยมากสรุปแล้วร่างกายยายปุ่นนี้เยี่ยมจริงๆขนาดฟันในปากนี่หักหมดแล้ ว, วงเหลือแต่เหงือกแต่งเหงือกของยายปุ่นนี้แข็งมากสามารถกบเคี้ยวอาหารได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใส่ฟันปลอมแล้วหลังจากหมอได้ลอกฝ้าในตาของยายปุ่นแล้วแกก็กลับไปอยู่บ้านแหตามเดิมตาข้างที่ลอกออกก็มองเห็นลาง ไม่แจ่มชัดนะักญายปุ่นก็ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กับบ้านเพียงคนเดียวหุงข้าวต้มแกงซักเสื้อผ้าเองทุกอย่างเดือนนึงก็จะมีพวกลูกๆห ล, ล, ลานขึ้นไปเยี่ยมเอาพวกของแห้งอาหารกระป๋องโอวัตินนมข้นไปให้ญ ย, ยปุ่นอยู่เสมอหลังจากลอกตาผ่านมาได้ปีกว่าๆญ า, ายปุ่นก็มีอาการปวดภายในกระบอกตาข้างที่ลอกไว้มีน้าตาไหลตลอดแล้วก็ปวดมาก ลูกหลานก็เลยรับตัวยาปุ่นเข้าโรงพยาบาลตามเดิมหมอตรวจดูอย่างละเอียดก็บอกว่าจะต้องควักลูกตาข้างนั้นทิ้งเพราะว่าเอาไว้ก็จะปวดทรมานมากเพราะว่าตาข้างนั้นเสียมองอะไรไม่เห็นแล้วและมีอาการอักเสบรุนแรงยายปุ่นต้องถูกควักลูกตาทิ้งไปเหลือตาข้างเดียวที่ใช้ดูทําประโยชน์กับตัวเองได้บ้าง ตาข้างที่บอดไปก็มีหนังตาปิดลงแล้วก็มักจะมีน้ำตาไหลออกมาต้องใช้พลาเช น, น้าคอยซับไว้ตลอดเวลาชีวิตวัยชราของเย่ปุ่นก็จินกับการใช้สายตาเพียงข้างเดียวทุกปีข้าบันษาเย่ปุ่นต้องไปวัดไปถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ไปนอนค้างที่วัดในวันพระสวดมนต์ภาวนาเย่ปุ่นเล่า ว, ว่าตอนยายไปตกปลาหมอเอามาแกงกิน ยายก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องบุญเรื่องบาปคิดแต่จะหาปลามาเป็นอาหารแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าตกปลาได้ครั้งไหนเบ็ดก็มักจะเกี่ยวลูกตาปลาขึ้นมายายไม่นึกว่ากรรมจะตามมาทันสนองในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะแต่แกก็บอกว่าแกยอมรับผลกรรมนั้นแล้วทุกวันนี้แกก็ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของแก ถึงจะตายแกก็ไม่กลัวความตายแกว่ายอย่างนั้นทุกคืนก่อนนอนยายปุ่นต้องไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งนิ่งภาวนาอยู่หน้าองค์พระครั้งละนานๆด้วยจิตที่ยึดมั่นในพระรัตนตรยัยแล้วความดีของยายปุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือยายปุ่นไม่เคยกล่าวคำหยาบไม่เคยด่าหรือว่าพูดจาเสียสีใครพอใจไม่พอใจก็นั่งนิ่งเฉยนั่งตำห ม, มากเคี้ยวหมากจับจับๆนานๆก็จะยกผ้า เช็ดน้ำหมากที่ไหลลงมาตามรอยยับยน่นเป็นร่องของผิวหนังที่แก่ชราของแกนั่นแหละมองดูผิวและสังขารของญาปุ่นแล้วก็มองเห็นธรรมะของพระพุทธองค์ได้ชัดเจนเมื่อยังสาวยายปุ่นก็คงมีผิวหนังอันเต่งตึงมีน้ำมีนวลเช่นผู้หญิงสาวสวยๆทั้งหลายแต่ปัจจุบันผิวหนังของแกยับยน่นเป็นริ้วรอยด้วยความชราเหมือนกับจะบอก กับผู้หญิงหลายคนว่าปัจจุบันของแกก็คืออนาคตของผู้หญิงเหล่านั้นแหละอย่าประมาทเลยยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถอะยายปุ่นเป็นคนที่มีความดีมีศีลธรรมเป็นคนที่ใครๆก็รักแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่กรรมก็ส่วนกรรมบุญก็ส่วนบุญท่านผู้ฟัง ถึงอย่างไรก็แล้วแต่กรรมนั้นก็ยังจะต้องตามยยปุ่นมาจนได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับท่านผู้ฟังเ ค, เคยได้ยินคำว่าทางสามแพร่งั้มล่ะคนเก่าคนแก่เขาพูดกันมากในเรื่องทางสามแพร่ง บอกว่าบริเวณบ้านไครหรือว่าตึกรามบ้านช่องที่ไหนไปตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่งก็มักจะมีเคราร้ายหรือว่าผีสางนางไม้อะไรมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอเรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงในตำราของจีนด้วยเหมือนกันที่เขาเรียกว่าตำราห่วงจุ้ยเนี่ยะถือว่าร้ายแรงเหมือนกันนะทางสามแพร่ง เ, เพราะฉะนั้นไอการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าตึกรามสำนัก ง, งานโดยทั่วไป<ๆ>ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไปตั้งในจุดที่ตรงกับทางสามแพ่ง แต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามตำราห่วงจุยแบบจีนเขาก็มีวิธีแก้ไขเอาไว้อาจจะมีการนำกระจกสะท้อนแสงไปติดในบริเวณที่เป็นทางสามแพรนะ่งโดยมีความเชื่อว่ากระจกเนี่ยจะช่วยสะท้อนเอาความชั่วร้ายออกไปหมดว่าอย่างนั้นหรือบางทีก็อาจจะใช้วิธีการปลูกต้นไม้ขั้นกลางระหว่างบ้านกับทางสามแพรนะ่ง หรือว่าการใช้วิธีการเลื่อนประตูทางเข้าออกไม่ให้ตรงกับบริเวณทางสามแพร่งก็อาจจะเป็นการช่วยแบ่งเบาให้หนักก า, ากลายเป็นเบาไปได้บ้างในอดีตที่ผ่านมาตำนานทางสามแพร่งนะมีกล่าวถึงกันมากทั้งในเรื่องเคราะร้ายหรือแม้แต่เรื่องของพูดผีวิญญาณที่ทั้งสยองหน้าวาเสียว บางทีก็หนังก็เอาไปสร้างอ่านะตั้งเรื่องเป็นทางสามแง่งขึ้นมาก็เอาล ะ, ะแสดงว่าตรงเนี้ยจะต้องมีเหตุสยองเกิดขึ้นละว่าอย่างนั้นมันก็ยิ่งเสริมความคิดนี้ให้ไปกันอ่านะใหญ่เลยที่นี่ท่านผู้ฟังอย่างเช่นที่สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเวลาเขาตัดหัวนักโทษแล้วเขาไปเสียบประจันไว้ที่ทางสามแง่งทางสามแยกคนผ่านไปมาเยอะเขาจะได้เห็นมันก็เลยกลายมั็นว่าตรงนั้นมันน่ากลัว ในทางสามแยกเนี่ยนะนะที่นี่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์บนทางสามแพร่งเนี่ยคนที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ครั้งหนึ่งแกก็แทบเอาชีวิตไม่รอดอนะ่เรียกว่าปางตายเลยทีเดียวเรื่องอาถรรพ์ทางสามแพร่งซึ่งเกือบจะฆ่าชีวิตครอบครัวนี้ไปเนี่ยอ่าก็มีอยู่ว่าที่ย่านชานเมืองแถบราชกระบัง ไร่กระ บ, บังในย้อนเวลากลับไปสักสิบปีที่แล้วแถบนั้นก็ยังเป็นเรื่อกสวนไร่นาแล้วก็ทุ่งข้าวยังไม่ค่อยมีบ้านช่องแล้วก็ผู้คนอาศัยอยู่มากนักจะมีบ้างไปปลูกสร้างกันอยู่ห่างๆออไปเหมือนกับบ้านเรือนของคนชนบทสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรก็ไม่ค่อยมีใครรู้เห็นหรือว่าให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างเช่นเรื่องของครอบครัวอาถรรพ์ครอบครัวเนี่ยคือบ้านช่องในละแวกใกล้ๆกันในย่านนั้นนะล้วนแต่เป็นบ้านของชาวมุสลิม ที่มาปลูกสร้างกันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าดังนั้นเมื่อคุณธาราธรและครอบครัวเข้าไปปลูกบ้านไปสร้างบ้านบนที่ดินซึ่งเขาซื้อทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนครอบครัวคุณธาราธรก็เลยกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อบ้านช่องปลูกสร้างเสร็จถนนหนทางที่จะต้องถมเพื่อทำทางเข้าบ้านนั้นตอนแรกก็มีปัญหาเนื่องจากที่นะ่มันต่ำเกินไป คุณธราธรก็เลยต้องจ้างคนมาถมดินหลายรอบกว่าจะได้พื้นดินในระดับที่พอใจแต่ว่าปัญหาก็ยังมีอีกคุณกรณิกาภรยาของคุณธราธรคุณกรณิกาเนี่ยเป็นลูกสาวคนจีนก็เห็นว่าที่ดินบริเวณที่ทำการสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นทางสามแพร่งตามตำราห่วงจุยนันถือว่าไม่ดีเป็นทางบอดไม่เหมาะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย แต่ที่นี้เมื่อบ้านก็สร้างเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวจะเข้าไปอยู่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านทีนี้ทั้งผัวทั้งเมียก็เลยปรึกษากันว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อจะให้สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างเพราะใครๆก็ทักว่าไอ้บ้านทางสามแง่งนี้ไม่ดีนะเพราะคิดทบทวนอยู่หลายตลกคุณกัณยิกาก็เลยซื้อกระจกไอ้ที่มีมังกรคาบดาบเนี่ยมาติดเอาไว้ตรงบริเวณทางสามแง่งก็ หันหน้าตรงกับตัวบ้านแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ใหญ่หลายต้นเพื่อจะปิดกัน้นไม่เห็นสามแยกเนี่ยคือทำทุกอย่างละตําราว่ายังไงก็ทำหมดก็ทำให้คนในบ้านเบาใจไปได้บ้างแต่พอเข้าไปอยู่จริงๆแล้วกลับเกิดปัญหาชนิดที่หาทางแก้ไม่ตกคือนับตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่นี้ก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นใหม่เว้นแต่ละวัน บางครั้งก็เกิดเรื่องในเรื่องที่ไม่สมควรจะมีปัญหาบางครั้งก็ประสบกับเคราะห์หนักบ้างเบาบ้างในตอนแรกคุณธราธรก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เมื่อบ่อยเข้าแล้วก็รู้สึกจะหนักข้อขึ้นทุกวันทุกคนในบ้านก็เลยแน่ใจได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเหตุมาจากอาถรรพ์ของทางสามแพ่งที่พุ่งเข้าชนตัวบ้านซึ่งเมื่อลำดับแล้ว อ่าเรื่องรายร้ายแรงต่างๆถึงขั้นทําคนในครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขจนกระทั่งถึงก็ต้องย้ายบ้านหนีกันเลยทีเดียวในภายหลังนั่นเหตุร้ายที่ว่าเกิดจากอาถรรพ์ทางสามแง่งที่คุณธราธรเล่าให้ฟังเกิดขึ้นโดยครั้งแรกก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นกลางดึกหรือว่าบางครั้งขณะทุกคนในบ้านนอนหลับกันหมดก็ปรากฏว่า มีใครรู้ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมาดึงขาบาั่งนอนทับบ้างอย่างที่เขาเรียกว่าผีอำซึ่งพฤติกรรมหลอกหลอนนี่มีมาให้เจอเจอแทบทุกวันจนคนในบ้านแทบจะเป็นโรคประสาทกันไม่หมดแต่ว่าที่ร้ายที่สุดจนเรียกว่านหนักหนาก็คือเมื่อครั้งที่ทุกคนในบ้านพากันไปเที่ยวพักร้อนสุดสัปดาห์หลังจากย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้ไม่นาน ขณะที่กำลังจะเดินทางกลับเข้าบ้านแล้วก็ระหว่างทางจะต้องผ่านทางสามแพร่งที่ว่าเนี่ยจะถึงบ้านอยู่แล้วนะตอนนั้นดึกสงัดเกือบเที่ยงคืนคุณธราธรที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถแล้วก็มีภรรยามีลูกเล็กๆอีกสองคนนั่งอยู่ในรถด้วยในระหว่างกำลังขับรถจะเข้าถนนหน้าบ้านคุณธราธรก็เห็นผู้หญิงทองแกจูงเด็กตัวเล็กๆวิ่งตัดหน้ารถไปในรายยาะยะกระชั้นชิดจนแทบจะเบรกไม่ทัน ทุกคนที่นั่งมาในรถก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงมาเดินอยู่กลางดึกอย่างนี้พอผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นตระหนกมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ให้ความสนใจจนกระทั่งพอรถแล่นผ่านเลี้ยวสุดท้ายเข้ามาทั้งคุณธราธรและคุณกานิกาก็เห็นผู้หญิงท้องแก่คนเดียวกันกับที่เห็นตะกี้เนี่ยกำลังเดินจูงเด็กอยู่ข้า ง, างทาง พระรถแล่นเข้าไปในระยะใกล้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนปรากฏว่าผู้หญิงทองแก่คนนี้กระโจนเข้าหาตัวรถแล้วตัดหน้ารถเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณธราธรก็พยายามหักพวงมาลัยหลบแล้วก็เหยียบเบรคห้ามรถให้หยุดแต่ว่าไม่ทันการเพราะว่ารถเกิดเสียหลักบังคับไม่อยู่ก็พุ่งลงข้างทางบริเวณที่เป็นโคลนตมส่งผลให้คนที่อยู่ในรถนี่ต่างได้รับบาดเจ็บก <ieme S 1> <ÿ S 2> ันทั่วหน้า คุณธราธรก็พยายามงัดกระจกออกมาพร้อมกับมองหาผู้หญิงคนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยรอบบริเวณบ้านนั้นก็รายล้อมไปได้วยทุ่งข้าวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศโดยทั่วไปก็ทั้งเงียบทั้งมืดจนน่ากลัวทั้งคุณธราธรและคุณกนิกาก็เลยสรุปได้ว่าสิ่งที่เขาพบและเห็นอย่างเต็มตาด้วยกันทุกคนในกลางดึกนั้นต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามคุณธราธรเชื่อว่าเป็นเพราะฝีมือผีแล้วก็อาถรรพ์ของทางสามแพร่งที่ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดก็ไม่สามารถจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ในที่สุดพวกเขาก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังที่ว่าเนี่ยทิ้งแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจาดสารรแห่งหนึ่งกลางใจเมือง เพื่อจะหลบหนีจากอาถรรพ์ของทางสามแปร่งเพราะว่าถ้าหากว่าขืนดื้อดึงอยู่ในบ้านซึ่งปลูกบนทางสามแปร่งต่อไปก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องร้ายต่างๆที่รุนแรงมากติดตามมาอีกก็เป็นได้มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังคุณสมักเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านที่แกอยู่เนี่ยใกล้ๆบ้านแกก็มีครอบครัวหนึ่งก็พอมี อันจะกินเป็นครอบครัวไม่ใหญ่ตัวอะไรมีด้วยกันหกคนก็อยู่กันพ่อแม่ลูกกับยายยายก็แก่มากแล้วแต่ว่าแทนที่ครอบครัวจะมีความสุขกันตามประษาพ่อแม่ลูกแต่ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีความสุขหรอกที่ไม่มีความสุขก็เพราะในพรมในพรมก็เป็นหัวหน้าครอบครัวกลับทําตัวผิดผิดไม่เคยเกงรงกลัวบาปกรรมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพรมเนี่เอาแต่กินเหล้าอยู่เป็นประจํา เสพสุราเป็นอาจินเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในพรมเมาแล้วก็เกิดมีเรื่องกันในพรมฆ่าเขาตายตำรวจจับได้ติดคุกอยู่หลายปีในพรมนี่เป็นคนหนังเหนียวยิงไม่เข้าวันไหมครับก็ทําให้ในพรมได้ใจก็ไม่มีใครทําอะไรตัวเองได้ก็นึก ง, งั้นใครสอนใครเตือนเป็นต้องเจ็บตัวมีครั้งหนึ่งแม่ในพรมอายุก็มากแล้ว อสอนแกห้ามปรามเรื่องนี้แต่ผลกลับเป็นว่านายพรม์กับตบแม่ตัวเองอายุมากเลยเลื่อยกรบปากเลยมีใหญ่ที่คนในบ้านจะห้ามแต่ว่านายพรมไม่ฟังเสียงสําหรับชาวบ้านเดียวว่าคนบ้านอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีใครกล้าไปห้ามพระต่างกลัวนายพรม์คนทั้งนั้นแนหะชาวบ้านก็พากันสงสารแม่นายพรพมาแช่งชักหักกระดูกให้ในายพรมได้รับกรรมที่ก่อขึ้น ฝ่ายแม่ในพรมตั้งแต่โดนในพรมทำร้ายแล้วก็เริ่มไม่สบายแล้วคงช้ำใจที่ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ในที่สุดแม่ของในพรมก็เสียชีวิตโดยความชอกช้ำที่ลูกชายตัวเองทําแทนที่ในพรมจะสะกิดใจแล้วก็สํานึกในการกระทําของตัวเองที่ทําให้แม่ตัวเองตายแต่ไม่ฮะในพรมไม่ได้คิดหรือว่าเสียใจอะไรนะที่แรกก็สร้างความทุกข์ให้แม่จนแม่ตายไปแล้วทีนี้ก็หันมาสร้างความทุกข์ให้กับนางเขียว ซึ่งเป็นเมียแล้วก็ลูกทั้งลูกทั้งเมียละลําบากคนใจธมินหินนชาติเนี่ยจะพูดเตืนอนกัยังไงก็คงไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้น่ะเจ้าบ้านเขาถึงไม่ค่อยอยากจะให้ลูกสาวเข้าไปได้กับพวกนักเลงมันเป็นอย่างนี้คนเราลองใจมันทมินหินนชาตินี่มันจะพูดอะไรพูดดีก็ดีพูดไม่ดีมันเตะฟันหักเลยนะะจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนชนิดเนี้ย รัฐบาลก็ถึงพยายามกำจัดให้หมดไปจากสังคมโลกชาวบ้านพากันสาบแช่งกันทางนั้นแต่ดูเหมือนว่าคำสาบแช่งนี้ไม่สามารถจะทำอะไรในพรมได้เลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบปีกว่าเห็นจะได้ในพรมก็ยังเพียรทำแต่ความชั่วเหมือนเดิมในที่สุดผลแห่งกรรมที่ในพรมก่อไว้ก็ตามสนองแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจเหลือเกินว่า ในอ่าทำไมในพรมถึงต้องตายแบบนี้ ท, ทั้งทั้งที่ค่้ๆก็รู้ในพรมหนังเหนียวก็คงจะเป็นผลกรรมที่ตามมาสนองแกคือวันนั้นเป็นวันที่ในพรมจะต้องใช้กรรมของแกที่ก่ อ, อไว้นะหกปีพอดีหลังจากที่แกทำเวียนทำกรรมไว้กับแม่วันนั้นเย็ยนแล้วอ่าออกตกค่าเลยสิประมาณสักทุ่มเศษเนี่ยในพรมก็ออกไปกินเหล้าตามปกติซึ่งก็ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่ แกไปทุกวันทางฝ่ายลูกและเมียของนายพรหมนั้นไม่ได้เอาใจใส่ในายพรห ม, มเพราะว่านางเขียวเนี่ยก็เคยพูดกับใครๆบอกว่าแกนะเป็นคนมีกรรมที่ต้องมาชดใช้กรรมเก่าก็เลยต้องมาอดทนอยู่ตลอดเวลาจนชินชาซะแล้วกับเรื่องของนายพรหมผัวแกที่สร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาที่นี่ในร้านเหล้าที่นายพรหมไปกินเหล้าวันนั้นน่ะมีคนมากินเหล้าหลายคนแล้วบรรดา ค อ, อเล่าเนี่ยก็มีในหมายในหมายเนี่เป็นคนหมู่บ้านอื่นแต่ว่าแวะมาดื่มเหล้าในร้านเช่นเดียวกันในพรมพอเมาได้ที่ก็เดินกลับบ้านก็เป็นที่น่าแปลกเหลือเกินที่ในพรมกลับบ้านก่อนเวลาเพราะตามปกติในพรมจะกลับห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ว่าวันนี้ในพรมกลับก่อนเวลาในพรมก็เดินกลับบ้านโดยอาการมึนนิดๆแต่ว่าในพรมดันไม่ได้กลับไปทางบ้านนะไปอีกทางหนึง่ง ซึ่งไอทางนั้นนะ่ะเป็นทางที่ในพรมนะเคยฆ่าคนตายนะทั้งๆ ท, ที่แกก็ตั้งใจจะกลับบ้านน่ยแต่ธรรมดาแกต้องไปอีกเส้นหนึ่งแต่วันนั้นทําไมแกกลับไปเส้นเส้นที่แกเคยฆ่าคนไม่รู้อาจจะเป็นกรรมบังตาก็ได้ทําให้ในพรมกลับไม่ถูกพราะในพรมไม่เคยนะไม่เคยแล้วเมาแล้วกลับบ้านไม่ถูกอ่ะแต่ว่าวันนั้นแกไป ขณะที่ในพรมเดินมาถึงที่ที่แกเคยฆ่าคนตายตรงนั้นปรากฏว่าในหมายเนี่ยตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ในหมายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้ามาหาในพรมก็ใช้ขวานฟันในพรมโดยไม่มีการนับปรากฏว่าในพรมนี่เคยหนังเหนียวกลับยับไปทั้งตัวเลือดไหลนองบนพื้นถนนเต็มไปหมดน้าแปลกขวานที่ในหมายใช้ฟันในพรมนี่ไม่ใช่ขวานคมนะ เป็นขวัญที่มีแต่ขี้สนิมเต็มไปหมดนะกรรมตามสนองในพรมมแหละเพราะว่าในพรมกับในหมายนี่ไม่รู้จักไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยแล้วทําไมในหมายถึงได้ฆ่าในพรมมันจะเป็นเพราะอะไรก็กรรมมาสินะเพราะในพรมทําไว้แต่ความชั่วแล้วมันก็ตามสนองสําหรับในหมายนั้นพอฟันในพรมเสร็จก็หายเข้ากลีบแมฆไปนะ คนเอาบทมันจะถึงที่มองหน้ากันแป๊บเดียวมก็ฆ่ากันได้แล้วเพราะกรรมมันส่งผลนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำตัวเป็นนักเลงเนี่ยต้องระวังหน่อยนะอย่าถือว่าฆ่านี่ใหญ่โตไปไหนแล้วก็มีแต่คนเกรงคนกลัวสักวันหนึ่งถ้ากรรมตามทันนะศพตาเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเดียวมันก็ตามไปฆ่าตายแล้วที่นี้ในหมายก็ทิ้งอะไรพรมนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแหละ พอมีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาเห็นเข้าไปบอกนางเขียวฝ่ายนางเขียวพอรู้เรื่องเขาก็ตกใจถึงแม่ในพรมจะสร้างความลําบากลําบนต่อนางแล้วก็ลูกๆ ก, ก็าตามนางก็ยังมีศีลมีจิตเมตตาอยู่ก็รีบออกมาดูในพรมผู้สามีฝ่ายในพรมไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นร้องอย่างเดียวเจ็บปวดทรมาน เสียงร้องแกร์นะบาดใจคนที่มายืนดูเพราะว่าแกร้องแบบเจ็บปวดทุกทรมานเหลือที่จะบรรยายนางเขียวก็ให้ชาบ้านไปตามรถเพื่อที่จะเอาในพรมส่งโรงพยาบาลไอ้กรรมที่ในพรมก่อไว้นั้นะทําให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยหารถไม่มีเลยสักคันตามปกติรถจะมีเป็นประจําแต่ว่าคืนนั้นไม่รู้ใครเช่าไปไหนหไกันหมดอ่ะไปธุระกันหมดนี่ทุกคนต่างก็ได้แต่ยืนดูใน พรมเลือดไหลโจกโ จ, ก, โจกอยู่อย่างหน้าสมเพชต่างก็พูดกันว่ากรรมตามสนองในพรมเขาแล้วในที่สุดในพรมก็จบชีวิตลงบนถนนเส้นนั่นแหละเหมือนกับที่แกเคยฆ่าเขาตายเพราะว่าในพรมแกก็ใช้ขวานฆ่าคนตายเหมือนกันตายแบบเดียวกันเลยอเนี่ยก็ถึงว่าผลแห่งกรรมนั้มันมีความจรงิงมันเป็นความจริงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในพรมตายไปก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรม พอตายไปก็ยังทุกขเวทนาอยู่เพราะว่าชาบ้านเจอในพรมร้องควรครางอยู่เสมอทําให้ชาบ้านไม่กล้าเดินแถวนั้นอีกเลยจนชาวบ้านเขาก็พากันปรึกษาหารือกันว่าคุณจะทํำยังไงสักอย่างก็เลยตกลงกันว่าต้องแบบปรึกษาหลวงพ่อเพื่อท่านจะช่วยเหลือได้บ้างพอหลวงพ่อรู้ท่านก็มาจัดการทําตามประเพณีก็ทําพิธีตามหลักของทางบ้านแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับในพรมซึ่งได้รับทุกขเหลือคาณา แล้วตั้งแต่บัด น, นั้นก็ไม่มีใครเจอในวิญญาณในพรหมอีกเลยชีวิตของทุกคนเกิดมามีเวรมีกรรมด้วยกันทางนั้นแหละกรรมของแต่ละคนก็มักจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเพียรทำกรรมดีเพื่อจะเอากุศลดีเนี่ยไปช่วยลดย่อนผ่อนไอ้สิ่งไร้ารๆที่เราเคยทำมานะแต่ในพรหมนี้แกไม่ทำอย่างนั้นน่ะ ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ากรรมชั่วส่งผลมาแล้วเนี่ยแกก็ยังทาชั่วหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในพรมจึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับขวานเป็นรางวัลอ่าสุดท้ายของแกแล้วก็ลงดรกไปทำระเบียบครับขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสา ม, มนเนณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับจบเรื่องของเสือผ่า ท, ทับสายทองไปแล้วแต่ยังมีอีกผ่าหนึ่งครับ ผานนี้ยิ่งดังกว่าผ่าดแรกอีกเสือผ่านเหมือนกันชาวบ้านเขารู้จักกันในนามของเสือผ่าดแก้วสนธิเจ้าพ่อแห่งทุ่งบางพลับบางพลับก็คืออำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีในผ่านแก้วสนธินี่ไม่ใช่คนสิ้นไร้าไม้ตอกเป็นลูกเศรษฐีพ่อชื่อในดีเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งมั่นคงคนหนึ่งในย่านบางพลับมนแหละ แล้วก็มีความรู้ด้วยนะเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์แต่ด้วยความเป็นหนุ่มคึกขนองไม่เรียนต่อทั้งๆ ท, ที่หัวดีหัวดีแต่นิสัยไม่ดีเลิดเพลินใช้ชีวิตหมดเปลืองไปกับการเที่ยวเตร่เล่นการพ น, นันกินเหล้าเมายาตามประสาหนุ่มลุกทุ่งผู้มีเลือดนักเลงอยู่ในตัววันๆในผ่านนี้ไม่เคยช่วยงานครอบครัว เงินทองที่ได้จากพ่อแม่ก็มักจะหมดไปกับไฮโลโปถั่วและสุรายาเมาวันไหนเล่นการพนันได้เงินมากก็ใช้เงินเลี้ยงดูเพื่อนผูงอย่างไม่อั้นความเป็นคนกว้างขวางของผาดก็ทําให้เขาเป็นคนมีเพื่อนมากไปไหนมาไหนก็มักจะมีเพื่อนผูงติดหน้าตามหลังไม่เคยขาดแต่ความจริงแล้วในผาดแก้วสนธิคนนี้เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้คนหนึ่งชอบอ่านหนังสือและดูหนังนะ แต่ที่ชอบก็เพราะว่ า, ามันถูกลักษณะของตัวเองชอบดูหนังเขาบ่อยหนังประเภทอาจฉกรรมอ่านดูแล้วก็จดจำวังจิตหวังใจก็นำเอาวิธีการต่างๆจากหนังสือบ้างในหนังบ้างมาดัดแปลงใช้ชีวิตเขาในช่วงชีวิตหน่มพาดก็ยังคงสนุกสนานอยู่กับเรื่องเที่ยวเตร จนกระทั่งมาแต่งงานร่วมชีวิตกับนางสมลูกสาวบ้านเดียวกันก็ยังไม่ได้ทิ้งนิสัยเดิมยังคงเที่ยวเตร่เฮฮากับเพื่อนเหมือนเก่าแล้วทุกเช้าเนี่ยในผาดจะต้องใช้ปืนเนี่ยยิงอ่ายิงซ้อมแอเป้ากระป๋องนมข้างๆบ้านตัวเองอ่ะยิงทุกเชา้าไม่เคยช่วยทำงานไรไนะ้ไถนาอย่างพ่อเลย ชอบปืนเข้าสวนมะพร้าวหลังบ้านก็ตั้งหน้าตั้งตายิงแสมิดออตโอตโอ้เก้ามมของเขาเนี่แหละก็ในความรู้สึกนี่ก็เหมือนจะเขากำลังเป็นพระเอกหนังขบอยเพราะชอบดูหนังขบอยปรากฏว่าขาดยิงปืนแม่นยังกระจับวางเรียกว่ายิงปืนนี่ไม่มีใครในทุ่งบางพลับ ท, ท่าบิดนะเป็นที่ยกย่องกันในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็รู้กันดี เพราะฉะนั้นทุกเช้าตรู่ที่มีเสียงปืนแผดกล้องขึ้นในสวนมะพร้าวหลังบ้านในดีไม่มีใครแปลกใจหรือว่าสนใจเพราะรู้ดีนะฝีมือลูกชายเจ้าของบ้านลูกชายตาดีแต่มีอยู่เพียงคนเดียวที่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ไม่พอใจต่อการซ้อมยิงปืนของพาดเป็นอย่างยิ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อผู้ใหญ่แมนเช้าวันนั้นผาดกาลังมันมือกับการยิงกับป๋องนมยิงลูกมะพร้าว อยู่ๆผู้ใหญ่แมนก็พูดพลาดเข้าไปต่อว่าต่อขานที่ยิงปืนสร้างความโหนกหูราคาญให้าวบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกคําสั่งห้ามผ่าซ้อมปืนอีกอย่างเด็ดขาดที่นี้เจ้าผ่าตนน้นธรรมดาก็เลือดร้อนอยู่แล้วหัวแข็งแล้วก็ดื้อรั้นพอตัวขนาดพ่อบังเกิดกล้ายัางห้ามไม่ได้ภาษาอะไรกับผู้ใหญ่แมนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่แมนได้รับจากผาดแทนที่จะเป็นการรับทราบคําสั่งอย่างสุภาพอ่อนน้อม เพราะว่าใครๆก็กลัวบา ร, รมีผู้ใหญ่บ้านแต่กลับเป็นคําปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวพาดก็บอกว่าเขาซ้อมยิงปืนอยู่ในเขตบ้านเขาเองไม่ได้ยิงข้ามหลังคาบ้านใครไม่หนักหัวใครใครก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามผู้ใหญ่แม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ยิงหัวผู้ใหญ่แม่เ น, เนี่ยไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนคําพูดของผาดนี่ทําให้ผู้ใหญ่แมนโกรธหัวคว้าหัวเวียงเพราะถือว่าพาดนี่ไม่รู้จักเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะอ่า ผู้ใหญ่แม้นลั่นปากเลยถ้าหากว่าผาดยังขืนซ้อมยิงปืนอีกจะจับกุมผาดนะผาดก็ถามว่าข้อหาอะไรก่อกวนความสงบสุขข้อกล่าวหาที่ผู้ใหญ่แม้นเอามาขู่นี่ทําให้ผาดหัวเราะด้วยความขบขันไม่ได้มีท่าทีกิริยาหวั่นเกรงเลยแถมยังบอกผู้ใหญ่แม้นว่าไม่มีทางจะมาใช้อํานาจกับเขาได้หรอกแล้วผาดก็ตะเพิดผู้ใหญ่แม้นจะต้องรีบเดินอ้าวอ้าวออกจากเขตสวนมะพร้าวของตัวไปอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ผู้ใหญ่แม่นนี่แค้นผาดเหลือเกินหลังจากมีปากเสียงโต้ขรมกับผู้ใหญ่แม่นได้แค่สามวันเสมียนอำเภอคนหนึ่งก็มาหาผาดที่บ้านโดยบอกว่าในอำเภอเรียกผาดไปพบร้อยวันพันปีไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องราชการทีนี้ก็นึกถึงนึกถึงผู้ใหญ่แม่นเมียก็บอกสงสัยจะใช่แล้วละ่ะนางสมอ่า นางสมบอกสังหอนใจสงสัยผู้ใหญ่แม่จะไปฟ้องในอำเภอให้มาตามตัวผาดผาดเองก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าผาดเนี่ยธรรมดาก็ไม่เคยแคร์กับศัตรูหรือปัญหาอะไรก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะแต่มีอั น, นิวิตตกกลัวเรื่องมันจะไปกันใหญ่เสร็จแล้วสามงเย็นวันรุ่งขึ้นในผาดก็ไปที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เพื่อพบกับนายอำเภอสวัสด์ตุรยยะสุวรรณตอนที่ไปถึงที่ว่าการอำเภอปรากฏว่านายอำเภอสวัสด์ไม่อยู่ผาดก็รออยู่เป็นชั่วโมงจนกระทั่งใกล้เวลาเลิกงานแล้วนายอำเภอสวัสด์ก็กลับมาที่ห้องทํางานผาดก็เดินเข้าไปในห้องทํางานนายอำเภอโดยกิริยาปกติธรรมดาธรรมดาพอเข้าไปเผชิญหน้ากับนายอำเภอสวัสด์ผาดก็ยกมือไหว้นายอำเภอก็เชิญให้นั่งทักกันคนละคำสองคา แล้วสิ่งที่พาดคิดมาตั้งแต่ที่บ้านก็เป็นความจริงขึ้นมาน้ำเพลือก็บอกว่าผู้ใหญ่แมนเขามาฟ้องกล่าวหาว่าผ่านได้ตั้งตัวเป็นนักเลงแถมยังบอกผ่านมีชื่ออยู่ในบัญชีอันถานแล้วขอให้เลิกประพฤติเป็นนักเลงโดยเด็ดขาด่ารู้ดีว่าเขาโดนผู้ใหญ่แมนประชุมเพลิงก็ให้แล้วและความที่เป็นคนไม่ยอมคนก็ถือว่าตัวบริสุทธิ์ก็ปฏิเสธเถียงใหญ่แถมกล่าวหาว่าน้ำเพลือหนะูหูเบา เชื่อผู้ใหญ่แม่นมากเกินไปแหนมเภอสวัสดชักยะัวเด็กรุ่นลูกมาตําหนิหาว่าหูเบาก็ปลวงออกมาด้วยอารมณ์มาเรียกมาพูดดีๆไม่เชื่อเด็วก็เตะเขาให้พอได้ยินคําว่าเตะผาดก็ลุกพรืดจากเก้าอี้ทันทีลั่นปากบอกน้ําเพอแน่ยังไม่ทันพูดคาไหนออกมาเนี่ยผาดก็บอกถ้าแหนมเภอแน่จริงลงไปยิงกับผมตัวต่อตั ว, ตวแหนมเภอสวัสดตะลึงนึกไม่ถึงว่าผาดจะห้าวขนาดนั้นพวกเสมียนพนัก ง, งานที่นั่งฟังอยู่สองสาคน เห็นว่าผ่าจักจะกำแหงเกินไปก็กลัวเข้ามาจะจับตัวผาัดแต่ผ่าดหนุ่มเลือดเดือดทุ่งบางพลับซึ่งไม่เคยกลัวใครอ่าผลักเก้าอี้โครมสกัดพวกพนักงา น, านอำเภอแล้วก็เพนออกนอกห้องวิ่งลงไปข้างล่างพอตีนเหยียบดินผ่าตดก็แหกปากร้องท้าให้นในอำเภอลงไปยิงกระตัวตัวตัวตั ว, ตวสมิ่นพนักงา น, า น, านอำเภอก็วิ่งกลูกลกตามลงมาผ่าดก็โกยนับลงไปที่ท่าเรือ พอถึงก็โดดลงมาในเรือทักษี่ลําหนึ่งตะโกนสั่งให้ในายท้ายเรือติดเครื่องนําเรือออกกลางน้ําทันทีการประกาศตัวเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่บ้านประกาศท้ายิงในอำเภอนี่เป็นบทเริ่มต้นแห่งชีวิตของเจ้าพ่อทุ่งบางพลับครับเรื่องของเสือผาดที่สองนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังต่อครับ ทุกขังสัติโกธโนแปลว่าคนขี้โมโหย่อมอยู่เป็นทุกข์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังผมนำเอาเรื่องของโจรรายหลายจังหวัดมาเล่าให้ท่านฟังก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับอนุชนคนรุ่นหลังว่าอย่าได้ประมาท ก, กับการดำเนินชีวิตเพราะว่าโจรเหล่านี้แต่ก่อนก็เป็นคนดีๆกันมาทางนั้น การตัดสินใจด้วยอารมณ์บูบเดียวล้วนพาไปสู่หายณนะอย่างใหญ่หลวงแล้วก็พาครอบครัวเดือดร้อนตระกูลเสื่อมเสียกลายเป็นตระกูลโจรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ใช้อำนาจไปกลั่นแกล้งบีบคั้นในคนดีๆกลายเป็นทุจริริชนบุคคลเหล่านี้ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างโหรายทารุนทั้งสิน้นจากกรรมที่ตัวเองไปบีบไปคันเขาแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จุดจบของขุนโจรแต่ละคนนี้ไม่มีใครหนีรอดพ้นมือกฎหมายไปได้เลยแม้แต่รายเดียวเพียงแต่จะจบแบบไหนเท่านั้นเมื่อวานนี้ได้คุยถึงเรื่องในผาดแก้วสนธิในผาดนี้ไม่ใช่คนเถื่อนมาจากไหนเป็นลูกเศรษฐีปากเกร็ดแถมยังเรียนจบชั้นมัธยมซึ่งก็นับว่าเวลานั้นก็สูงพอสมควรแต่เพราะความหลงไหลในหนังขบอยผาดก็ซ้อม ยิงปืนหลังบ้านทุกวันจนผู้ใหญ่แม่นต้องเข้าไปห้ามปรามผมผลก็คือผู้ใหญ่แม่นถูกพาดตะเพิดออกมาจากบ้านผู้ใหญ่แม่นทําอะไรผ่านไม่ได้ก็ไปฟ้องแนอำเภอปักเกรดเรียกตัวพาดไปอบรมว่าถ้าไม่เชื่อจะโดนข้อหาทําลายความสงบสุขและข้อหาอันตรพาลด้วยพาดก็เกิดโต้เถียงกับนายอำเภอสวัสด์ตุรยะสุวรรณถ้าไหนไม่รู้นายอำเภอโมโหออกปากว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูเตะ เท่านั้นแหละพาดก็อรารวาสท้าในอำเภอลงไปยิงกันที่เสาธงแล้วก็วิ่งหนีลงเรือไปหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นผาดก็เริ่มรู้ตัวว่าเขามีศัตรูรอบตัวเสแล้วก็เริ่มระมัดระวังตัวตลอดต่อมาข่าวไม่เป็นมงคลสําหรับตัวเขาก็เริ่มแพร่สะพัดขึ้นเรื่อยๆโดยที่ในบางในบางรอดอยู่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งความจริงก็เป็นญาติกับผาดนี่แหละเป็น ลูกพี่ลูกน้องกับนายดีพ่อของผาดเป็นคนกล่าวหาว่าผาดเนี่ยขโมยเรือสมปั้นของนางลิมที่จอดไว้ที่ท่านหน้าวัดสาดีโขแล้วก็นำความไปแจ้งตำรวจที่จริงผาดไม่รู้เรื่องนี้เลยการที่นายบางซึ่งเป็นญาติกันแท้ๆกล่าวหาผาดต่างๆนาน า, นาโดยไปเข้าข้างผู้ใหญ่แมนนี่ผาดสืบรู้ภายหลังว่าเป็นเพราะนายบางนี่วางแผนจะฮุบที่ดินของพ่อของเขา ก็พยายามที่จะให้ร้ายผาดทุกอย่างด้วยเหตุนี้ในผาดแก้วสนธิก็ไม่อาจจะอยู่ติดบ้านได้เสียแล้วเพราะข้อหาขามโมยเรือก็ต้องหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดคดีจี้ปล้นที่ไหนในเขตท้องที่นั้นก็มักจะมีการกล่าวหาว่าผาดเนี่ยเป็นตัวการทั้งสิน้ผนผาดแก้วสนธิก็เลยกลายเป็นเสือปล้นไปแล้วในสายตาของชาวบ้าน เขาต้องหายหน้าไปจากบ้านท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของนายดีซึ่งเป็นพ่อแล้วก็นางสมซึ่งเป็นเมียจะถึงยังไงผาดก็ไม่ได้หนีไปไกลจากถิ่นเกิดเขาก็ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตท้องที่นั่นตลอดเวลาและเวลาเดียวกันเพื่อนฝูงที่รักใคร่ร่วมกินร่วมเที่ยวอยู่กับผาดมากมายก็เริ่มลดน้อยหายหน้าไปใครจะอยากเดินทางร่วมกับผาดอีกเพราะว่าเขาตกอยู่ในสภาพของอาชญากรที่กฎหมายต้องการตัว ในจํานวนเพื่อนคู่ใจที่รักใคร่สนิทสนมกับผาดนะั้นมีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของนายบางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้กล่าวหาเขานั่นแหละอลูกชายของแกชื่อนายยิ้มอยู่รอดะผาดกับยิ้มยังคงรอบติดต่อกันเพราะว่านอกจากเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังเป็นญาติกันด้วยอด้วยเหตุที่ผาดไว้วางใจยิ้มก็เลยมอบเงินจํานวนหนึ่งให้ยิ้ม ไปจัดการหาซื้อกระสุนปืนให้เขาหลังจากนั้นวันเดียวนายยิ้มก็กลับมาหาผาดด้วยสีหน้าเจือนเจรอนรายงานว่าโดนตำรวจจับยึดเอาเงินไปหมดทั้งๆ ท, ที่เสียดายเนี่ยผาดก็ไม่ว่าอะไรไม่รู้จะพูดยังไงแต่ในเวลาเดียวกันผาดก็ออกสื่อหาความจริงด้วยตัวเองแล้วไม่นานเขาก็รู้ความจริงว่าเจ้ายิ้มทรยศนะเงินที่ผาดมอบให้ไปซื้อกระสุนปืนเจ้ายิ้มเอาไปเล่นโปให้โลหมดเกลี้ยงอ่า รายว่านั้นเจ้ายิ้มยังทำตัวเป็นสายคอยรายงานความเคลื่อนไหวของผาดให้ตำรวจรู้ทุกระยะว่าถ้าหากว่าผาดถูกจับมันจะได้ไม่ต้องเอาสตังค์มาใช้เจ้าผาดก็ใช้ความคิดอย่างหนักจิตใจและสมองเครียดตลอดเวลาไหนจะเรื่องที่มีคดีติดตัวโดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อไหนๆเพื่อนที่รักใครก็ตีตัวออกห่างนะโดยเฉพาะเจ้ายิ้มลูกศัตรู หาดก็แค้นสุดแค้นคุนคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาคืนนั้นตรงวันพระแรมส5บห้าค่ำบริเวณหน้าวัดสาลีโขปิระตารามที่ร้านเจกโกยังคงสว่างสวัยด้วยแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุขอเล้าขอกาแฟทั้งหลายขาประจำก็นั่งล้อมวมงกันอยู่ตามโต๊ะต่างๆเกือบเต็มร้านเพราะว่าตอนนั้นตะวันนันเพิ่งจะลับว่าเสียงหัวรเราะเฮฮาดังไม่ขาด สองทุ่มสามทุ่มก็แล้วคอเล่าทั้งหลายก็ไม่ยอมล่าถอยกลับแล้วในจำนวนนักดื่มที่มากินเหล้าที่ร้านนี่ก็มีเจ้ายิ้มรอดอยู่นั่งร่วมวงอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะมืนกันได้ที่หัวเราะหัวรอกันเสร็จแล้วเวลานั้นก็มีเสียงใครคนหนึ่งร้องสั่งเหล้าครึ่งขวดดังมาจากด้านในสุดของร้านได้ผลปรากฏว่างเงียบกริบกันทั้งร้านเพราะว่าเสียงนั้นคุ้นหูชาวทุ่งบางพลับทุกคนโดยเฉพาะเจ้ายิ้มกับเพื่อน ขนาดกำลังตึงหน้าโดยฤทธิ์เล่าแต่ว่าเสียงนั้นมันศักดิ์สิทธิ์พอที่จะให้เจ้ายิ้มนี่หายเมาแทบจะปลิดทิ้งเพราะว่าจำได้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเสียงของผาดแก้วสนธิเจ้ายิ้มนี่นั่งตัวแข็งแม้จะมั่นใจในความรับของตัวว่าคงจะไม่แตก อ, ะอ่ะไม่ร้่วไหลแต่คนเราเมื่อทาผิดดยเฉพาะกับเพื่อนและดยเจ้าะต่อผาดซึ่งหนุ่มทุ่งบางพรับทุกคนรู้ซึ่งอยู่แก่ใจดีว่าเขาเป็นคนจริงขนาดไหน ยิ่งในขณะที่ผาดต้องกลายเป็นคนร้ายที่มีคดีติดตัวอยู่ในเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความน่ากลัวให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้ายิ้มก็นั่งตัวแข็งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับกระเยื่นไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองผาดซึ่งเป็นเพื่อนอย่างดีที่ทําได้ก็คือคว้าแก้วเหล้ากระดกเหล้ากินรวดเดียวเกลี้ยงเพื่อจะให้อนิจคอฮอเข้าไปช่วยไล่ความประหม่าในตัวแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนในที่นั้นหวาดกลัว ผาดยังนั่งดื่มเหล้าคนเดียวสายตาก็ขวาดมองผู้คนไปที่ร้านบางครั้งก็หันไปยิ้มบุคคนที่นั่งอยู่ในร้านซึ่งส่วนมากก็รู้จักคุ้นเคยกันทั้งนั้นต่อมาในยิ้มซึ่งนั่งทนอึดอัดมานานพอสมควรก็เรียกเจกโกให้ไปเก็บเงินพอจ่ายเสร็จก็ลุกขึ้นนำท่ า, ทาจะเดินออกไปจากร้านไอยิ้ม เสียงเรียกชื่อทําให้ยิ้มชะงักตีนกึกเลยหันไปมองศบตากระผาดติตะโกนเรียกเลยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นปกติผาดก็บอกให้ยิ้มนั่งคุยกันอ่าบอกมีเรื่องจะปรึกษาด้วยจะยิ้มก็จําใจต้องเดินมาสุดนั่งอ่าที่โต๊ะผาดผาดก็เลื่อนเก้าอี้ให้นั่งชวนยิ้มคุยเลยสีหน้าน้ำเสียงเป็นปกติไม่มีอะไรอ่ายิ้มก็ค่อยคลายใจรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นพอคุยกันได้สักพักผาดก็ชวนยิ้มกลับ จะยิ้มก็โล่ง อ, อกจะได้กลับบ้านสทัทีลุกขึ้นแต่ก่อนที่ยิ้มจะเดินออกจากร้านผาดก็ใช้แขนซ้ายโอบคอยิ้มพาเดินออกไปจากร้านด้วยท่าทางปกติสีหน้ายิ้มแย้มอ่าเจ้ายิ้มก็สบายใจว่าผาดคงไม่มีความระแวงสงสัยอะไรในตัวเขาออกไปได้ไม่เกินสิบเมตรนะเสียงผาดก็ประกาศเสียงดังไอ ย, ยิ้มไอเพื่อนทรยศมึงใหญ ย, ยูเลยพอสิ้นคา เจ้าผ่าก็ดึงไอ้ปืนสมิธออโต้เก้ามมจากเอวปากระบอกจ่อเขาที่เบ้าตาในยิ้มแล้วก็นิ้วขวาเหนียวไกเปลีป่ยงเสียงปืนระเบิดเจ้ายิ้มพังะทะลึกพรวดเลือดสีแดงนิทะลักพุ่งออกมาจากเบ้าตายังกระท่อป่ะปาแตกร่างค่อยๆรูดลงไปกองกับพื้นท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของผู้คนในร้านเจโกที่เห็นการสังหารอย่างโหดเหี้ยมและเลือดเย็น ผ่าต้อก้มลงแบกร่างยิ้มซึ่งกลายสภาพเป็นศพไปแล้วเดินไปที่แม่น้ําแล้วก็โยนศพของยิ้มทิ้งลงไปในสายน้ําที่กําลังเชี่ยวกราบจากนั้นผ่าก็เดินย้อนกลับมาที่ร้านเจ๊โกอีกครั้งอย่างใจเย็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ประกาศขึ้นดังๆให้ได้ยินชัดกันทั่วทุกคนจําไว้เป็นตัวอย่างนะถ้าใครคนไหนคิดไม่ซื่อไอ้ผา่าทําตัวเป็นสายลับตํารวจเพื่อกําจัดไอ้ผา่าแล้วก็จะฆ่าทิ้งทุกคนขอให้ดูไอ้ยิ้มเพื่อนทรยศไว้เป็นตัวอย่าง ประกาศแล้วผาาแก้วสนธิซึ่งบัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นเสืออย่างเต็มตัวนับตั้งแต่วินาทีที่เหนียวไกปืนสังหารในยิ้มรอดอยู่ก็หันหลังกลับเดินหายลับไปในความมืดการสังหารในยิ้มลูกชายของนายบางรอดอยู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถําให่ชื่อของเสือผาดังกระชอนไปทั่วถิ่นนั้นอย่างรวดเร็วสำหรับการจบชีวิตของนายยิมซึ่งเป็นลูกชายในในายบางอีแค้นเหลือเกิน คนอย่างในบางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือตัวว่าเป็นหนึ่งอยู่ในทุ่งบางพลับเขาก็คิดที่จะแก้แค้นเจ้าผาเถจงได้แต่การที่จะรอพึ่งมือกฎหมายหรือว่ารอตำรวจนี่ในบางคิดว่าช้าเกินไปเขาต้องการจะ ส, สางบัญชีแค้นด้วยวิธีของเขาเองคิดได้อย่างนั้นในบางก็รีบส่งจดหมายไปเรียกตัวในบัวลูกชายคนที่สองซึ่งไปอยู่อำเภอเดิมบางนางบวจงบตจังหวัดสุพรรณบุรีทันที ในบัวรอดอยู่ซึ่งเป็นพี่ชายนับว่านักเลงคนหนึ่งพารู้ข่าวว่ายิ้มน้องชายคนเล็กโดนผาดฆ่าตายก็เป็นเดือดเป็นแคนรีบเดินทางกลับทุ่งบางพรับในวันนั้นเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแผนการคราวนี้ในเที่ยงลูกชายคนโตของนายบางเนี่ยเป็นคนวางแผน แล้วก็คิดว่าต้องสำเร็จแน่เพราะว่าแน่ใจว่าเสือผ่าต้องวนเวียนหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตทุ่งบางพรับแล้วข่าวการมาของนายบัวเพื่อล้างแค้นแทนน้องชายนี่จะต้องไปเข้าหูเสือผ่าตแน่เพราะฉะนั้นเสือผ่าต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อจัดการกับนายบัวอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นนเที่ยงพายเรือไปส่งนายบัวที่บ้านหลังหนึ่งที่ข้างวัดศารากุล เสร็จแล้วพอเสร็จขากลับก็รับนางโถมซึ่งเป็นแม่พายเรือย้อนกลับมาเพื่อจะไปส่งบ้านขณะที่พายเรือออกไปตามคลองล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อพาแม่ไปส่งบ้านก็ยังพูดคุยปรึกษาถึงแผนการที่นาเที่ยงนี่วางไว้ในการกาจัดเสือผัด แต่ทั้งสองแม่ลูกก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นเสือผ่าซึ่งบัดนี้มีสมุนเป็นนักเลงในท้องถิ่นนั้นสมัครใจมาเข้าร่วมเป็นพวกสะกดรอยตามคนทั้งสองมาตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านในบัวแล้วเสือผ่ากับสมุนคู่ใจซ้ายขวาสองคนพร้อมด้ดยอาวุธร้ายแรงครบมือก็มาจอดเรือซุ่มดักในเที่ยงนางโถมอยู่ใต้ต้นไม้ริมตลิงพอเรือในเที่ยงใกล้เขามาผ่าก็สั่งสมุนให้ออกเรือโผล่เงาไม้ออกมาขวางหน้าทันที ตอนนั้นใกล้ค่าเต็มทีแล้วอากาศขมุกขมัวในเที่ยงซึ่งพายท้ายก็ก้มหน้าก้มตาจ้ำภายโดยไม่ทันสังเกตด้วยมองไปข้างหน้าแต่นั่งโถมซึ่งเป็นแม่ที่นั่งอยู่บนหัวเรือมีความระแวงอยู่แล้วก็มองเห็นเรือเสือร้ายอย่างถนัดตานังโถมก็ระร่ำระรักร้องบอกลูกชายคนโตอย่างตกใจสุดขีดแต่ช้าไปแล้วกระสุนปืนกลมือจากผ่านก็ระเบิดจนที่ยิบเสียงนึงสนั่นหวั่นไหวกล้องท้องน้ําไปทั่วบริเวณ หลายนัดก็เจาะเขาที่กลางอกเขาในเที่ยงลูกชายคนโตของผู้ช่วยบางร้องโอยได้คําำเดียวปุ๊บลงกลางลาเรือต่อหน้าแม่สิ้นใจคาเรือนางโถมที่ร้องลั่นนตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงเอ็ดไปหมดเจ้าผาดผู้พกความแค้นไปเต็มอกก็เตร็มสังหารนางโถมอีกคนแต่ขณะที่ยกปืนเล็งไปที่ร่างนางโถมปรากฏว่าเสียงเรือเร็วแล่นตรงเข้ามาผาดก็สมุนก็หันไปดูอา้าวเรือตํารวจ เสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากนางโถมนี่ทำให้ตำรวจกลุ่มนั้นได้ยินเขาเร่งเครื่องตรงเข้ามาผ่าเห็นเหลือกำลังจะต่อสู้ก็สั่งสมุนรีบจ้ำเรือเข้าหาฟังโดดขึ้นตะลิ่งวิ่งหลบเข้าป่าละเมะหายไปปฏิบัติการฆ่าในเที่ยงลูกชายคนโตของนายบางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นข่าวดังไปทั่วถินมันเป็นพฤติการอุกอาจซึ่งถือว่าเป็นคดีอุกจกักรที่เย้ยกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองเมืองนนทบุรีก็เริ่มเก้าอี้รอ้อนอมีคำสั่งให้ออกตามล่าตัวเสือผาดแก้วสนธิอย่างรีบด่วนคืนปล่อยไว้เป็นภัยแก่สังคมตำรวจก็รู้ดีว่าเสือผ่าดยังจะต้องปฏิบัติการจองเวรกับครอบครัวในบางต่อไปอีกอยังไม่รู้ละความบาดหมางระหว่างครอบครัวในบางกับครอบครัวเสือผ่าดนี้เจ้าหน้าที่สืบรู้หมดแล้วก็รีบ สืบสวนหาแหล่งกบดานของเสือร้ายโดยไม่ลดละและเวลาเดียวกันการตายของลูกชายในบางทั้งสองคนก็สร้างความอกสันขวัญกระเจิงแก่ชาวบ้านทุ่งบางพลับเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันเสือผาดฆ่าในยิมที่หน้าร้านจจโกคือนั้นก็ได้ยินกระหูตัวเองว่าเจ้าผาดมันประกาศ ไ, ไว้ว่าอย่างไงมันจะฆ่าทุกคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูของมัน ด้วยเหตุนี้ชาวบังพรับก็เริ่มหวาดกลัวความดุร้ายเหี้มเกรียมของนายผัดทุกคนไม่อยากจะเอ่ยชื่อเสือรายคนนี้ต่างก็หวาดระแวงภัยกันหมดนะหากมีคนแปลกหน้ามาถาม ถ, ามถึงเสือผัดจะไม่มีใครยอมตอบโต้หรือว่าพูดด้วยคนมาขอกินน้ำก็จะรีบส่งให้แล้วก็บอกให้รีบรีบไปเสียเพราะกลัวจะเป็นตำรวจหรือสายสืบปลอมตัวมาสืบความถ้าพูดจาสนทนาด้วยก็เกรงจะรู้ไปถึงหูเสือผาดนี่ตายสถานเดียว ทางด้านในบางนางโถมพ่อแม่ของนายยิมในเที่ยงที่ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของผ่านนั้นหวาดภาวายิ่งกว่าใครในตำบล น, นี้ความเป็นนักเลงเก่าของนายบางเหมือนกับจะหมดลายเลยทั้งสองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะความเสียใจอะไรในชีวิตของลูกชายทั้งสองคนผสมกับความหวาดหวั่นต่อความดุร้ายของเสือผา่านทาให้สองผัวเมียแทบจะประสาทกินเอาทีเดียว แต่ว่าในบัวรอดอยู่ลูกชายคนรองของนายบางนางถมเขาไม่หวั่นไหวเพราะเขาก็ถือว่าตัวเองก็ชายแท้เป็นนักเลงมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเต็มตัวถ้าไม่แกร่งไม่กล้าจริงคงจะไม่หานเข้าไปทํามาหากินอยู่ในถิ่นเดิมบางนางบวสุพรรณบุรีดินแดนแห่งขุนโจรและเสือรายมากกกหลายเหลา่าดังนั้นตลอดเวลาที่พ่อแม่เขาอยู่แต่ในบ้าน ภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองเมืองนนทบุรีในบัวกับเพื่อนก็ยังคงเดินลอยชายเที่ยวเตรเล่นโปเล่นทัวในเขตท้องที่บางพลับอย่างสบายใจเขาไม่กลัวผาดเพราะว่าในระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพลุกพล่านไปทั่วทุ่งบางพลับที่ระเวนตรวจตราสังเกตการแล้วก็สืมหาตัวผาดอยู่ตลอดเวลาความทะนงก็ทำให้บัวประมาา จนกระทั่งถึงตอนค่ำวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสี้วันนั้นในบัวก็ชวนเพื่อนอีกสองสามคนไปเล่นโปกกัมกันที่บ่อนท้ายวัดสาลีขู่พอบ่อนเลิกกอบค่าแล้วในบัวก็ชวนเพื่อนทั้งสามคนเดินกลับบ้านที่นี้จากบ่อนท้ายวัดออกทุ่งนามันใกล้จะมืดจะค่าแล้วบัวก็เดินนําหน้าเพื่อนทั้งสามไปตามคันนามุ่งหน้ากลับบ้านเสร็จแล้วก็ต้องหยุดชะ ง, งักเพราะว่า เบื้องหน้าท่ามกลางแสงขมุก ข, ขมัวตะวันชิงพรบนั้นมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากกลุ่มซุ้มไม้ข้างทางซึ่งหนึ่งในกลุ่มบุรุษกันนั้นในบัวจำได้แม่นยำว่าคือเสือผาดเจ้าบัวทิ้งตัววูบหลบบังคนาอย่างรวดเร็วตามวิสัยเสือแต่ถึงแม้จะเร็วแค่ไหนก็ไม่เร็วไปกว่ากระสุนปืนสเตนในมือของผาดนะ ชุดแรกที่ส่งมาทักทายบัวนัดหนึ่งก็เจาะเขาที่โหนกแก้มในบัวล้มคว่ำทันทีแต่ก็ยังมีสติพอจะชักปืนจากเอวขึ้นมายิงสู้กระผัดเพื่อนของบัวที่มีปืนติดตัวต่างก็ช่วยกันยิงตอบโต้อย่างดุเดือดเสียงปืนทั้งสองฝ่ายดังสนั่นลั่นทุ่มชาวบ้านพลัดบังครับที่มีบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้เคียงปิดประตูหน้าต่างดับไฟซุกหัวหลบกระสุนยันจ้าระวันด้วยความกลัว เพราะว่าทุกครัวเรือนรู้ดีว่าเสียงปืนที่ยิงกันสนั่นบันไหวนั่นะเป็นขวีมือเสือผ่าอีกแล้วพักเดียวเสียงปืนก็สงบในบัวรอดอยู่ไม่ได้อยู่รอดสมนามสกุลเลยเขาจบตามพี่น้องอยู่ข้างคันนานั่นเองเพื่อนๆต่างก็ได้รับบาดเจ็บกันแทบทุกคนการตายของในบัวรอดอยู่นี่ทำให้ในายบางนางโถมแทบจะบ้าชีวิตลูกชายต้องดับดิ้นไปแล้วถึงสามคน นี่มันหมายความเมื่อเสือผาดต้องการจะฆ่าล้างโคตรตัวหรื อ, อยังไงทีนี่ทั้งในบางนางถูงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนการทำมาหากินแทบจะต้องหยุดหมดไม่กล้าแม้แต่จะลงเหยียบพื้นดินวันทั้งวันคื น, ท, คนทั้งคืนก็ซุกตัวอยู่แต่บนเรือนใครเอ่ยชื่อเสือผาดก็ทำให้สองผัวเมียนี่ผวาขวัญหายอาศัยที่ตารวจจากกองกากับการนนทบุรีมาตั้งแคมป์อยู่ที่ประตูน้าพระอุดม ส่งกำลังมาช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้หลายคนหน่อยก็ค่อยบรรเทาความกลัวลงอไม่งั้นสองผัวเมียต้องถอนเสาเรือนตะเวนหนีไปอยู่เมืองอื่นแนะ่สามศพสามชีวิตของลูกชายในบางนางถุ่มที่วายปรานไปเพราะน้ํามือเสือผัดทาให้ชื่อของเขาระบือลือลั่นไปทั่วไม่เพียงแต่ตํารวจในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นที่พากันพลานเพื่อจะล่าตัวผ่าให้ได้ตํารวจจากส่วนกลางคือในกรุงเทพในกรมตํารวจก็เริ่มหันมาสนใจ โดยเฉพาะบุรุษเหล็กแห่งเอเชียพลตํารวจเอกเผ่าศรีอ น, นุนอธิบดีกรมตํารวจท่านสั่งการอย่างเฉียบขาดให้ตํารวจเร่งจับกลุ่มเสือผาดให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่าปล่อยให้ลอยนวลเยอยตํารวจเยอยกฎหมายอาหางการอยู่ต่อไปการระดมกําลังตํารวจเพื่อติดตามล่าตัวเสือผ่าดก็เริ่มเข้มงวดจริงจังนะมีทั้งตํารวจกองเมืองนนทบุรีเจ้าของท้องที่กําลังจากส่วนกลางที่มาจากกรุงเทพ ออกตะเวนสืบสวนกันอย่างเคร่งเครียดแต่ว่าเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเป็นเดือนหลายเดือนเสือผ่านก็ยังลอยนวลอยู่อย่างนั้นแหละตำรวจทุกคนรู้ดีเสือผ่านนี่ฉลาดเป็นกรดทุกครั้งที่สืบรู้เบาะแสแหล่งซ่อนตัวพอยกกำลังเขาล้อมจับแม้ว่าจะทําอย่างเงียบเชียบหรือว่าจู่โจมสายฟ้าแลบแต่ทุกครั้งก็ต้องคว้านาเหลวมาตลอดไม่พบแม้แต่เงาของเสือผ่านและสมุน เรื่องนี้ตำรวจก็พากันเดือดอเนื้อร้อนใจกันไปหมดเพราะว่าถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิอย่างหนักตำรวจทุกคนต่างก็หมดความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าอันนี้เป็นคําสั่งของอธิบดีตํารวจเผ่าศรีนนท์สั่งการลงมาด้วยตัวเองผาดแก้วสนธิไม่ใช่เสือร้ายประเภทหูป่าตาเถื่อนไร้การศึกษาอาศัยที่เป็นคนหัวดีมาตั้งแต่เด็กชอบอ่านหนังสือดูหนังประเภทอาชญากรรมตํารวจจับผู้ไร้ ก็จดจำเอาวิธีการต่างๆจากความรู้ในหนังสือในหนังมาดัดแปลงใช้กับตัวเองในยามที่ตัวเองต้องกลายสภาพเป็นอัจฉริอย่างนี้และอีกประการผาดก็เป็นลูกบ้านบางพลับโดยกำเนิดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศตลอดจนอุปนิสัยใจคอของคนในถิ่นนั้นในผาดรู้ซึ่งเจนจบก็เลยไม่ยากที่ผาดจะอ่านใจอ่านเกมได้ทะลุปรุโปรง่ง เพราะว่าผารู้ดีว่าการที่ตำรวจจะเข้าถึงตัวเขาได้เนี่ยจะต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสื่อหรือว่าชี้เบาะแสร่องรอยให้ด้วยเหตุนี้ผาดก็เริ่มเล่นสงครามจิตวิทยากับชาวบ้านบางพลับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองผาดก็ปล่อยข่าวเข้าหูชาวบ้านนะบางครั้งก็ลอบเข้าไปพบปะพูดคุยกับคนที่เขาคุ้นเคยอ้างเหตุที่ต้องกลายเป็นเสือเป็นโจรเพราะความจําเป็นเพราะว่าถูกบีบคั้นกลั่นแกล้งจากพวกผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ในบางตลอดจนแหนมเพอสวัสดิโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้รับความเป็นธรรมเลยแม้แต่น้อยดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเสือเป็นคนผิดกฎหมายเขาก็ยังต้องการจะเป็นมิตรกับชาวบางพลับทุกคนเหมือนกันแต่ก่อนเขาต้องการเพียงจะล้างแค้นศัตรูของเขาบางคนเท่านั้นแล้วอีกประการเขาต้องการจะคุ้มครองชาวบางพลับทุกคนเพราะว่าคนบางพลับในเปรียบเสมือนพี่น้องของเขาแต่ว่าความเป็นเสือของเขานี่แหละ ถึงจะสามารถคุ้มครองชาวบ้านบางพลับไม่ให้เดือดร้อนจากโจรผู้ร้ายถิ่นอื่นได้ถ้าหากว่าโจรแปลกถิ่นเขามาจี้ปล้นคนบางพลับเขาจะจัดการให้อย่างเด็ดขาดไม่ให้ชาวบางพลับต้องถูกข่มเหงเลยแล้วเวลาเดียวกันผาดจะสมุนก็ไม่เคยปฏิบัติการจี้ปล้นชาวทุ่งบางพลับเลยก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านพากันพอใจแล้วก็รักน้ําใจเสือผาดเป็นอย่างยิ่งอันนี้จึงไม่แปลกอะไรที่ฝ่ายตํารวจและอําเภอไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในท้องที่บางพลับ ในทุกครั้งที่มาสอบถามหรือว่าสืบหาเบาแสร่องรอยของเสือรายคำตอบที่ได้รับจากชาวบ้านก็มีเพียงสองอย่างคือไม่รู้ไม่เห็นโดยวิธีนี้โดยทำให้ผาดรอยนวลอยู่ได้แถมยังวนเวียนหลบซ่อนกบดานอยู่ในถิ่นบางพับและก็ตำบลใกล้เคียงนั่นเองโดยฝ่ายตำรวจไม่อาจจะรู้รังหรือว่าตาแหน่งแห่งที่ชัดเจนแล้วอีกประการหนึ่ง เขาย้ายที่บ่อยครั้งบางทีก็ไปนอนในป่าละเมะบางครั้งก็อาศัยนอนตามบ้านคนที่รู้จักสนิทสนมกันแล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อยามที่ผาดขัดสนเรื่องเงินทองสาหรับใช้สอยซื้อสเสบียงอาหารผาดก็ขอจากชาวบ้านได้ด้วยวันไหนเดือร้อนผาดเจะสมุนก็ตะเวนเข้าบ้านน้นออกบ้านนี้เอ่ยปากของเงินรายละห้าร้อยรายละพันรายไหนบอกไม่มีขาดก็ไม่ว่าอะไรไม่ขูบ่บังคับไม่ปล้นไม่จี้ บ้านไหนจ่ายให้ดีๆผ่าตก็บอกว่าเงินนี้จะขอยืมไปใช้ชั่วคราวมีเมื่อไหร่จะเอามาใช้ให้ทีหลังการปฏิบัติอย่างนี้ทําให้สามารถขอเงินใช้ได้ถูกบ้านแม้กระทั่งโรงสีหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนและบางตำบลก็ต่างเต็มใจให้เงินเขาเสือด้วยซ้าไม่มีใครขัดขืนหรือว่าอิดเอื้อนไม่มีใครนําความไปแจ้งตํารวจและรายไหนเมื่อให้เงินผ่าตไปแล้วเสือผาตดก็ไม่เคยมารบกวนซ้ำสอง บางครั้งผาดจะสมุนไปขออาศัยหลับนอนหลบพักอยู่ชั่วคราวตามบ้านของชาวบ้านแถวนั้นผาดก็ได้รับความสะดวกจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีซึ่งผาดก็ช่วยงานทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นตักน้ําผ่าฟืนตําข้าวสารพัดช่วยเจ้าของบ้านเต็มที่เรื่องอาหารการกินก็ไม่พิถีพิถันเขาก็บอกเจ้าของบ้านทุกแห่งที่เขาขออาศัยหลบซ่อนไม่ต้องห่วงเขาเรื่องนี้เขากินง่ายนอนง่ายอย่าให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน วิธีการอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพอใจก็ไม่มีใครรังเกียจเขาทุกครัวเรือนเต็มใจเป็นสมัครพรรคพวกของเขาไปโดยปริยายซึ่งนอกจากจะไม่ยอมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วพวกชาวบ้านดูเหมือนจะสมัครเป็นสายให้ผาดด้วยโดยคอยส่งข่าวแจ้งเบาะแสของฝ่ายตำรวจให้ผ่ารู้ในช่วงระยะนั้นอิทธิพลกับบรารมีของเสือผาดแก้วสนธิแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วแผ่นดินบางพลับและตำบลใกล้เคียงจนหมดสิน้น เจ้าหน้าที่ตำรวจควานำเหลวทุกครั้งที่ออกสืบหาร่องรอยหรือว่าติดตามจับกลุ่มเสือร้ายทุ่งบางพรับโดยตลอดเดี๋ยวพักสักครู่ครับด้วยชื่อเสียงกิติศัพท์ความเหี้ยมหันของเสือผาดจนกกอื่นก็ล้วนจะพากันขยงไม่มีใครกล้าเข้ามาจี้ปล้นในเขตคุ้มครองของผาดเลย นอกจากนั้นเสือผาดยังใช้จิตวิทยาชี้ให้ชาบ้านเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเขากับเจ้าหน้าที่ตำรวจผาดบอกว่าเมื่อพวกเขามาขอพักอาศัยเจ้าของบ้านไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินสำหรับเขานี่ไม่ต้องมีการต้อนรับอย่างหรูหรามโหรานแล้วก็เจ้าของบ้านมีงานอะไรพวกเขาก็เต็มใจช่วยต่างกับพวกตำรวจหรือว่าอาเภอพอเหยียบย่างเขามาที่บ้านไหนเรือนใคร แม้ว่าจะเป็นการมาขอความร่วมมือในการสืบหาโจรผู้ร้ายหรือว่าแวะมาเพื่อจะขอพักว่าตามเจ้าของบ้านจะต้องกุลีกุจอจัดหาสุราอาหารบ้านไหนเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่เอาไว้ก็จําเป็นต้องค่าเพื่อ น, นํามาประกอบอาหารเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุคํากล่าวของเสือผาด น, นี้ทูกใจชาวบ้านเหลือเกินทุกคนก็เห็นคล้อยตามผาดร้อยเปอร์ซ็ จิต ว, วิทยาที่ว่าเนี่ยทำให้บรรดาชาวบ้านทั้งในเขตทุ่งบางพับและตําบลอื่นๆพากันรักใคร่ให้ความเชื่อถือนับถือผาดอย่างจริงใจก็เลยไม่แปลกอะไรเลยที่เสือผาดแก้วสนธิจะมีชาวบ้านเป็นพักพวกเกือบทั้งอําเภอทุกคนยอมเป็นสายคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้เสือผาดอย่างเต็มใจ ปัญหานี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการอำเภอตลอดจนตำรวจจากกรุงเทพต่างก็ปวดเสียนเวียนกล้าวไปตามๆกันจะเอาผิดกับชาวบ้านก็ไม่ถนัดเพราะว่าไม่มีหลักฐานแจ้งชัดว่าใครเป็นพวกเสือผ่าดกันบ้างเวลาผ่านไปเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตั้งแคมป์เป็นหน่วยเฉพาะกิจสำหรับปราบเสือผ่าดต่อเสือผ่าด เริ่มคึกขนองย่ามใจในความยิ่งใหญ่ของตัวเพราะว่าเขาสามารถหลบรอดเงื้อมือเจ้าหน้าที่ไปได้ทุกครั้งบางครั้งเสือผาดจะพาสมุนลอบเข้าไปใกล้ๆบริเวณที่ตั้งแคมป์ตำรวจแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าพลางตะโกนท้าทายให้ฝ่ายตำรวจออกติดตามจับกุมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคว้าอาวุธพากันครูออกไปเสือผาดกับสมุนก็อันตรธานหายไปในความมืดเสียแล้วตำรวจก็เดือดดานแล้วก็เคียดแค้นยิ่งนะัก เพราะการกระทำของเสือผ่าดเท่ากับเป็นการหมิ่นยามเจ้าหน้าที่อย่างที่สุดตำรวจได้แต่โกรธแค้นเดือดดานยังไม่มีทางทำอะไรผาดได้เลยขณะเดียวกันมีสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายตำรวจทุกระดับชั้นล้วนคาดการเอาไว้ตรงกันไว้ยังไงเสือเสือผาดจะต้องก่อคดีอุกชะกันขึ้นอีกในท้องที่บังพลับนั่นก็คือการฆ่าล้างแค้นตราบใดที่ผู้ใหญ่แม้นยังมีชีวิตอยู่ ตราบใดที่นายบางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังไม่ตายตราบนั้นผาดจะต้องหวนกลับมายังถิ่นบางพับเพื่อคิดบัญชีแค้นกับบุคคลทั้งสองอีกแน่ๆเรื่องนี้ล่ละทีะ่ตำรวจกำลังรอจังหวะกิจศัพ์ความกำแหงหารน้องเสือผาดแก้วสนธิทำให้อธิบดีกรมตำรวจคือพลตำรวจเอกเผ่าศียานวคุณเครืองใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดท่านอธิบดีเจ้าของฉายาบุรุษเหล็กแห่งเอเชีย ผู้ให้สโลแกนกรมตำรวจในยุค ข, ของท่านว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ก็เริ่มไม้เด็ดทันทีหมายประกาศตั้งศินบนจับเสือผ่าแก้วสนธิผู้ได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อทุ่งบางพลับก็ปลิวไปจากโต๊ะพลตำรวจเอกเผ่าศิียานนท์ว่าใครจับเสือผ่าดได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายกรมตำรวจจะจ่ายเงินรางวัลพัน 5, บาททันที แผ่นประกาศนี้ปลิวไปทั่วทุกหัวรรแหงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีถิ่น้องเสือผัดตำรวจทุกนายก็มีความรู้สึกคึกคักกระตือรือรน้นมากขึ้นเพราะว่าเงิน5 0 0พันบาทสมัยนั้นไม่ใช่น้อยน้อยที่หน้าโรงเรียนประชาบาลวสว่างอารมณ์แผ่นประกาศสินบนจับเสือผัดก็ติดราอยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่ทันข้ามวันก็กลับถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมกับเสียงหัวเราะกระหึ่มของเสือผัด นอกจากที่หน้าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์แล้วแผ่นประกาศที่ติดอยู่ที่บางพลับอีกหลายแห่งเสือผ่าก็ตามไปฉีกทิ้งจนเกลี้ยงมันเป็นการแสดงความทนงตนและเรียกว่าอาหางกาก็ย่อมได้ไม่แคร์ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าประกาศแผ่นนั้นไม่ได้มาจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตารวจระดับผู้บังคับบัญชาธรรมดาแต่มันมาจากประกาศสิทธิ์ของบุรุษเหล็กแห่งเอเชียคนโตกรมตารวจ พฤติกรรมเรื่องฉีกแผ่นกระดาษตั้งสินบนถูกรายงานไปถึงอธิบดีกรมตำรวจอย่างรวดเร็วอธิบดีตบโต๊ะผงังเดือดดานในอาหารการของเสือผาดเป็นที่สุดแล้วคำสั่งอันเป็นเสมือนเส้นตายของผาดแก้วสนธิก็ออกจากปากของพลตำรวจเอกเผ่าศียานุนในบัดนั้นว่าเสือผาดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม2498 ผ่าแก้วสนธิแผ่นดินร้อนเสียแล้วเพราะว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นั่นคือประกาศสิทธิ์แล้วเสือผ่าจะรอดอยู่ได้อย่างไรตอนนั้นคนไทยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดสนใจติดตามข่าวคราวของเสือผา่าต่างก็ลงความเห็นว่าเสือผ่าเสร็จแน่ไม่ว่าเขาจะเป็นขุนโจรยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อทุ่งบังคับ ถ้าเจ้าของฉายาบุรุษเหล็กแห่งเอเชียลั่นวาจาออกมาอย่างนี้แล้วชีวิตเสือผาดจบเกมแน่นอนแผนการของตำรวจคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวมากทีเดียวนั่นก็คือแผนการล้อมทุ่งบางพลับเพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของเสือผาโดยเฉพาะตกลงแบ่งสายงานปฏิบัติสายประตูน้าพระอินมีนายสวัสด์ตุละยะสุวรรณในอำเภอปากเกร็ดปลัดอาเภอพร้อมด้วย พันตำรวจต ร, รีนรงชัยรัตน์และตำรวจอีกเป็นสิบนายออกตระเวนสายที่สองพันตำรวจตรีประสาทสุนทรวร์ผู้กํากับการตํารวจนนทบุรีและตํารวจอีกเป็นสิบนายตึงกําลังด้านบางบัวทองสายที่สร้อยตํารวจเอกจิตชมประสบและในสิบพลตารวจอีกเป็นสิบนายตึงกําลังอยู่ทางด้านวัดสาลีโขพิรตารามกําลังของเจ้าหน้าที่ทุกสายจะ ตะเวนไปในพื้นที่ทุกตำบลในย่านนั้นแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาคราวนี้เห็นทีเสือผาดถึงคราวเข้าตาจนเสียแล้วแม้ว่าการระดมกําลังสาย ต, วตรวจตะเวนกันอย่างชนิดถี่ยิบอ่าซึ่งตํารวจกองปราบตํารวจท้องที่ได้ออกปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันแค่ไหนเสือผาดก็ไม่ได้กลัวเสือผาดยังกล้าหานชานชัยไปไหนมาไหนในลักษณะเดินลอยชายได้โดยสะดวก บางครั้งเดินสวนกับตำรวจกองปราบบางกลุ่มได้ซ้ำทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นเป็นตำรวจที่มาจากกรุงเทพไม่เคยรู้จักหน้าตาของนายผาดมาก่อนก็ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาได้เดินสวนกับเสือไรที่พวกเขายกกำลังมาเพื่อจะปราบปรามโดยเฉพาะบางวันเมื่อได้รับรายงานจากสายถึงเรื่องกาลังของตารวจเสือผาดจะลงเรือพายล่องไปตามลำคลองในลักษณะคนทอดแถ ห, หาปลาไปตามระษาคนชนบท แลาเดียวกันก็รอบสํารวจดูฝ่ายเจ้าหน้าที่มีกําลังมากน้อยแค่ไหนที่ตรวจอยู่ในบริเวณไหนบ้างยามค่ําคืนเสือผาดจะไม่ออกไปไหนจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าละเมาะท้ายวัดสาลีโขพร้อมด้วยเจ้าหยัดสมุนคู่ใจทั้งสองจะผลัดกันเป็นยามก็ผลัดกันหลับนอนพักผ่อนเป็นอย่างนี้ทุกวันพอรุ่งเช้าทั้งสองก็จะออกจากป่าลงเรือที่เตรียมไวในหยัดท้ายท้ายในผาดอยู่หัวเรือ ใส่หมวกหลบหน้าแห่สะพายไหล่ขว า, าล่องเรือไปตามลำคลองสังเกตการตลอดเวลาการที่ผาดออกสำรวจการเคลื่อนไหวของฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เพื่อดูลาดเราสำหรับงานล้างแค้นของเขานั่นเองคนอย่างผู้ใหญ่แมนเสือผาดถือเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งที่เขาจะต้องเอาชีวิตมาสังเวยไฟแค้นให้จงได้ เพราะว่าผู้ใหญ่แมนคือตัวต้นเหตุที่ใส่ไฟเขาให้เขาต้องกลายเป็นบุคคลอันธพาลแล้วกลายเป็นโจรที่กฎหมายต้องการตัวเขาอยู่เวลานี้เขาก็ประกาศสิทธิ์ว่าผู้ใหญ่แมนจะมีชีวิตอยู่ร่วมโลกกับเขาไม่ได้และเวลาเดียวกันทางด้านผู้ใหญ่แมนซึ่งระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าวก็ไม่ได้ประมาทเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าขุนโจรมันอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงผู้ใหญ่แมนยังขอร้องให้ตำรวจมาคอยเฝ้าคุ้มครองเขาอยู่ที่บ้านของตัวด้วย ดึกของคืนวันหนึ่งเสือผาดพร้อมด้วยเจ้าหยาดสมุนคู่ใจก็แขวงความมืดไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่แมน่นเสร็จแล้วก็ตะโกนเฮ้ยไอผู้ใหญ่แมงนกูไอผาดมาหามึงแล้วนะระวังตัวไว้ให้ดีนะกูจะมาเอาชีวิตมึงภายในสามวันสิ้นคําประกาศกล้องของเสือผาดเจ้าหยาดสมุนมือขวาก็ระเบิดกระสุนขึ้นฟ้าเสียงสนั่นวานไหวก่อนที่ตํารวจซึ่งนอนคุ้มกันอยู่บนบ้านผู้ใหญ่แมน่นจะคว้าอาวุธวิ่งลงมา เสือผาดกับสมุนก็อันตราทานไปในความมืดของท้องทุ่งบังพลับเสียแล้วพฤติการของผาดเล่นนักผู้ใหญ่แม่นอนไม่เป็นสุขลูกเมียคนในบ้านพากันหวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนไปตามๆกันฝ่ายตํารวจยิ่งพลานหนักเมื่อรู้ข่าวการกระทําอย่างอาหางตาของเสือผาดในครั้งนี้ครับไอเสือก็กําลังแค็นตํารวจก็กําลังบีบหนะักอะไรจะเกิดเวลาหมดจะแล้วท่านผู้ฟัง เดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับทีนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของเสือผาดว่าผาดแก้วสนธิเนี่ยไม่ใช่คนเถื่อนมาจากไหนเป็นลูกเศรษฐีปักเกรดแถมยังเรียนจบมัธยมซึ่งนับว่าเวลานั้นก็ดีพอสมควรแต่ว่าเพราะความหลงไหลในหนังขอบอยผาดซ้อมยิงปืนหลังบ้านทุกวันจนผู้ใหญ่แม่ต้องเข้าไปห้ามปรามผลก็คือผู้ใหญ่แม่ถูกผาดตะเพิดออกมาจากบ้าน ผู้ใหญ่แม่นทาอะไรผ่านไม่ได้ก็ไปฟ้องนายอำเภอปากเกรด็ดเรียกตัวพาดไปอบรมว่าทําไมเชื่อจะโดนข้อหาทําลายความสงบสุขผาดก็เกิดโต้เถียงกับนายอำเภอสวัสด์ตุลย์ยะสุวรรณท่าไหนไม่รู้นายอำเภอโมโหออกปากว่าพูดจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอุเตะเท่านั้นละ่ะผาดก็อลา ว, ว่าท้านายอำเภอลงไปยิงกันที่เสาธงเสร็จแล้วก็วิ่งหนีลงเรือไปต่อมาผาดโดนกล่าวหาว่าขโมยเรือโดยนายบาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติๆของผ่านนั่นแหละผ่านก็รู้ว่าเป็นแผนของพวกอำเภอที่ไม่ชอบขี้หน้าเขาผ่านก็หนีหัวสุกหัวสุนจนไปมีเรื่องกับเจ้ายิ้มลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่ลูกนายบางปรากฏว่าเอาปืนยิงเจ้ายิ้มตายนายบางก็เขียนจดหมายไปเรียกนายบัวลูกคนรองที่เป็นนักเลงอยู่สุพรรณมาจัดการกับผ่านแต่ก็ต้องมาโดนผ่าดยิงตายที่ปากเร็ดรวมทั้งนายเที่ยงลูกชายคนโตของผู้ช่วยบางก็เป็นนั้นว่า ในบางนางโถมนี่เสียลูกชายทั้งหมดสามคนผาดกลายเป็นโจรที่ เ, เร่ร่อนไปในท้องทุ่งบางพลับรอเวลาที่จะลางแค้นคนสองคนก็คือผู้ใหญ่แม่ตัวการกับผู้ช่วยบางที่ใส่ร้า ย, ายว่าเขาขโมยเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังไล่ล่าผ่ากันจ้าละวันเพราะว่าผาาฆ่าคนไปถึงสามคนแล้วครับวันนั้นวันที่ยี่สดพฤษภาคม24งพ วันนั้นเป็นวันที่ชาวบ้านทุ่งบางพลับจัดให้มีงานฉลองทำขวัญลานข้าวเช่นที่เคยทากันมาทุกปีที่ลานนวดข้าวบ้านในลีซึ่งกว้างขวางกว่าเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันก็ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีมงคลดังกล่าวตอนเย็นในลีผู้เป็นเจ้าภาพก่อ น, นิมนต์พระภิกษุจากวัดสาลีโขกับวัดสว่างอารมณ์มาสวดมนต์ตามพิธีความเชื่อแต่โบราณการ พอเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์แล้วตอนค่ำก็เป็นช่วงเวลาที่รื่นเริงของพวกชาวบ้านที่มาร่วม ง, งานทุกคนก็สนุกสนานกันเต็มที่ทั้งร้องรำทำเพลงก็จัดสุราอาหารเลี้ยงกันอย่างไม่อัน้นชีวิตของคนชนบทในยุคนั้นนานๆครั้งถึงจะได้รื่นเริงกันในงานบุญสักทีหนึ่งซึ่งแตกต่างกว่าชีวิตของคนในเมืองหลวงที่มีสิ่งบันเทิงมากมายให้เลือกหาความสุขกันได้ไม่เว้นแต่ละวัน งานนี้ผู้ใหญ่แมนก็ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายบางรอดอยู่ศัตรูของเสือผาทั้งคู่ทั้งผู้ใหญ่แมนทั้งผู้ช่วยบางทั้งสองคนก็ร่วมวงเลิดเพลินอยู่กับน้ำขาวเครื่องดื่มมึนเมาของพื้นบ้านทั่วไปการพูดคุยนอกจากจะปรึกษากาันรเรื่องทำบุญเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้นแล้วในที่สุดก็วกมาถึงเรื่องที่เป็นหนามยอกอ ก, อกของคนทั้งสองคื อ, ค อ, อเรื่องของเสือผาด ในบางมีความเห็นว่าเสือผาดยังคงวนเวียนอยู่ในท้องถิ่นทุ่งบางพลับส่วนผู้ใหญ่แม่นซึ่งแม้จะได้ยินคําประกาศของเสือผาดในคืนนั้นว่าจะมาสังหารตัวภายในสามวันแต่ด้วยความเชื่อมั่นกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งกําลังออกตรวจตราอยู่เต็มพื้นที่กงคงจะไม่มีโจรหน้าไหนกล้าหารพอที่จะลอยนวลวนเวียนอยู่ในท้องถิ่นนี้ได้หลังจากที่เสือผ่าดแกล้งมายิงปืนประกาศข่มขวัญในคืนนั้นแล้วป่านนี้ก็คงจะตะเตลิดหนีไปไกลลิฟ แล้วทั้งผู้ใหญ่แมนและผู้ช่วยบางต่างคนต่างก็ปลอบโยนปลุกกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งที่ในส่วนลึกทั้งผู้ใหญ่แมนแล้วก็ในบางต่างก็หวาดกลัวเสือผาดอยู่ด้วยกันทั้งคู่กระทั่งใกล้จะสองทุ่มในบางก็ขอตัวกลับก่อนส่วนผู้ใหญ่แมนยังคงนั่งเอเตเป็นประธานนั่งจิตน้ําขาวดูพวกหนุ่มๆสาวๆราวงกันอย่างสนุกสนานต่อไปพอคล้อยหลังในบางซึ่งลากลับไปก่อนเพียงเดี๋ยวเดี๋ยว เบื้องหลังจอมปลวกใหญ่ห่างจากบ้านในหลีประมาณเจ็ดสิบเมตรก็ปรากฏร่างของบุรุษคนหนึ่งพร้อมด้วยปืนกลคู่มือไม่ใช่ใครหรอกเสือผาดนั่นแหละเสือผาดรู้ข่าวเรื่องงานบุญนี้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาจะต้องได้เจอศัตรูที่นี่อย่างแน่นอนจริงอย่างคาดหลังจากยืนซุ่มในความมืดอยู่พักหนึ่งเสือผาดก็มองเห็นผู้ใหญ่แมนกาลังเพลิดเพลินอยู่กับน้าเมา ท่ามกลางเสียงสวนเสเฮหาของชาวบ้านเสือผาดก็ซุ่มสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นแหะจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่แมนยังบอกลาในลีเจ้าของบ้านลุกจากวงน้ําขาวเดินออกมาอากับกิริยาของผู้ใหญ่แมนไม่ได้คลาดจากสายตาของบุรุษที่ยืนซุ่มอยู่หลังจอมปลวกเลยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้จนเสือผาดมองเห็นด้ามปืนพกซึ่งเน็บอยู่ที่เอวผู้ใหญ่แมนอย่างชัดเจนพอได้ระยะ ปืนกลคู่มือเสือร้ายก็ถูกตรวดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเสียงกำปนาดก็ดังที่ยิบกระสุนปืนสเตนนัดหนึ่งเจาะกลางหน้าผากผู้ใหญ่แม่นอย่างเหมาะเหม็งผู้ใหญ่บ้านร้องโอ้ยคำเดียวหงายหลังพลึงเลยไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำว่าร่างของแกล้มลงไปโดนพื้นเมไื่อ่เพราะทันทีที่บางาหงายสติก็ดับไปแล้วผู้ใหญ่แม่นตายสนิทเสียงเพลงราวงหยุดชะงักเงียบงิบ ชาวบ้านทุกคนก็ตกตะลึงพึงเพิดยืนตัวแข็งอยู่กับที่บางคนก็ขยับทำท่าจะวิ่งหนีเสร็จแล้วเสือผ่าดก็ตะโกนสั่งให้ชาวบ้านทุกคนหยุดอยู่กับที่ห้ามวิ่งหนีหรือว่าขยับพเพื่อยื่นไปนั่นขาดชาวบ้านก็ยืนนิ่งในช่วงที่ร่างผู้ใหญ่แมนชะตาขาดลม้มลงตายในสดสมศัพ์น้องชายผู้ใหญ่แมนเห็นพี่ชายโดนยิงก็วิ่งพรวัดจะกลุ่มคนตรงเข้ามาหาเสือผาด ไม่ได้วิ่งเข้ามาสู้หรอกแต่หวังจะเจราจากระเสือผาดอย่างสันติแต่ว่าเป็นเวลาที่เสือผาดกำลังอยู่ในอารมณ์บ้าดีเดือดก็คิดว่าในสดวิ่งเข้ามาจะสู้ก็ลั่นกระสุนปืนศาสต์ก็ใส่ร่างน้องชายผู้ใหญ่แมนในสดล้มควม่ำลงทันทีลูกปืนทะลวงเข้าตามร่างกายหลายแห่งทั้งสีข้างท้องน้อยแม้กระนั้นด้วยความเป็นห่วงพี่ชายในสดก็ยังพยายามตะเกลี้ยกะกายไปที่ร่างผู้ใหญ่แมนแต่วาะกายไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ขาดใจตาย เสแล้วเสือผ่าตดก็ประกาศกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นบอกว่าคนไหนไม่เกี่ยวอย่าขวางนะใครขวางกูจะยิงทิ้งให้หมดกูมาล้างแค้นตามที่กูเคยประกาศไว้ถ้าใครเป็นสายตารวจกูจะกลับมาฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กกูก็จะไม่ละเว้นขอให้จำไว้สิ้นคําประกาศิเสือผ่าตดก็พละจากที่นั่นท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่กําลังตกตะลึงเดี๋ยวเดีย ว, ยวร่างเสือร้ายทุ่งบังพับก็ลับหายไปในความมืดวันที่24พฤษภาคม2498 สองยามคืนนั้นสภาพทุ่งบางพลับคงเงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยวทุกครัวเรือนของชาวบ้านก็ล้วนแต่นอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้านของตัวเพราะว่าต้องตรากตรำเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจประจำวันของตัวที่บ้านผู้ใหญ่บางหลังวสว่างอารมณ์เพเหมือนกันบนเรือนในไฟดับมืดเพราะว่าผู้ใหญ่บางกับเมียแล้วก็คนในบ้านก็นอนหลับสบายเสร็จแล้วผู้ใหญ่บางสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงปืนรัวถี่ยิบดังก้องขึ้นกลางความเงียบ มันดังที่หน้าบ้านแก่นั่นแหละอได้ยินเสียงตะโกนลั่นอยู่ที่หน้าบ้านไอ้บางอโีโถมแล้วก็ไอ้เคลิมพวกมึง ร, ระวังตัวให้ดีนะกูเสือผ่าดจะมาเอาชีวิตมึงภายในสามวันเนี่ยสิ้นเสียงตะโกนก็มีเสียงปืนกลมือระเบิดที่ยิบดังสนั่นขึ้นอีกนับจากคืนนั้นผู้ใหญ่บางที่เคยประกาศไม่กลัวเสือผาดรวมทั้งนางโถมและนายเคลิมก็ไม่แทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนการงานอาชีพไม่เป็นอันทำ หัวใจคนทั้งสามก็เต็มไปได้วยความหวาดวันพรั่นพึงเพราะว่าทุกคนเห็นฤทธิ์ของเสือผ่าดมาแล้วโดยมีผู้ใหญ่แม่นเป็นตัวอย่างเสือผ่าดมันประกาศจะฆ่าผู้ใหญ่แม่นภายในสาวันแล้วมันก็สังหารผู้ใหญ่แม่นได้สําเร็จในวันที่สองเท่านั้นเองคนเราในยามที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลัวก็ย่อมจะหมดความสุขทุกอิริยาบถก็เต็มไปได้วยความระแวงแล้วก็หวาดวันโดยไม่มีเหตุมีผล นอกจากจะไม่เป็นอันทํางานทําการอะไรแล้วผู้ใหญ่บางกับเมียกับ น, น้องชายก็ยังไม่เป็นอันกินอันนอนอีกด้วยความกลัวขึ้นสมองทั้งสามคนแม้แต่ในยามค่ําคืนผู้ใหญ่บางนางโถมและก็นายเคลมไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งสามระมัดระวังตัว ต, วตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจสองนายที่เฝ้าอารักขาอยู่จะพยายามปลอบใจให้ทั้งสามนอนพักผ่อนนอนหลับเสียบ้างพวกเขาจะเป็นยามคอยป้องกันเหตุร้ายให้ทั้งสามก็นอนไม่หลับอยู่ดี สู้ทนทางตาอดนอนด้วยความหวาดกลัวได้ยินเสียงหมาเห่าหรือเสียงแกรกกรากก็สะดุ้งหวาดผวาไปหมดไม่มีความสงบสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันที่27พฤษภาคม2498เวลาเก้านาฬิกาเสร็จเสือผาดกับเสือหยัดก็มุ่งสู่บ้านผู้ใหญ่บงัง ย่างเข้าเขตหลังบ้านศัตรูเสือผ่าก็หยุดขวาตาสำรวจดูลาดเหล่าอยู่ครู่หนึ่งเวลานั้นผู้ใหญ่บางกำลังนั่งอยู่บนชานเรือนหลังใหม่ซึ่งยังไม่ได้ตีลูกลงประเอิญเหลือบมองไปที่ลานบ้านเท่านั้นแล้วผู้ใหญ่บางก็ตาเหลือกพอเห็นถนัดว่าเสือผ่าก็สมุนกำลังวิ่งตรงมาหาตัวความรักตัวกลัวตายทำให้ผู้ใหญ่บางลืมตัวไปชั่วขณะ แทนที่จะหันหลังวิ่งหนีเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บางกลับหันไปคว้าปืนวิ่งลงบันไดบ้านจะยิงสู้กับเสือผาดชาไปแล้วเพียงผู้ใหญ่บางขยับยกปืนขึ้นกระสุนจากปืนกลในมือเสือผ่าดก็สาดกระนํำก็ใส่ร่างผู้ใหญ่บางเสียงดังกึกก้องนัดนึงก็เจาะเขาที่โคนขาขวาะทะลุสวนกันไปออกข้างหลังผู้ใหญ่บางพลิกท้องลงไปตีแปลงครู่เดียวก็เงียบเสียงนะยังเหลืออีกสองในเคริมกับนางโถม แต่ไม่ทันที่ผาดจะได้พรวดขึ้นไปบนเรือนเพื่อสังหารหนางโถมกับเจ้าเคลิมตำรวจสองนายที่เฝ้าอารักขาผู้ใหญ่บางก็พรวดออกมาจากหลังบ้านแล้วก็กระนำยิงเข้าใส่เสือผาดกับเสือหยัดทันทีเสือผาดก็ร้องสั่งให้เจ้าหยัดจะยิงสกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจพลางล่าถอยอย่างรวดเร็วสองเสือร้ายก็เพ่นหนีไปทางท้ายสวนบ้านนายพรเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองก็ตามไล่ ย, ยิงอย่างไม่ลดละเพื่อสกัดสองเสือร้ายไม่ให้หนีได้สะดวก เสียงปืนที่ดังสนั่นท้องทุ่งได้ยินไปถึงแคมป์เจ้าหน้าที่ที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นก็มีนายสวัสด์ตุลยสุวรรณในอำเภอปากเกร็ดควบคุมอยู่อำเภสวัสด์ก็รีบระดมกําลังเจ้าหน้าที่รุดมายังที่เกิดเหตุเดี๋ยวนั้นเลยพอรู้เหตุเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็รีบกระจายกําลังเข้าโจมตีเสือร้ายทันทีเสือผ่าเท็นเจ้าหน้าที่มีกําลังมากกว่าหลายเท่าก็เพนจากที่กําบังโดดลงมาข้างคูอีกด้านหนึ่งเวลานั้นจ่าอารี มองเห็นเสือผาดกำลังจะหนีก็โผล่จากที่กำบังยิงเข้าใส่เสือผาดแล้วทันทีเสือผาดก็สวนมาผลปรากฏว่าร่างของจ่าอารีถูกกระสุนล้มคว่ําทันทีแหนมเพลสวัสด์ก็สั่งให้นำจ่าอารีส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเวลานั้นพันตำรวจตรีประสาทสุนทรวรวพันบรตรีนรงค์ชัยรัตร้อยตํารวจโทผ่องปิ่นสุขพร้อมด้วยนายสิบพลตํารวจจากกิ่งสถานีบางปะหัน เจ้าหน้าที่ตำรวจกองเมืองนนทบุรีตำรวจโรงพักปากเกรด็ดรวมประมาณหนึ่งรอนายระดมกำลังไปที่เกิดเหตุแบ่งกำลังเป็นสองอสามสายล้อมที่มั่นของเสือร้ายสายหนึ่งอีกสายหนึ่งตึงกำลังสกัดทางด้านบางบัวทองแล้วก็เข้าตอีอบล้อมอีกสายหนึ่งเสือผ่านจนตรอกียแล้วการยิงต่อสู้ยังดุเดือกระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นร้อยกับสองเสือร้ายแห่งทุ่งบางพลับ จากเที่ยงกระทั่งทุ่มเศษก็ยังดําเนินต่อไประหว่างการยิงสู้ตํารวจนั้นเสียงของเสือผาดแก้วสนธิก็ยังตะโกนท่านในอําเภอสวัสดิ์ให้ออกไปยิงกันตัวต่อ ต, ตัวอีกกระทั่งสายฝนกระหน่าลงมาอย่างหนักท่ามกลางความมืดที่แผ่คลุมทองทุ่งและป่าละเมะทั้งโจรทั้งตํารวจต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถจะมองเห็นกันได้ถนัดเสือผาดก็ใช้ความจัดเจนพื้นที่พาเจ้าหยัดสมุนคู่ใจฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ออกไปได้ เสือผาดกับสมุนฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ไปในสภาพเสือลําบากเพราะว่าเสือผาดถูกยิงที่เข่าซ้ายเจียดเองก็เจอกระสุนเข้าที่ข้อศอกซ้ายเหมือนกันสองเสือรายหนีตัดทุ่งลงไปทางใต้กระทั่งถึงวัดสาลีโขพิรตารามแต่ว่าทุกหัวระแหงมีกําลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดไปหมดเสือผาดกับหยัดก็ไม่อาจจะเข้าขอพักอาศัยชาวบ้านที่รู้จักกันในย่านนั้นได้ก็หนีวกกลับไปทางพื้นที่บางบัวทอง ขอข้าวชาวบ้านกินแล้วก็ได้ทายาบาดแผลพอประทังความเจ็บปวดก่อนจะซอกซอนหนีต่อไปเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2498กองกำลังจากกองกำกับการ3กองปราบปรามพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็นำกำลังในอำเภอประลัดอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านมาสมทบพร้อมด้วยกำลังตำรวจนนทบุรีอีก30นาย เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงเก้านาฬิกาเศษสายตํารวจรายงานต่อพลตบต ร, รีอัศนียิ่งกมลว่าพบเสือผ่าจอเสือหยัดถูกยิงบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนหนีข้ามคลองบางบังบวทองเข้าไปที่ร้านขายยาตําบลท่าอิดเมื่อตอนตีห้าภายในร้านมีนายหนุ่ยแย้มรุ่งเฝ้าร้านอยู่คนเดียวเสือผ่าจอเสือหยัดก็ขู่บังคับนายหนุ่ยขอพักอาศัยรักษาบาดแผลเจ้าของร้านกลัวตายก็ยินยอมจัดยารักษาแผลแล้วก็จัดอาหารให้สองเสือกิน พลตรตรีอาสนียิ่งกมลก็วางแผนใด้กาลังตำํำรวจกองปราบเป็นฝ่ายบุกสายแรกบุกเข้าทางหน้าบ้านที่อยู่ติด ก, กับคลองสายที่สองตีโอบเข้าทางด้านข้างเที่ยงตรงตะวันตรงหัวเพีงกําลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ยกขอล้อมร้านขายยาที่เสือผ่าเจ้าสมุนซ่อนตัวอยู่โอบล้อมเป็นรูปวงเดือนปล่อยด้านคลองบางบังบวทองเป็นที่ว่างล่อให้เสือผ่าเจ้าสมุนหนีลงคลองได้ทางเดียวเมื่อกําลังเจ้าหน้าที่บุกเงียบข้อล้อมร้านขายยาไว้เรียบร้อย ร้อยตำรวจเอกกำมนโนวันเจ้าของฉายาอัศวินตาสีฟ้าก็พูดกรอกลำโพงขยายเสียงเรียกเสือผาดกับสมุนวางอาวุธเขามอบตัวแต่โดยดีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากเสือผาดประกาศครั้งที่สมสิ้นเสียงกระสุนปืนกลยากเสือผาดก็ยิงเปรีย ง, เ ป, ยงเปรียงออกมาจากในร้านนั่นเป็นสัญญาณว่ามันพร้อมสู้ตายการยิงอย่างดุเดือดก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ ชาวบ้านหอบลูกจุงหลานหนีกันจ้าระวันเพราะกลัวจะถูกลูกหลงตำรวจกองปราบก็เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่รุกประชิดก็ไปใกล้ตัวบ้านแล้วก็ยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าไปสี่ลูกซอนๆม่านควนันตลบอบอวนไปทั่วบ้านเสียงเสือผ่าก็ตะโกนออกมาอย่างบ้าเลือดอย่ายิงไว้แน่จริงมายิงกันตัวต่อตัวดีว่าระเบิดน้ำตาลูกนึงไม่ระเบิดถูกเสือผ่าหยิบกว้างออกมาเล่นเอาไฟตำรวจหลบกันจ้าละวันเพราะนึกว่าเสือผ่ากว้างระเบิดมือ การยิงยังคงดําเนินต่อไปเวลานั้นเสือหยัดซึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งสโลงตัวเดียวตายขึ้นไปบนหลังคาสายปากกระบอกบึงกลยิงกราดไปรอบทิศอย่างไม่กลัวตายเวลานั้นจ่าเอืบ้บัวระวาทินซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆตัวบ้านก็กราดกระสุนไปที่เสือหยัดทันทีเสือหยัดโดนกระสุนเขาหลายแห่งทนเจ็บไม่ไหวโดดลงมาจากหลังคาวิ่งหนีไปทางด้านตะวันตกตอนนั้นร้อยตำรวจโทภัยทูลบุตรเสรังศีหมอบคุมเชิงอยู่แล้ว ก็กราดกระสุนเข้าใส่ที่ยิบสมุนเอกเจ้าพ่อทุ่งบางพลับดินพลาดแต่พยายามตะเกียกตะกายชนิดล้มลุกคลุกครานพอถึงกอถวัลย์ข้างรั้วก็หยุดดิน้นตายสนิท ด, ด้านเสือผาดเวลานั้นอยู่ในชุดพระเข้ามาสีแดงสลับขาวเพียงผืนเดียวยังคงยึดที่มั่นในบ้านหญิงต่อสู้ตำรวจอย่างดุเดือดจะเ อ, อิบบอระวาทินซึ่งเป็นคนหนึ่งที่รู้จักคุ้นเคยกับเสือผาดเพราะว่าเป็นชาวบ้านทุ่งบางพลับ มองเห็นทางซี่ลูกรงกระตะโกนบอกในฐานะเพื่อนเก่าพาดเว้ยนี่ฆ่าจาเอิบนะหวางปืนซะเหอะออกมาพูดกันดีๆหมดเรื่องคำตอบที่ได้จากเสือร้ายก็คือกระสุนปืนที่กระหนำยิงออกมากูไม่ยอมไอ้นั่นเพื่อสวัสดิ์มาเปล่าบอกให้มันมายิงกับกูตัวต่อตัวเมื่อการเจราจาไม่เป็นผลเจ้าในตำรวจก็ยิงระเบิดแก๊สน้าตาเข้าไปอีกม่านควันกระจายครุ้งตลบบ้าน ขาดแก้วสนธิตกที่นั่งลําบากแล้วไม่สามารถจะทนแก๊น้ําตาไหวก็ถือปืนพร้อมย่ามกระสุนสะพายไหลผลเข้าครัวจะออกประตูด้านหลังบ้านเวลานั้นร้อยตํารวจเอกสเสนอุทัยเสนซึ่งกําลังคุ ม, คมกําลังคุมเชิงอยู่ด้านหลังก็เหนียวไกปืนกราดกระสุนปืนกลมือเข้าใส่ร่างเสือผา่าผงาหงายลงทับโต๊ะกับข้าวในห้องครัวดังโครมดิ่งทุรน ท, ทุรายอยู่คู่เดียวก็ขาดใจตาย เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเขาเ้าไปในบ้านก็พบแต่ร่างเสือผาเป็นศพนอนคาโต๊ะกับข้าวภายในห้องครัวส่วนที่ข้างรัว้วร้อยตารวจเอกชก ม, มนชโฉวนพบร่างเสือหยัดสมุนคู่ใจเสือผาด น, นอนตายในสภาพมือกําปืนเกรงในปากยังอมข้าวอยู่เจ้าหน้าที่พบที่ดําปืนคู่มือเสือผาสลักข้อความเอาไว้ว่ายอมตายคาปืนอ่ลงชื่อผาด พร้อมโดยตัวอักขระคาถาอีกหลายคำสำหรับด้ามปืนของเสือหยัดสลักไว้ว่าพ่อแม่ฝากลูกด้วยพร้อมด้วยอักขระคถ า, าเช่นเดียวกับของเสือผาดที่สุดจุดจบของเสือผาดแก้วสนธิที่ชาวบ้านทุกคนเกรงขามก็มาถึงในวันเสาร์อันตรงกับตามกําหนดที่พระกุหลาบ พ, พระอาจารย์เจ้าพ่อทุ่งบางพลับให้ความนับถือท่านทํานายไว้พอดีว่าขอให้เสือผาดในมอบตัวเสียก่อนที่จะถึงวันเสาร์ เพราะว่าถ้าถึงวันสาวแล้วจะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะชะตาของผ่าดถึงคาดแล้วครับผมนําเอาเรื่องของเสือปล้นโจรรายหลายจังหวัดมาเล่าให้ท่านฟังก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับอนุชนคนรุ่นหลังว่าอย่าได้ประมาทกับการดําเนินชีวิตเพราะโจรเหล่านี้แต่ก่อนก็เป็นคนดีๆทั้งนั้นการตัดสินใจด้วยอารมณ์เพียงวูบเดียวล้วนพาไปสู่หายนะอย่างใหญ่หลวงพาครอบครัวเดือดร้อนตระกูลสื่อมเสียกลายเป็นตระกูลโจร และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือผู้ที่ใช้อํานาจไปกั่นแกล้งบีบขั้นในคนดีๆกลายเป็นทุจริชนบุคคลเหล่านี้ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างโหดร้ายธารุณทั้งสิ้นจากกรรมที่ตัวเองไปบีบคั้นเขาและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจุดจบของขุนโจรแต่ละคนไม่มีใครหนีรอดพ้นมือกฎหมายไปได้แม้แต่รายเดียวเพียงแต่ว่าจะจบแบบไหนเท่านั้นเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องปแปลกๆให้ฟังต่กเรื่องท่านบุฟังที่ลบบุรีครับมีแอ่งน้ําอยู่แอ่งหนึ่ง เขาเรียกแองใหญ่เจิมเพราะว่าใหญ่เจิมแกเป็นเจ้าของที่นาแปลงนั้นแล้วแกก็ตายในแองน้านั้นอะแย่เจิมเนี่แกไม่ใช่คนร่ํารวยแต่ว่าแกเป็นคนดีที่ชาวบ้านเขานับถือยกมือไหว้กันแต่คนที่เกลียดกขก็มีอย่างในคนหนึ่งชื่อในรังในรังนี่ไม่ชอบแย่เจิมอมอมากๆตอนเช้าเช้าแย่เจิมแกไปที่นาของแกตามลําพังคนเดียวทั้งที่แกก็อายุมากแล้วแต่เขายังออกไปทํานาทําไร่ของแกเป็นประจําด้วยความขยันขันแข็งของแกนแั่นแหละ พอแดดร้อนๆแกก็จะกลับเข้าบ้านเก็บผักบุ้งไปต้มจิ้มน้ำพริกแกชอบกินผักบุ้งต้มปลาหม้อย่างน้ำพริกเผาอะไรพวกเนี้ยแกเป็นคนแก่ก็ชอบอะไรแบบเนี้ยในรังผมแดงๆเนี่ยเกลียดยายเจิมหาว่ายายเจิมเนี่ขี้งกแกแล้วก็ยังทำงานขี้เหนียวแล้วก็ปากไม่ดีขอตังค์ไปกินเหล้าไม่เคยให้่ะคนอื่นขอแล้วเขายังให้แต่ยายเจิมไม่เคยให้นอกจากยายเจิมก็จะไม่ให้แล้วก็ยังสั่งสอนเขาซะอีกว่ากินเหล้ามันไม่ดีอ่า มาว่ากันได้เล่าไม่ดีแล้วเขาจะทํามาขายทําไมมันต้องดีสิอคืนที่ผ่านมาในขอเงินนางอิ่มลูกใหญ่เจมิมไม่ให้แถมสอนอีกทั้งแม่ทั้งลูกเลยขี้เหนียวทั้งคู่ในรังนี้คุณเครื่องใหญ่เจอมมานานแล้วสั่งสอนดีนะักเคยขอยืมเขาสารก็ยังไม่ให้เลยใหญ่เจอมไม่ให้เพราะว่าให้ไปสามครั้งไม่เคยเอามาคืนกันเลยอ่ะเอาไปทีนึงก็ถังใหญ่ใหญ่ บอกว่าจะเกี่ยวข้าวใช้ให้ก็ไม่เคยทําอย่างนั้นแถมยังด่าให้ซะอีกในรังคนนี้มีลูกสามคนแล้วก็ไม่เลี้ยงหรอกให้เมียกับแม่ยายช่วยกันเลี้ยงชั่วร้ายขนาดปล้าแม่ยายเอาทําเมียพ่อตาพูดไม่ออกตร้อมใจหนักกินยาฆ่ า, มาแมลงปิดชีวิตตัวเองหนีความอับอายในรังก็เลยรวบทั้งแม่ทั้งลูกเอาเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเช้าวันนั้นกินเหล้างานศพมาตลอดคืนแล้ว ในรังเดินกลับบ้านโซซัดโซเซไปเจอยายเจิมที่หลังหมู่บ้านอารมณ์ขุนมัวมาจากวัดแล้เสียพนันด้วยทั้งที่เงินไม่ค่อยมีอาศัยเขายืมคนอื่นเขาเล่นพอเห็นยายเจิมก็ร้องดา่าอ่าเรียกอีเรียกจิกหัวด่าเสียเสียหายหายหลายคำยายเจมิมแกได้ยินก็หันมาด่าเขาไอ้มั่งในรังโมโหใหญ่ตรงเขาบีบคอยายเจิมกดหัวแกลงในแอ่งน้ํำยายเจิมช่วยตัวเองแก่แล้ววะ่ะสู้แรงในรังไม่ได้ หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านไม่มีคนรู้เห็นเป็นพยานลูกยเยเชอมตามไปพบแม่กลายเป็นศพเฝ้าหนองน้ําไปแล้วแองน้ำนะั่นกลายเป็นแอ่งน้ําผีสิงในรลังกินเหล้าเดินกลับทางหลังบู่บ้านทุกคืนไม่กลัวผีแถมพูดบอกล้องมาหลอกที่กูจะเอาทําเมียซะเลยว่าอย่างนั้นดูเถอะแก่ขนาดยายแล้วมันก็ยังไม่เว้นคืนหนึ่งเนื้อตัวมอมแแมมเลอะโครนกลับบ้าน ร้องว่ายายเจิมลากลงหนองน้ําเพื่อเจอเหมือนกับคนสติฟันเพลอนเป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็าหายคืนสติกลับมาก็กินเหล้าเมาอย่างเดิมอีกก็ไปโดนผีหลอกอีกคราวนี้โดนเล่นงานหนักถึงขนาดจับไข้หัวโกรนพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยแต่ก็เล่า ว, ว่าโดนผียายเจิมหลอกคืนนั่นกินเหล้าเมาแอกลับมามาเจอยายเจิมอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ก็เลยด่าพอด่าเท่านั้นก็โดนผีตบหน้าเอาชาดใหญ่อ่ะมันก็ล้มคว่ําลงไป ลุกขึ้นมายายเจมิมก็เอาเท้ามายันที่ยอดอกก็ทำไม่หายท้องก้นจำเบ้าเลยคราวนี้ยายเจมิมเหยียบยอดอกลุกไม่ขึ้นแล้วก็แลบลิ้นยาวหน้ากลัวได้กลิ่นน้ำเหลืองเน้าๆด้วยมันก็สะบัดหลุดกลับบ้านรอดมาได้เขาก็มักจะเล่าทำนองนี้เล่าแล้วเล่าอีกจนคนฟคังพอที่จะนำมาประติดประตอ่อกันได้พอรู้เรื่องรู้ราวการเจ็บป่วยหัวโขนคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อน คราวก่อนนี้ฟื้นคืนสติแต่คราวนี้นับวันยิ่งย่แย่เมียทนไม่ไหวไปหาหมอศยาศาสตร์มารักษาหมอก็ไลผ่ผีแต่ก็ไม่มีอะไรผีไม่ได้เข้าอ่ะรักษาตัวด้วยยาสมุนไพรก็ไม่ดีขึ้นให้กินยาแก้บ้าก็ายิ่งทําให้สติไปกันใหญ่เลยคว้ามีดหมอไล่แทงหมอจนหมอต้องกระโดดบ้านวิ่งหนีแล้วก็ย้อนกลับมาขอย่ามคืนที่หลังวันหนึ่งคำค ำ, ำหมาหอนกันโหยหวนที่ข้างข้างบ้าน ในรังกกระวนกระวายตื่นกลัวมองออกไปในความมืดหน้าบันไดบ้านก็ชี้มือบอกมันมาแล้ว น, นันน่นๆๆมันมาแล้วเมียถามว่าใครมาก็บอกอีเจิมมาอีเจิมมายี่านำนันมาแล้วมันจะมาเอากูไปกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่มันเอาขันน้ำคว้างลงไปร้องด่าเสียงลั่นเนี่ยแต่แล้วจู่ๆก็ลุกพรวดมันก็หนีอะไรสักอย่างลนลานหนีจนทัดตกเรือนบาดเจ็บสาหัสเสร็จแล้วก็ตายในเวลาอีกสามวันต่อมา ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีครับเขาเรียกหนองใหญ่เจิมก่อนจากกันวันนี้ครับขอมอบพุทธภาสิตที่ว่าณนะตังชิตังสาธุชิตังความชนะที่กลับแพ้ได้ไม่ดีเลยความชนะสิ่งใดกลับพ่ายแพ้ไม่ดีแน่ดอกหนอพอจะเห็นแรกชนะกลับพ่ายกลายประเด็นเหมือนดังเล่นกีฬาพาเป็นทุกข์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 สถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนห อ, อกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0 8 4ย์3 8ดสี่หสี่สามแปดเจ็ดเจ็ดครับ08นดสี่หสี่สามแปดเจ็ดเจ็ดครับคนที่ชอบด่าลมด่าฝนอ่าเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับ เรื่องนี้แปลกบางทีการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บจนกระทั่งตายหรือว่าบางทีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดน้ําป่าทะลักษ์จากภูเขาเข้าทําลายชีวิตและทรัพย์สินบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลไปก้าวร้าวด่าทอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเคยมีอยู่คนหนึ่งแกตายหน้าแรง ประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะครับแดดเปรี้ยงเปรี้ย ง, ยงแต่ในขณะที่ทําพิธีศพตั้งแต่ไว้ศพจนเวลานําศพไปฝังหรือว่าชาปนากิจนี่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเชียวจนลําบากยุ่งยากแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีแต่พอทุกอย่างเรียบร้อยฝนกลับหยุดตกเป็นปลิดทิ้งเป็นเพราะอะไรเพราะสืบย้อนหลังไปตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ชอบด่าฝนด่าลมเป็นนิสัยเลยเชียวนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับเกาะภูเก็ตนี่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทั้งที่ใต้และที่ตะวันตกของเกาะก็คือมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่มีเกาะบริวารประมาณยี่สิบห้าเกาะบางเกาะก็มีผู้คนอาศัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ช้านานเป็นร้อยร้อยปีบางเกาะก็เป็นเกาะร้างไม่มีคนเพราะว่าเป็นเกาะกันดารไม่มีน้ําจืดไม่มีที่ราบให้เพาะปลูกก็เลยไม่มีใครไปอยู่ เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มีโรงเรียนเช่นเกาะโหลนเกาะนาคาเกาะมะพร้าวเป็นต้นส่วนเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนเนี่ยเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีโรงแรมหลายแห่งของบรรดาเหล่านายทุนสามารถทําเงินทําทองเป็นเกาะเป็นกำสําหรับเกาะไม้ท่อนในอดีตคนพื้นที่เคยขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าชาวเรือได้อาศัยหลบลมพายุก็ทําไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของซะแล้ว เกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เป็นเกาะบริวานที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตห่างไปประมาณสัก15ไมล์ทะเล15้าไมล์ทะเลก็ประมาณ24่สิ่กิโลเมตรมีอยู่สองเกาะเกาะแรกก็คือเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีหาดมีน้ําจืดมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีรีสอร์ทเหมือนกันส่วนเกาะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเรื่องนี้คือเกาะราชาน้อยหรือว่าเกาะรายาน้อย ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ของเกาะใหญ่อีกประมาณห้าไมล์ทะเลเกาะนี้เป็นเกาะร้างไร้ผู้คนแต่ว่าเป็นเกาะที่มีปลาทะเลชุกชุมว่าเกาะบริวารอื่นๆชาวประมง ท, งทั้งที่สมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพชอบไปตกปลาเกาะรายาน้อยเนี่ยในอดีตมีเรื่องเล่าประลัมปราว่ามีกษัตริย์แขกกับธิดานเนี่แล่นเรือมาที่เกาะเนี่ยแล้วก็เรือถูกพายุถล่มจมลงตายหมดพร้อมทั้งบริวารอีกเป็นร้อยคนวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ที่เกาะ เกาะนี้ก็เลยมีชื่อว่าเกาะรายาคำว่ารายานีเป็นคำเรียกเจ้าหญิงแขกต่อมาทางการเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะราชาแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังเรียกว่าเกาะรายาอยู่เหมือนเดิมเกาะ น, นี้เป็นเกาะ อ, อาถรรพ์ชาวประมงรู้กันทั่วคือห้ามด่ามแม่หรือว่ากล่าวคาหยาบและที่สำคัญก็คือเนื้อหมูห้ามนำมากินหรือว่าประกอบอาหารที่เกาะหรือว่าบริเวณเกาะ น, นี้เป็นอันขดาดหากใครฟาฝืน จะเป็นเพราะไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้ก็ตามก็มักจะประสบเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานาเช่นทะเลเรียบอยู่ดีๆก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาเฉยๆโชคดีก็รอดไปโชคร้ายก็เรือล่มที่เบาหน่อยก็หาปลาไม่ได้ปลาทะเลที่เคยชุกชุมก็กลับไม่มีเอาเสียเลยบางครั้งเรือที่วิ่งอยู่ดีๆก็เกิดพลาวขาดใบจักรหักทุลักทุเลคนชาวประมงเขาประสบเหตุการณ์แบบนี้มามากแล้ว สำหรับเรื่องหมูนี่อย่าว่าถึงขั้นเอามากินเลยขนาดพูดคำว่าหมูก็ยังไม่ได้แต่ใครมาตกปลาแถวเกาะ น, นี้แล้วเผลอพูดคำว่าหมูออกมาแล้วก็กรีบกราบเถอะขืนอยู่ไปก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสักอย่างดีไม่ดีอาจจะต้องไปนอนอยู่ใต้ทะเลก็อาจจะเป็นได้ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตมีชุมชนของชาวมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ติดทะเลเรียกว่าบ้านบ่อแรกชาวมุสลิมที่ ที่นี่มีอาชีพหลักก็คือทําสวนยางและสวนมะพราะ้าวส่วนอาชีพเสริมก็คือทําการประมงดยวิธีใช้ลอบดักปลาแล้วก็ใช้เบ็ดตกผู้ที่ทําการประมงโดยการใช้เบ็ดจะใช้เรือไม้ติดเครื่องยนต์ตรงท้ายเรือมีเพลาติดใบจักรยาวประมาณสองเมตรยื่นลงไปในน้ําที่เรียกกันว่าเรือหางยาวออกทะเลไปหาปลาเรือของบางหมัดนี่มีลูกเรือประจําซึ่งก็มีหนุ่มๆวัยรุ่นในหมู่เรือญาติกันในหมู่บ้านนั่นแหละ มีอยู่สี่คนชื่อเจ้าเสนเจ้าแอเจ้าหมุดแล้วก็เจ้ามืดสามคนแรกก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับคนที่สี่ก็คือเจ้ามืดเนี่ยที่มีนิสัยไม่เหมือนเพื่อนอายุของเจ้ามืดนี่มากกว่าเพื่อนลูกเรือทั้งหมดก็คือมันอายุยี่สิบแดแล้วมีเมียมีลูกแล้วมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบังหมัดเจ้าของเรือเจ้ามืดเป็นคนขี้เล่นรักสนุกตลกโปกฮา ปากของเจ้ามืดเป็นประเภทไม่มีหูรูดนึกจะพูดจะว่าใครก็เปล่าเปล า, ปลาออกมาจนมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆบ่อยๆแต่นานๆเข้าเขารู้นิสัยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วก็บ่อยๆที่ออกเรือไปตกปลาพอเรือถึงที่หมายทอดสมอเสร็จต่างคนต่างลงเบ็ดมือจับสายเบ็ดรอให้ปลามากินเหยือ่อเจ้ามืดซึ่งมีหน้าที่ลงสมอประจําอยู่ทางหัวเรือ คือขณะที่นั่งตกปลานี่ทุกคนจะนั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือนอกจากบางหมัดซึ่งมีหน้าที่ขับเรือจะนั่งหันหน้ามาทางหัวเรือเขาจะรอจนบางหมัดเหลือหันหน้าไปทางอื่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ําที่ดูเขียวปีเพราะความลึกเกือบหกสิบเมตรนะบางครั้งบางหมัดก็เห็นแต่แกก็ทําเฉยเสียเพราะว่าแกก็ชอบอะไรๆที่สนุกอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเจ้ามืดก็เกาะข้างเรือไปกระชากสายเบ็ดเพื่อน แรกๆที่ไม่รู้ความขี้เล่นของเจ้ามืดเจ้าของสายเบ็ดก็ตวัดมือควับเพราะว่าสําคัญคิดว่าปลากินเหยื่อก็เลยกลายเป็นตัวตลกของเจ้ามืดได้ตลกหากันทั้งลําเรือส่วนเจ้าตัวตลกจําเป็นเนี่ยพอ ร, รู้ว่าเป็นผลงานของเจ้ามืดก็ดา่าซึไม่มีชิ้นดีทุกคนในเรือต่างก็เป็นของเล่นของเจ้ามืดไม่เว้นแม้แต่บังหมัดเจ้าของเรือแต่ส่วนมากบังหมัดจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเพราะแกเห็นก่อนแต่แกก็ไม่ว่าอะไร พรแกรู้ว่าเจ้ามือดเดียวไหวน้ําเก่งเพียงแต่ปรามปรามมาไว้เท่านั้นบางครั้งที่อากาศมันร้อนแดดเปรี้ยงเปรียงเรยงพราะเรือไม่มีหลังคาเจ้ามืดก็าจะากระโดดตมลงเล่นน้ําทั้งๆั้ ท, ที่เรืออยู่กลางทะเลลึกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเพื่อนๆในเรือที่ไม่มีใครสนใจพฤติกรรมของเจ้ามือดอีกต่อไปบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่บังหมัดเขาเตรียมเหยื่อน้ําแข็งแช่ปลา เตรียมสเสบียงอาหารน้ำมันสําหรับเครื่องเรือและลู ก, กเรือพร้อมแล้วแกก็ออกเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเรือวิ่งไปประมาณสองชั่วโมงกว่าก็มาถึงเกาะวันนี้แกเอาเรือเข้าหมายตรงหน้าอ่าวทางทิศตะวันออกของเกาะอ่าวนี้มีหาดเล็กๆมีบ่อน้ําจืดซึ่งจะมีน้ําเฉพาะในหน้าฝนชาวประมงเขาเรียกชื่ออ่านี้ว่าอ่าวพมา่าเพราะว่าครั้งหนึ่งมีพม่ามาทําไร่แล้วก็เป็นไข้ตายเนื่องจากไม่มียารักษา อ่าวนี้ทิวทัศสวยงามตรงแหลมใกล้ๆอ่าวมีก้อนหินประหลาดเป็นเหลี่ยมๆขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นชั้นๆคล้ายๆขั้นบันไดด้านหลังก้อนหินเป็นเนินเขามีกล้วยป่าที่คนทางใต้เขาเรียกกล้วยเถือนขึ้นอยู่ดูเขียวชะอุ่มเต็มไม่หมดชั่วนาตาปีก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าไปตัดหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหลังจากที่ทุกคนลงเบ็ดกันหมดแล้วมือก็จับสายเบ็ด ร, รอปลามากินเหยือ่อ เสร็จแล้วเจ้ามืดก็โองออกแบบไม่มีปีมีเุยว่าไอ้ไอ้แสนคราวนี้ถ้ากูและทุกคนได้ปลามากๆนะกูจะขอถวายตัวเป็นลูกเขยเจ้าเกาะเลยเว้ยเสียงพูดของเจ้ามืดไม่ใช่ค่อยๆมันดังจนทุกคนในเรือสะดุ้งแต่ที่สะดุ้งไม่ใช่เพราะเสียงเจ้ามือดอย่างเดียวแต่สะดุ้งเพราะความหมายในคําพูดของมันบังหมัดเจ้าของเรือซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนหน้าตาโลกะลักเลยไอ้มืดไอ้ปากหมาปากของมึงจะหาเรื่องเซะแล้ว มึงรู้ไหมที่มึงพูดเมื่อตะกี้เนี่ยมึงกำลังรอเล่นอยู่กับใครจะมืดกว่าหันไปทำหน้าทะเลนก บ, บังหมัดโดยไม่แยแสกับคำห้ามปรามของแกอ่ะจริงๆนะบังเป็นลูกเขยเจ้าเกาะนะดีจะตายผมว่าเขาท่าดีนะปะที่บ้านก็บอกว่าลูกสาวเจ้าเกาะสวยซะด้วยนะสิ้นเสียงเจ้ามืดพลันอากาศที่แจ่มใสก็มืดมัวลงอย่างน่าประหลาดทั้งทั้งที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มไม่มีเมฆสักก้อน ท้องทะเลที่ราบเรียบก็มีลมกันโชคมาอย่างแรงวูบหนึ่งทุกคนก็มองหน้ากันเลิกหลักเจ้ามือตอนนี้หน้าซีดยังกระไก่ต้มส่วนเจ้าแอนี่ปกติเป็นคนขึมๆไม่พูดมากหันหน้าไปทางเกาะแล้วก็ยกมือไหว้พูดปากคอสั่นเลยก็ขอโทษนะครับเจ้าพ่อขอโัวแทนเพื่อนด้วยมันปากหมาปากพร่อยตามนิสัยสันดาลของมันขอท่านอย่าได้ถือโทษโกรธมันเลยครับเดี๋ยวผมจะเตะปากมันเองเจ้าหมูดนี่อายุน้อยกว่าเพื่อน หันหน้าไปพูดกับบางหมัดเออบางถ้ามันจะไม่ค่อยดีนะบังไอ้มืดมันทำเรื่องเสียผมว่าเที่ยวนี้เรากลับกันดีกวา่าไม่ทันที่บางหมัดจะตอบคำเจ้าหมูดปลาก็กระชากเบ็ดบางหมัดบางหมัดก็สาวเบ็ดขึ้นมาเป็นปลาขนาดใหญ่ไม่ต่มกว่าสี่กิโลกรัมทีเดียวเอ้ยผูงกมองเข้าหมายเว้ยให้ทุกคนระวังเบ็ดไว้ให้ดี ไม่ทันสิ้นคําพูดของบางหมัดสายเบ็ดทุกคนก็ถูกปลากระชาเกือบพร้อมๆกันและเมื่อสาวเบ็ดขึ้น ม, มันก็คือปลากระมงเช่นเดียวกับของบังหมัดทั้งสิ้นทุกคนก็ง่วนอยู่กับการสาวปลาจนลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสักครู่นี้หมดเลยตลอดเวลาสองชั่วโมงที่น้ํากําลังลงทุกคนก็สาวปลากระมงขึ้นมาเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะเจ้ามืดนี่ได้มากกว่าเพื่อนไม่ต่ำกว่าห้าสิบตัวจนตกเย็นได้ปลามากเกินกว่าที่คาดไว้ จนน้ำแข็งและภาชนะที่เตรียมมาไม่พอใช้จึงต้องวิ่งเรือกลับเข้าฝั่งเที่ยวนั้นทุกคนขายปลาได้เงินกระเป๋าตุงกันทุกคนความละโมบของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดขาวเรือบังหมัดได้ปลาเยอะเรื่องลรือไปทั่วหมู่บ้านบ่อแร่ดังนั้นในวันต่อมาบริเวณหมายปลาหมายปลาก็หมายถึงจุดที่อาศัยของปลาหรือว่าจุดที่ปลามักจะแวะเวียนเข้ามากินซึ่งเป็นจุดที่มีกองหินปะการังใต้น้า ซึ่งอยู่ตรงหน้าอ่าวพาม่านั้นก็ประกฏมีเรือเบ็ดไม่ต่ำบาสิบลำมาทอดสมอล่าปลาให้ได้มากอย่างเรือบางหมัดบ้างขั้นใกล้จะถึงเวลาน้ําลงช่วงที่ปลาจะกินเหยื่อทุกคนก็ใจจดใจจาะกับการเกี่ยวเหยื่อที่ตัวเบ็ดแล้วหย่อนลงทะเลรอคอยให้ปลามากินเหยื่อที่เบ็ดของตัวข้างฝ่ายเรือบางหมัดก็มาทอดสมอตรงจุดที่ได้ปลาเมื่อวนันแล้วเมื่อทุกคนลงเบ็ดแล้วรอให้ปลามากินเหยื่อ ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเหมือนอย่างเคยเสร็จแล้วตรงหัวเรือที่เจ้ามืดนั่งตกปลาอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังตุ่มเหมือนเสียงคนตกน้าแต่ก็ไม่มีใครหันหน้าไปดูรวมทั้งบางหมัดที่ง่วนอยู่กับการก้มหน้าวิดน้ําเข้าเรือเพราะเข้าใจว่าเจ้ามืดคงจะกระโดดว่ายน้ําเล่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบห้านาทีก็ไม่ได้ยินเสียงว่ายน้ําของเจ้ามืดบังหมัดก็เอกใจเขามองไปทางหัวเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนก้มมองลงไปในน้ํารอบๆเรือก็ไม่เห็นร่างเจ้ามืด ก็นึกดาวเรื่องได้ก็ใจหายวา่าเฮ้ยไอ้มือตกน้ำเว้ยทุกคนช่วยหามันหน่อยเสียงตะโกนน้องบางหมัดทําให้คนในเรือทุกรำบริเวณนั้นได้ยินกันทั่วเจ้ามืดก็เป็นเพื่อนเป็นญาติคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันตอนนี้เรือทุกลําก็ไม่สนใจจะตกปลาแล้วต่างรีบถอนสมอวิ่งเรือตามหาเจ้ามืดกันอลละมันสองชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นร่องรอยว่าพรายน้ําปรากฏให้เห็น ซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเจ้ามืดคงจะเสียชีวิตแล้วที่ยังค้นหากันต่อไปก็เพื่อต้องการนําร่างของเจ้ามืดกลับไปบ้านไปประกอบพิธีตามาศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเรือร่วมสิบเอ็ดลำวิ่งวนค้นหาเป็นบริเวณกว้างเกือบรอบเกาะก็ไม่พบร่างเจ้ามืดแม้แต่ร่องรอยครั้งจะดําลงไปหาใต้น้ําก็ไม่มีเครื่องมือและน้าลึกขนาดนั้นต่อให้เป็นนักดําน้ําอาชีพก็ไม่มีทางจะทาได้ก็ได้แต่วิ่งเรือวนหาตามผิวน้ําอยู่อย่างนั้น ทั้งฝ่ายบังหมัดก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็ขนลุกสู้แต่แกก็ไม่ได้ปรีปากกับใครแกมีความมั่นใจเหมือนกับทุกคนนั่นแหละว่าเจ้าเมือม่องของตายแล้วร่างของมันคงจมอยู่ใต้น้ำตรงจุดที่มันตกน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็นึกถึงวิธีเก่าๆที่เคยใช้กันก็เลยใช้เบ็ดตัวใหญ่ผูกสายเอ็นใช้ตะกัวลูกหนักที่สุดที่มีอยู่ในเรือถ่วงลงใต้น้าแล้ววิ่งเรือช้าๆลากวนเวียนไปมา เผื่อว่าเบ็ดจะไปเกี่ยวร่างเจ้ามืดขึ้นมาวนไปวนมาชั่วครู่แกก็รู้สึกว่าเบ็ดไปเกี่ยวอะไรอย่างหนึ่งหนักๆใต้น้ําแต่พอช่วยกันดึงขึ้นมาสักสองสามวาก็หลุดเป็นอยู่อย่างเนี้ยสองครั้งสามครั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีวีวแววอะไรอีกจนกระทั่งบ่ายใกล้ค่ําหมดเวลาก็ไร้ผลเรือทุกลำก็จําต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อหลับนอนเอาแรงรุ่งเช้าก็พากันมาอีกคราวนี้มีเรือเพิ่มขึ้นมาอีกหลายลำ ก็ล้วนแต่เป็นเรือของเครือญาติเจ้ามืดส่วนพ่อแม่เมียและลูกเจมืดโดยจะพ่อพ่อกับแม่เพราะรู้ว่าเจมืดตกน้ำตายแล้วก็เป็นลมสิ้นสติไปหลายยกเพราะว่าเจ้ามืดเป็นลูกคนเดียวที่แก่ทั้งสองหวังฝากผีฝากไข้ครับวันนี้จะหาศพเจ้ามืดเจอหรือเปล่าสักครู่ครับการค้นหาศพของเจมืด ดำเนินไปเป็นเวลาถึงสี่วันความเป็นจริงโดยปกติคนตกน้ำในเพียงไม่เกินสองวันก็ต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลอะไรทุกคนรวมทั้งบังหมัดต่างคนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเพียแรงมั่นใจว่าคงจะไม่มีทางที่จะนำร่างจะมืดไปประกอบพิธีทางาศาสนาแน่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะค้นหากันอีกต่อไปแต่ว่าในช่วงเย็นใกล้ค่าของวันที่สี่ของการค้นหานี่ ขณะที่ขบวนค้นหาวิ่งเรือกลับไปถึงฝั่งที่ตรงท่าเสร็จแล้วไปผูกเรือใต้ต้นไทรใหญ่บังหมัดก็เห็นพระธุดงชาราองค์หนึ่งกลางกรดอยู่บังหมัดเป็นคนมุสลิมไม่นับถือนัก บ, บวชในาศาสนาอื่นแต่เมื่อเห็นพระธุดง์ชาราท่าทางหน้าเลื่อมใสก็ฉุกคิดว่าเผื่อจะเรื่องนี้พระคงจะช่วยได้ก็เลยเข้าไปนั่งยองๆตรงหน้าพระพระท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรถึงจะไม่ได้ยกมือไหว้ท่านก็ถามบังหมัดว่าเรื่องอะไรกัน ที่เห็นมีคนจํานวนมากอส่วนพวกค้นหาก็เป็นมุสลิมก็มานั่งล้อมรอบพระฟังเรื่องที่บังหมัดเล่าให้พระฟังพระธุดงชาราพอฟังบังหมัดเล่าจบเรื่องแล้วท่านก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกบอกว่าเออเรื่องนี้อาตมาก็พอจะช่วยได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโยมพาอาตมาไปยังจุดที่เกิดเหตุอย่าให้เลยเที่ยงนะ ให้นําเรือลําที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกเรือไปเพียงลําเดียวแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมเอาสําลีติดตัวไปด้วยอย่าลืมเปน็นนันขาดรุ่งเช้าบาังหัดพร้อมกับเจ้าแอเจ้าเซนเจ้ามูดก็นําพระทุดงชาราลงเรือโดยให้พระนั่งอยู่ตรงหัวเรือตรงจุดที่เจ้ามืดเคยนั่งมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเมื่อไปถึงท่านก็ให้บังหัดเอาเรือไปจอดที่หาดแล้วท่านก็ลงเรือเดินขึ้นไปบนเนินเขาปีนไปตามก้อนหิน นับเป็นเรื่องประหลาดที่พระชราขณะนั้นปีนเขาได้คล่องแคล่วก้อนหินใหญ่บางก้อนที่ห่างนั้นเกือบวาท่านก้าวย่างเข้าไปแบบสบายหน้าตาเฉยบางหมัดเจ้าแอเจ้าเซนเจ้าหมูดก็ล้วนแต่หนุ่มๆยังเดินตามท่นไม่ทันเมื่อท่านเดินมาถึงลานหินแห่งหนึ่งใกล้ๆลานกล้วยป่าท่านก็ให้ทุกคนนั่งลงแล้วก็ให้เอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูแล้วก็สั่งว่าใต้เห็น หรือว่าได้กลิ่นอะไรก็ให้นั่งนิ่งๆอย่าพูดอย่าเอะอะตกใจเป็นอันขาดแล้วพระธุดงชราก็สุดตัวลงนั่งสมาธิหลับตาอยู่ประมาณสิบนาทีเสร็จแล้วอากาศก็ค่อยๆสลัวลงเหมือนกับมีเมฆ ก, ก้อนใหญ่ามาบังแสงอาทิตย์ไว้ทั้งๆที่ในท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเมฆสักก้อนและพร้อมๆกันทุกคนก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมแคกปุ้งกระจายเข้าจมูกสภาพเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง แต่ละคนก็มองหน้ากันเลือกลักแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะพระท่านสั่งไว้แล้วครู่หนึ่งทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติประมาณยี่สิบนาทีพระธุดงชาราท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ให้รีบเข้าฟังเมื่อถึงแล้วท่านจะเล่าให้ฟังเองเมื่อถึงฟังท่านก็บอกกับทุกคนว่าตอนเนี้เจ้ามืดนะตายแล้วเจ้าก็เอาเจ้ามืดไปเป็นคนรับใช้เพราะว่าเจ้ามืดะพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดูหมิ่นท่าน ร่างของเจ้ามืดตอนเนี้ยจมอยู่ใต้ทะเลตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละแรกๆเจ้าเกาะเขาจะไม่คืนศพให้แต่ว่าท่านขอบินทบาทเพื่อให้ญาติได้นําศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาเสร็จแล้วพระธุดงท่านก็สั่งกําชับกับบังหมัดบอกว่าพรุ่งนี้ให้โยมเอาเรือไปยังที่เกิดเหตุนั่นนะอย่าให้เลยเที่ยงแล้วก็ให้ทอดสมอคอยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคุยกันให้นั่งกันเงียบ เหมือน ก, นกันกับเรือทุกรลำที่ไปด้วยนะเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงร่างจามืดจะลอยขึ้นมาเองและเมื่อได้ศพแล้วก็ให้รีบเอาศพกลับทันทีและขณะที่วิ่งเรือกลับห้ามทุกคนหันไปมองข้างหลังเป็นอันขาดทุกคนฟังแล้วก็เชื่อเครื่องไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเรือเกือบ20สิบลำคนเกือบร้อยคนยังค้นหาไม่เจอแล้วพรุ่งนี้ให้ไปจอเรืออยู่เฉยๆแล้วจะเจอได้ยงไ แล้วที่พระบอกว่าศพเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พระคงจะหลอกพวกเราแน่ๆมีแต่คณะของบางหมัดเท่านั้นที่เชื่อแต่สำหรับเจ้ามูดเนี่ยมันบอกมันเชื่อร้0ยเปอร์เซนเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับวันรุ่งขึ้นณที่เกิดเหตุมีเรือไม่น้อยกว่าห้าสิบลำมาท่อสมอรอคอยเวลาเพื่อต้องการจะพิสูจน์คพูดของพระธุดงชาราและเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกิน สิ่งประหลาดที่ไม่น่าเชื่อก็าบังเกิดขึ้นทุกคนก็พากันจ้องตาเขม็งขนลุกสู้แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนั่นก็คือตอนแรกเห็นพายน้ำผุดขึ้นมาก่อนแล้วร่างเจ้ามืดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วลอยทวนน้ำมายังเรือของบังหมัดเมื่อช่วยกันยกศพของเจ้ามืดขึ้นมาบนเรือแล้วทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคํารบสองที่เห็นร่างเจ้ามืดนี่มันเหมือนกับเพิ่งตายใหม่ๆมีเลือดไหลออกมาทางจมูก แล้วก็เลือดยังสดๆอยู่ดูคล้ายคนที่ถูกของแข็งกระแทกที่หัวอย่างแรงส่วนที่แขนและขาของศพในมีรอยแผลคล้ายๆถูกเบ็ดเกี่ยวอยู่สามรอยซึ่งบางหมัดก็พอจะเดาถูกว่าแผลนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมเมื่อเกี่ยวติดแล้วถึงได้ดึงขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่ได้ศพแล้วเรือทุกลำก็วิ่งเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังอย่างที่พระตุดงชาราท่านห้ามไว เพราะว่าทุกคนเชื่อโดยที่ไม่คลางแคลงใจอะไรอีกแล้วและทันทีที่เรือเทียบฝั่งบ้านบ่อแร่ทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคํารบสามที่ศพเจ้ามือตอนที่ขึ้นจากน้ําใหม่ๆที่ดูสดๆนั้นกลับบวมอืดพองเน่าเหม็นเหมือนศพที่ตายมาแล้วห้าวันเจ้าหมุดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่พระทุดงพามันไปนั่งบนเนินเขาที่เกาะรายาน้อยแล้วสั่งให้ทุกคนเอาสําลี ชุบน้ำลายอุดหูนั้นมันต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันก็เลยอุดเพียงข้างเดียวมันบอกว่านอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้วมันยังได้ยินเสียงดนตรีแววแววคล้ายๆเสียงดนตรีแขกที่มันเคยฟังในหนังอินเดียแล้วก็ในเสียงดนตรีนั้นมันได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงเจ้ามืดดังแววแวแวว่าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วอ่าเจ้าหมุดมันบอกว่าที่มันไม่เชื่อพระที่ให้เอาสมรีอุดหู ก็เพราะว่าเสียงเสียงของเจ้ามืดนี่มันก้องอยู่ในหูตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งเป็นหนักจนมันนอนไม่หลับเป็นเดือนเดือนจนกว่าจะหายอนั่นก็คือสิ่งที่พระทุดงท่านบอกไว้ให้เอาสำลีอุดหูเสียส่วนพระทุดงชราองค์นั้นหลังจากที่ได้ศพเจ้ามืดมาแล้วพระก็อยู่ไม่เป็นสุขก็ไม่มีเวลาได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เพราะว่ามีคนในละแวกนั้นทั้งใกล้เคียงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิม มารุมล้อมบ้างก็ขอของดีบ้างก็ขอหวยแม้กระทั่งเศษจีวรเก่าๆก็ไม่เหลือนะท่านอยู่ได้เพียงสามวันก็ถอนกรดตอนเช้าตรู่แล้วก็ทุดงจากไปโดยที่ไม่มีใครรู้บังหมัดเองก็มารู้ทีหลังว่าท่านทุดงมาจากภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษนุโลกแล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้ว นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอายุธยาในมีนาเยอะนาของคุณสมควรเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเด็กอ่าสักเจ็ดแปดขวบนั่นแกเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีตาคนนึงชื่อตาอ่างแกเป็นคนติดอ่างแต่ว่าลูกแกเจ็ดคนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครติดอ่างเลยสักคน ตาอ่างป่วยตายที่บ้านของแกคือบ้านที่แกยกให้ลูกสาวคนเล็กอยู่อาศัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูแกจนแกตายส่วนเมียของแกตายไปก่อนหน้านั่นห้าปีมาแล้วที่นี่ลูกสาวคนเล็กของตาอ่างนี่แหละที่ว่ามีปัญหาคือปัญหามันเกิดที่ที่นาที่นาเนี่ยนกหนูมันกินข้าวปลาเสียหายหมดสองสามปีมาแล้วที่ไม่ได้อะไรกับเขาเลยยากจนเกือบจะอดตายอยู่แล้ว ต้องออกปากขอยืมข้าวปลาพี่ๆมาหุงเลี้ยงลูกที่มีอยู่สามคนนามีหลายไร่ก็จริงแต่ว่าทาอะไรไม่ได้กินไม่ว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักล้วนแต่โดนนกโดนหนูรบกวนเบียดเบียนกินหมดสิน้นก็ทำให้นางนอนร้องไห้ด้วยความทุกข์ยากน่าเล่าให้ฟังว่าที่นาแปลงนั้นทำอะไรไม่ได้กินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าหนูมันจะออกจากป่านกก็มาจากป่านางก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ป่านั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของอ่าลูกสาวตะอ่างนี่อ่าเป็นของคนอื่นแถมเจ้าของป่ารกนั่นก็เป็นคนเข้มยิ่งว่าเกลือเสอีกจะขอร้องให้เขาถากถางป่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยพี่คนนึงก็แนะนําอำซึ่งวิพาก็บอกว่าทําจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะบอกก็คือให้ทําหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิพานี่ทําจริงทํามาหลายตัวนับไม่ถ้วน ทำหุ่นไล่กาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งวิพาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคิดอย่างนั้นนนแวบเข้ามาเองเหมือนก็มีเสียงกระซิบบอกตอนนั้นข้าวกําลังติดรวงข้าวดีซะด้วยถ้ารอด จ, จากปากหนูปากนกได้ก็มีหวังครอบครัวมีข้าวหุงกินไม่ต้องหยิบยืมเขาความคิดที่แวบเข้ามาก็บอกให้วิพาเนี่ยทำหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ให้จุดธูปกราบไหว้ขอร้องให้ดวงวิญ ญ, ญาณช่วย พูดง่ายๆว่าขอให้ผีช่วยอ่าผีมาสิงในหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิพาก็รีบทําหุ่นขึ้นมามันไม่ยากใช้วางข้าวกับไม้เท่านั้นหมวกเก่าๆเสื้อเก่าๆกางเกงเก่เกาๆมันก็ไม่ยากก็จริงแต่ว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้แล้วอ่ะมันใช้สมดทําหุ่นไปบ้างทําพกิริ้วไปบ้างเหลือก็แต่เสื้อผ้ายังไม่ทิ้งนางค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆว่าเก็บไว้บ้างไหมบังเอิญไปเจอเสื้อผ้าเก่าที่เก็บใส่ปี๊บปิดผ้าเอาไว้นั่น แต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของวิพาหรือว่าของผัวน่ยจริงๆแล้วมันเป็นชุดของพ่ออ่าวิพาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อผู้ล่วงลับกางเกงขายาวสีดําเสื้อสีดําหมวกผ้าเก่าๆสีดําหม่งเหมือนกันวิพาเอาออกมาดูคนนึกเสียดายไม่อยากจะเอาไปทําบุ่นไลก่กาแต่ก็จนใจเพราะว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้วผัวก็พูดว่าเก็บไว้มันก็ดีแต่ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรวันหนึ่งมันก็เปื่อยขาดไปเองไม่มีประโยชน์ พิพาก็เลยตัดสินใจทั้งที่เสียและดแต่ก็เอาไปสวมให้หุ่นไล่กาทั้งชุดเลยเสื้อสีดําแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็หมวกสีดําด้วยเอาหุ่นไปปักกลางนาแล้วก็ยกมือไหว้นั่งยองๆจุดทูบ พ, พึมพําบอกว่าขอให้ผีสางเทวดาช่วยช่วยปกปักรักษาข้าวปลาอาหารในนาด้วยอย่าให้ดอกหนูมันกินหมดเหลื อ, อไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใส่บาตร ท, ทาบุญบ้างบอกไปด้วยว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงได้ถึงได้ขอพึ่งผี เป็นที่พึ่งสุดท้ายพอบอกเล่าแล้ววิพาก็หันหลังเดินกลับบ้านทิ้งหุ่นไล่กาไว้ที่ท้องนาระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมองตามมาก็เหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนที่น่าแปลกก็คือกลางวันนกไม่มากวนกลางคืนหนูก็ไม่มากินช่างแตกต่างจากปีก่อนๆเหมือนฟ้ากระดินเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทําให้วิพาต้องแปลกใจมากก็คือวิพาได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่า ผัวของวิพาเนี่ยช่างขยันสุดจริงๆริเ่ย ก, กลางค่ำกลางคืนก็มาไล่หนูไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหรือยังไงวิพาก็ถามผัวว่าเมื่อคืนไปไล่หนูเหรอเขางงมากก็บอกไปไล่อะไรที่ไหนนะอย่ามาว่าแดกดันกันดีกว่าก็นอนอยู่ด้วยกันน่ะแหละแต่ว่าวิพาก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาขี้เกียจอะไรอ่าคิดแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปไล่หนูเอ๊ะถ้าทําอย่างนั้นแล้วใครไปไล่ใครทํา พวกที่ออกไปหากบหาปลากลางคืนเขาเห็นกันว่าที่นาแปลงนั้นมีคนเฝ้าอยู่จริงๆร่างดําตะคุ่มตะคุ่มเดินวนไปเวียนมาอยู่บนท้องนาเนี่ยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นใครมันก็น่าแปลกที่ตรงนี้เมื่อวิพายืนยันว่าคนที่บ้านไม่ได้ไปทําอะไรที่นาแปลงนั้นก็ทําให้คนเริ่มพูดอยู่ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผีความเห็นส่วนใหญ่เนว่าจะเป็นผีซะมากกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าแกเห็นถนัดเลยเพราะว่าแอบซุ่มดูอยู่ ให้ที่ไล่หนูนะ่ะไม่ใช่ใครเป็นหุ่นไล่กานั่นแหละคนยิ่งตกใจกันใหญ่เจ้าของนาก็ตกใจลุงคนนั้นก็ยืนยันที่แกแน่ใจก็หุ่นนั้นมเดินเข้ามาใกล้กับที่แกส้มอยู่ท่าทางมันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นมันย่างสามขุมดํามืดตื้อเข้ามาหาแกกรัวจนคนลุกแกก็ต้องรีบแผ่นหนีแกบอกว่าจะเอาแกไปสาบาลที่ไหนก็ได้แกเห็นหุ่นมันเดินได้มันจะเวนไปทั่วผืนน้ำไล่หนูที่มากินข้าวเจ้าของนาก็คือ วิพาลูกสาวคนเล็กของตาอ่างไม่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่านึกได้ว่าทำไมหุ่นไล่กาถึงได้เดินได้น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าที่เธอเอาไปสวมใส่ให้หุ่นเป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งชุดเลยไม่ว่าเสื้อกางเกงรวัวหมวกหมวกผ้าใบนั้นข้าวแก่แล้ววิพาก็เก็บหุ่นไล่กาถอดเสื้อผ้าหมวกซักเก็บําไว้อย่างดี เกี่ยวข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวงแต่งน้ําหนักดีไม่เสียหายเลยก็ว่าได้แล้วนางก็เล่าว่าหุ่นไล่กานั้นะสวมเสื้อผ้าของพ่อขนเขาก็พานขนลูกเกลียวไปตามตามกันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังเคยไปเที่ยวศาลาแก้วกู่ที่จังหวัดน้องขายไหมครับ ดินแดนอันมหัศจรรย์ซึ่งหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตได้สร้างไว้ผมมีเรื่องราวของหลวงปู่บุญเหลือกับตำนานของการสร้างศาลาแก้วกู่อันมหัศจรรย์ น, นี้มาเล่าให้ท่านบุฟังได้รับฟังวันนี้ครับความเป็นมาแต่เดิมของหลวงปู่บุญเหลือท่านเป็นบุตรของพ่อคำมั่นและแม่ทองอยู่นามสกุลสุริรัต เป็นชาวคุ้มวัดศรสีสะเกตอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายมีพี่น้องเก้าคนตัวท่านเป็นลูกคนที่แปดหลังจากเกิดมารู้ความแล้วหลวงปู่บุญเหลือท่านบอกว่าท่านไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งใดเลยแม้แต่พี่น้องและจากพ่อการที่ท่านบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องมีเหตุคือจิตใจความนึกคิดมันผิดกับคนอื่นเขา ท่านเรียกความคิดจิตใจของท่านว่ามันมีหน้าที่สองนี่เกิดขึ้นมาในตัวท่านคือเห็นตรงข้ามกับชาวโลกเข้าไปหมดชีวิตท่านดื่มด่าในศีลธรรมกลัวบาปอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนแต่ทางธรรมทางพระไม่ต้องการเล่าเรียนทางโลกเอาเลยเวลาจะทําอะไรผิดอะไรที่เป็นบาปก็จะได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหนึ่งมาพูดกรอกหูห้ามแล้วก็ทักท้วงเอาไว้ เสียงนี้เกิดกับตัวท่านตั้งแต่ท่านอายุได้ห้าขวบทําให้ท่านมุ่งแสแบงหาสัจธรรมตลอดมาแต่ว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ยอมรับรู้หรือว่าเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเขาต้องการให้ท่านเรียนหนังสืออย่างเดียวเพื่อชื่อเสียงวงตระกูลตามอย่างชาวโลกทั่วไปถึงวัยจะต้องเข้ารับการศึกษาพ่อแม่ก็ส่งให้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดปักขาวซึ่งปัจจุบันเขาเรียกวัดศรีคุณเมืองอำเภอเมืองหนองคาย ท่านเล่าว่าจิตใจท่านตอนนั้นไม่ชอบเรียนทางโลกเลยเมื่อพ่อแม่ส่งเข้าเรียนก็ฝืนใจไปอย่างนั้นเองไม่ได้ตั้งใจเลยใจมันอยากจะเรียนแต่ทางพระเพื่อนๆก็เข้ากับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาสนุกกันแต่ทางโลกพูดกันไม่รู้เรื่องเอาเลยซึ่งความจริงท่านเป็นเด็กอายุห้าขวบไม่น่าจะคิดไปได้อย่างนั้นมันอาจจะเป็นบุพกรรมในอดีตอย่างเด็กคนหนึ่งที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เกิดมาอายุแค่ขวบครึ่งก็ชอบนั่งสมาธิไม่มีใครไปสั่งไปสอน วันหนึ่งตอนชั่วโมงพักกลางวันเด็กชายบุญเหลือไปแอบนั่งอยู่ตามลำพังจิตมันเกิดเห็นอะไรเป็นอนิจจังไปหมดก็ทิ้งโรงเรียนไปวัดไปหาท่านจเจ้าอาวาสวัดศรีสเกตไปอยู่กับพระอาจารย์รุ่นพระอาจารย์รุ่นนี่ท่านเป็นพระที่สุขุมเยือกเย็นมีเมตตาธรรมให้แก่เด็กชายบุญเหลือเป็นอย่างยิ่งท่านเข้าใจเป็นอย่างดีรักและเอ็นดู เด็กชายบุญเหลือเหมือนกับลูกก็ทำให้มีความสุขมากไปปฏิบัติท่านสองวันสองคืนพ่อแม่พี่น้องเห็นไม่กลับบ้านก็พากันมาตามแล้วก็รับตัวกลับบ้านลงโทษเคี่ยนตีอย่างเจ็บแค้นที่เด็กชายบุญเหลือไม่สนใจในการเรียนถึงก็หนีไปอยู่วัดเรียกว่าลูกไม่รักดีเช้าตรู่ของวันใหม่เด็กชายบุญเหลือตั้งใจจะไปฟังเทศจากพระอาจารย์รุนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมให้ไป เอาตัวไปส่งที่โรงเรียนแต่ว่าเด็กชายบุลเหลือก็หนีไปฟังโอวาทคำสอนของพระอาจารย์อีกจนได้คืนนั้นพี่น้องมาตามให้กลับบ้านเด็กชายบุญเหลือก็นั่งเฉยเสียไม่ยอมกลับพี่น้องก็ช่วยกันจับแขนกระชากเอามือตบหน้าอย่างแรงเอาเชือกมาผูกแขนดึงจนล้มควาดกลิ้งตกจากบันไดกุฏิเด็กชายบุญเหลือร้องตะโกนให้พระอาจารย์รุนช่วยแต่ว่าท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถูกพี่น้องโบยตีด้วยแส้หลายครั้งทั้งเตะทั้งถีบตามตัวมีแต่รอยแส้หวายจนเลือดไหลซึมทั้งตัวแล้วก็ลากขึ้นมานั่งต่อหน้าพ่อเด็กชายบุหลือก็กราบพ่อแม่ขอให้งดโทษแต่ก็ถูกท่านทั้งสองดุดาสารพัดพ่อถามว่ามึงจะไปโรงเรียนไหมไอ้ลูกจังไรท่านถามหลายครั้งเด็กชายบุหลือก็นิ่งไม่ตอบจนท่านเดือดแค้นจนตัวสัน่นใช้มือซ้ายขวาจับกับกระชากผม จนหน้าหงายหลังใช้มือขวาตบหูซ้ายหูขวาอย่างแรงกูถามทำไมมึงไม่ตอบมึงไม่ได้ยินระไอ้บุญเหลือเวลานั้นรู้สึกเจ็บปวดแก้วหูอย่างแรงแต่ก็ยังตอบท่านบอกว่าผมไม่อยากเรียนหนังสือครับผมอยากไปเรียนที่วัดคืก็ตอบไปอย่างนั้นท่านก็หาว่าเถียงไม่เชื่อฟังลุกขึ้นกระชากแล้วก็เตะเข้าซี่โครงด้านซ้ายอย่างแรงจนเด็กชายบุญเหลือ ก, กระเด็นตกจากเฉลียงบัน พ่อเน่เป็นคนโทษสะร้เวลาโกรธจะขาดสติลืมตัวไม่ได้คิดว่ารูปร่างเล็กๆลูกอายุแค่นี้จะทนไหวหรือเปล่าท่านก็วิ่งลงมาหาเด็กชายบุญเหลืออีกจับที่หน้าผากแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกไม่รักดีมึงจะฟังคำสั่งคำสอนกูไหมเด็กชายบุญเหลือเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแต่ยกมือทั้งสองพนมขอความเอ็นดูจากพ่อแล้วก็กล่าวอ้อนวอนแม่บอกลูกลูกขอกับพ่อกับแม่เถอะ อยาให้ผมไปโรงเรียนเลยผมอยากไปเรียนเขียนอ่านทางพระพอพ่อได้ยินที่พูดยกเท้ากระทืบตรงหน้าอกจงมีเลือดทะลักออกมาจากปากแม่ต้องเข้ามาขวางถลาเข้าไปกอดขาพ่อไว้แล้วก็บอกเอ็นดูลูกเธอพ่อเอ้ยมันยังเล็กค่อยๆสอนเอาแม้กระนั้นก็ยังโดนท่านตบซ้ายตบขวาเขาอีกแล้วท่านก็หันหลังเข้าไปในห้องนอน เด็กชายบุญเหลือเข้าไปกอดแม่ไว้เป็นที่พึ่งทั้งเจ็บทั้งปวดยอกขัดอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้กินข้าวด้วยนอนสลบหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเป็นเวลาค่นคืนแล้วเห็นแม่ร้องไห้อยู่ข้างๆมือก็ทายาไปตามบาดแผลที่ระบมไปทั้งตัวได้ยินแต่เสียงแม่หิวข้าวไม่ลูกฮะก็ได้แต่พยักหน้าท่านก็ไปหาข้าวมาป้อนให้กินแล้วก็หลับไปอีก เด็กชายบุญเหลือกินข้าวไม่ได้มันปวดขัดยอกที่หน้าอกแม่ต้องหยอดน้ำข้าวต้มให้แล้วก็ไปตามหมอมาเสกมาเป่าพ่นยาสมุนไพรโบราณให้เก็บอยู่ถึงสองเดือนถึงค่อยเป็นปกติขึ้นระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดมาพูดใส่หุยอดทนไวลูกอดทนไว้เมื่อหายเป็นปกติแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะให้เด็กชายบุญเหลือไปโรงเรียนอีกก็ไม่ยอมไป บอกไม่ได้ว่าทำไมถึงดื้อรั้นไม่ยอมไปโรงเรียนขณะนั้นมันฝืนความรู้สึกอย่างที่สุดวันหนึ่งพ่อไม่อยู่พี่น้องบังคับให้ไปโรงเรียนเมื่อไม่ยอมไปเขาก็ช่วยกันจับมัดไว้กเสาทุบตีบังคับจะบังคับให้ไปให้ได้แม่ก็ไม่รู้ไปไหนพี่น้องไปเอามดแดงมาโปรยใส่ถูกมดกัดเป็นผืนคันคันไปทั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอยังจับเอาไปขังในสุมไกเอาผ้าคลุมสุมไก มิดชิดเลยแล้วใช้กะลาม่าพร้าวใส่ทานไฟแดงๆเอาพริกแห้งมาเผารมควันมารมเด็กชายบุลเหลือซึ่งไม่มีทางดิ้นหนีเพราะว่าเขามัดมือมัดเท้าไว้แน่นหนาทำให้สำลักควันพริกแทบจะขาดใจตายไอจนเจ็บหน้าอกอาเจียนไม่หยุดดีที่แม่กลับมาทันแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้แม่ได้เห็นภัยจากการไม่ยอมไปโรงเรียนมาตลอดพยายามปลอบโยนให้ไปโรงเรียนให้เห็นแก่ตัวเองให้เห็นแก่แม่ที่จะต้องดูแลรักษา เด็กชายบุญเหลือถึงยอมไปท่านอาบน้ำแต่งตัวให้พาไปส่งโรงเรียนด้วยตัวเองเวลาเลิกก็จะไปคอยรับกลัวเด็กชายบุญเหลือจะหนีไปหาพระอาจารย์รุนอีกการที่ต้องไปโรงเรียนนี้เป็นเรื่องอึดอัดทรมานใจเด็กชายบุญเหลือมากมากยิ่งกว่าความเจ็บปวดที่ได้รับซะอีกอธิบายไม่ถูกว่าทำไมการต้องเรียนหนังสือจึงทรมานมากไมยนักทรมานเหลืออดเหลือทนจริงๆในใจได้แต่วิงวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระศาสนาขอให้ช่วยหลุดพ้นจากการเรียนหนังสืออย่างทางโลกเขาเรียนกันขอให้มีโอกาสได้บวรเรียนเขียนอ่านในทางธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะเหตุการณ์ผ่านพ้นมาสี่เดือนแม่ก็คงแต่งตัวพาไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับตอนเลิกเรียนอย่างเป็นประจําไม่เหนื่อยนายระหว่างเรียนไปครึ่งทางก็ได้ยินเสียงประหลาดมากระซิบที่ข้างหูเป็นเสียงที่จาได้ดี ตัวเป็นที่พึ่งของตัวนะลูกดิ้นรนเข้าสู่ทางพุทธธรรมดีกว่าอย่าไปมัวสุมในโลกีวิสัยอยู่เลยให้ลูกใช้ปัญญาออกไปศึกษาตามสำนักชีพราหมณ์สิลูกเด็กชายบุเหลือพยายามใช้สายตากวาดไปรอบๆเพื่อจะเห็นตัวเจ้าของเสียงก็ไม่ได้พบเห็นเสียงนั้นทําให้รู้สึกว่าเป็นเสียงบรรพบุรุษที่คุ้นเคยมาช่วยเตือนสติให้ทําในสิ่งที่ควรและไม่ควรทําให้ดีจใจจนบอกไม่ถูก แล้วเวลาเดียวกันก็ทำให้ระลึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนถึงการสร้างพระโพธิยนันวันนั้นเด็กชายบุญเหลือเดินพลางคิดพลางเราต้องไม่มัวเมากับโลกเขาอีกต่อไปคิดตอนเดินไปกับแม่จนถึงโรงเรียนแม่ก็หยิบผอข้าวยื่นให้แล้วก็กลับบ้านเมื่อเข้าไปนั่งอย่างโตเรียนก็ได้ยินเสียงประหลาดกระซิบอีกบอกว่า ให้ลูกใช้ปัญญาออกจากโลกีไปเรียนโมฆะธรรมสิลูกเด็กชายบุญเหลือใช้ปัญญาตามเสียงสั่งโดยขออนุญาตครูออกไปปัสสาวะพอครูอนุญาตก็ถือโอกาสเท่าที่มีหนีไปหาพระอาจารย์รุนที่วัดฝึกฝนธรรมะอย่างซาบซึ้งตรึงใจต่อมาประมาณหกโมงเย็นพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้ไปส่วนมณีเย็นทำบุญบ้านของญาติโยมที่วัดก็ยังเหลือแต่ เด็กชายบุญเหลือคนเดียวแล้วก็ฝึกทำสมาธิอยู่ที่กุฏิของท่านอาจารย์ประมาณสามทุ่มเศษขณะกําลังนั่งสมาธิอยู่ปรากฏมีมือมือหนึ่งมาจับที่ผมของเด็กชายบุญเหลือจนหน้าเชิดหงายหลังใช้มืออีกข้างตบลงที่ใบหน้าทั้งขวาซ้ายอย่างแรงพอลืมตาขึ้นรู้ว่าผู้ที่ตบก็คือพ่อนั่นเองกว่าตาดูก็เห็นพี่น้องยืนจ้องดูและดุดา ส่วนพ่อก็จับดึงไปทั้งเคี่ยนทัตีจนถึงบ้านเด็กชายบุเหลือยกมือไหว้พ่ออ้ อ, อนวอนพ่ออนุญาตให้ลูกไปบวชเรียนเถอะอย่าให้ลูกไปโรงเรียนเลยแต่พ่อไม่ฟังเสียงก็ยิ่งตีหนักขึ้นขณะที่พ่อเคี่ยนตีนะแม่ไม่อยู่แม่ไปเที่ยวตามหาที่อื่นเมื่อกลับมาเห็นพ่อกาลังเคี่ยนตีแล้ตบเ ก, กลิ่งไปมาด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลซึมออกมาตามรอยแผล แม่ก็เข้ามาขออย่าเคี่ยนมันเลยไว้เป็นหน้าที่ฉันเองเดี๋ยวฉันจัดการมันเองแม่ก็นำบุญเหลือไปอาบน้ำขณะที่แม่เอาน้ำรดตัวให้ถูกแผลมันเจ็บแสบเละเกินการลงโทษของพ่อแต่ละครั้งทำให้ไม่สบายไปหลายวันพ่อหายจากเจ็บป่วยแม่ก็ อ, อ่อน่อนให้บุญเหลือไปโรงเรียนอีก เสียงอ้อนวอนของแม่แต่ละครั้งทำให้ต้องฝืนใจเลอะเกินแต่ก็ได้แต่บอกกับแม่บอกว่าขอให้ผมไปบวชเถอะแม่ไปศึกษาศาสนากับอาจารย์รุนเถอะอย่าบังคับผมเลยผมไม่ชอบเรียนหนังสือชอบแต่เรื่องทางธรรมะอย่างเดียวแม่อนุญาตผมเถอะแม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้แม่ไม่ห้ามหรอกแต่พ่อของลูกนะเขาไม่ยอมลูกอย่าดื้อเลยนะ จงเป็นคนดีเชื่อฟังคําสั่งสอนน้องพ่อแม่นะลูกถ้าลูกไม่เชื่อยังดื้อรั้นอยู่พอลูกถูกตีทีไรในหัวใจแม่นะแทบจะหยุดเต้นสงสารแม่เถอนะนั่นลูกนะพัก ค, คุณของแม่นี่ใครจะทนได้ในความรักของแม่ที่ทะนุถนอมลูกเหมือนกับหัวใจต่อแต่นั้นแม่ก็พยายามไปส่งไปรับที่โรงเรียนทุกวันวันไหน แม่เห็นอาการเงียบเหงาก็จะไปนั่งเฝ้าที่โรงเรียนคอยให้ความอบอุ่นแก่บุญเหลือบุญเหลือเรียนต่อมาอีกหกเดือนวันหนึ่งครูประจําชั้นชื่อครูทองดีสอนเรื่องการทําครัวและวิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาใช้ในการทําอาหารบุญเหลือฟังแล้วทนอยู่ไม่ได้ก็ลุกขึ้นบอกว่าพอาจารย์ลุนสอนผมไม่ให้ทําปาณาติบาสฆ่าสัตว์จะเป็นกรรมติดตัวไปในอนาคตนะครู นั่นมันโรงเรียนนักธรรมในวัดเธอจะมาสอนครูเหรอคือการสอนของครูน่ะเป็นเรื่องธรรมดาเน่ยมันเป็นเรื่องทางโลกหยาบหยาบแม้แต่ศาตร์ตัวเล็กๆนะ่ะครูยังสอนให้เบียดเบียนข่มเหงเขาครูรู้หรือเปล่าที่ครูสอนผมเนี่ยมันเป็นฐานที่ตั้งของนรกครูโกรธมากอ๋อนี่เธอเธอจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสังฆราชเหรอมาพูดคำนี้สอนครูหรือเธอมีความรู้เธอจะมาโรงเรียนทําไม ล้วก็เรียกให้บุญเหลือเข้าไปใกล้ๆใช้มาปันทับตีที่ขาอย่างแรงห้าทีแล้วก็บังคับไปยืนขาเดียวที่หน้าชั้นแม่เนี่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดก็เข้ามาแล้วก็บอกลูกเอออย่าเถียงครูเลยอย่าไปเถียงครูสิไม่ดีก็ครูสอนไม่ถูกอะผมไม่อยากจะเรียนหรอกแม่อย่าดื้อเลยลูกนะอย่าดื้อลูก เวลานั้นครูก็บังคับไปบุญเหลือยื่นมือออกก็บอกให้นักเรียนในชั้นเรียงแถวเข้ามาใช้ไม้บรรทัดตีมือทีละคนทีละคนจนหมดทุกคนเป็นการประจานไม่ให้นักเรียนเอาเยี่ยงเอาอย่างบุญเหลอนกะคิดจะเถียงครูอีกแต่ว่าเวลานั้นมีเสียงกระซิบเสียงเดิมหยุดสิลูกเอ้ยอดทนอย่าไปเถียงเขาให้ลูกใช้ปัญญาหลบหนีไปบุกธรรมแนวทางของพระพุทธเจ้า แล้วก็ให้ลูกใช้วิริยะความเพียรและขันติเป็นที่ตั้งขอให้ลูกยึดมั่นขตินี้ไว้เป็นหลักประจำใจนักปรารถต้องไม่ท้อถอยจากความเพียรมีขันติเป็นที่ตั้งนะลูกเมื่อถูนักเรียนด้วยกันลงโทษตามคำสั่งครูประจำชั้นแล้วก็อนุญาตให้เอาเท้าลงแล้วก็นั่งได้บุญเหลือขออนุญาตครูไปถ่ายอุจระได้รับอนุญาตแล้วก็หนีจากโรงเรียนเดินข้ามทุ่งนาไปตามสะพานยาว เข้าไปทางวัดทุ่งสว่างแต่ก็ไปไม่พ้นเพราะว่าแม่กําลังวิ่งตามมาแล้วในที่สุดก็ต้องตามแม่กลับบ้านครั้นถึงวันใหม่พ่อไม่เด็ดไปทํางานเพราะว่าเป็นฝีที่สะโพกแม่ก็จัดการให้ไปโรงเรียนแต่ว่าบุญเหลือตั้งใจอย่างเด็ดขาดถึงจะตายก็ไม่ยอมไปโรงเรียนแม่พยายามปลอบใจด้วยวาจาที่อ่อนหวานเกลี้ยกล่อมให้ไปโรงเรียนก็ไม่ยอมไปอยู่นั่นเอง เวลานั้นพ่อกําลังจักตอกเหลาไม้ไผ่ทําฝือกดักปลาเห็นบุญเหลือดือ้อรั้นไม่ยอมไปก็เป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาอีกลุกขึ้นมาตบแล้วก็เขี่ยนไปตามตัวหน้าตาไม่เลือกจนบวมช้าไปหมดแม่เข้ามาห้ามก็ถูกพ่อตบหลายครั้งหาว่าเอาใจลูกจนเกินไปแล้วก็หันมาเตะบุญเหลือตกจากเรือนลงมานอนคว่ำอยู่ใต้ถุนบ้านร่างกายเปื้อนเลือดแล้วขุ่นคราวกันแล้วก็หมดสติไปชั่วขณะหนึ่งครั้นได้สติขึ้นมา เลียวหาแม่โดยความเป็นห่วงก็เห็นพ่อกําลังตบตีแม่อยู่จะเข้าไปขอร้องวิงวอนไม่ให้พ่อตีแม่ก็ทําไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าพี่ป้าน้าอาเอาบุญเหลือมัดเท้ามัดมืออย่างนั่นหนาพอพ้นจากแม่แล้วพ่อก็ลงมาตบบุญเหลืออีกแล้วก็สั่งพี่ๆช่วยกันเอาไม้คานหามแห่ไปที่โรงเรียนซึ่งพ่อก็ตามไปด้วยแม้ว่าจะเจ็บปวดทรมานยังไงจะถูกฆ่าถูกแกงยังไงบุญเหลือก็ไม่ยอมเข้าโรงเรียนเด็ดขาด เมื่อจนปัญญาเอาชนะความดื้อรั้นของบุญเหลือไม่ได้พ่อก็ลงโทษเคี่ยนตีต่อหน้าครูและนักเรียนอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อนที่พ่อจะทิ้งบุญเหลือไปท่านก็หันมาบอกต่อจากนี้ไปมึงไม่ต้องเรียกว่าพ่อมึงจะไปตายทางไหนก็ไปห้ามไม่ให้ไปเหยียบบ้านกูนะเมื่อพ่อและพี่ป้านาอากลับไปหมดแล้วบุญเหลือถูกทิ้งไว้ตามลําพังข้ามสนามโรงเรียนปวดระบมไปทั้งตัวจนกระดิกไม่ได้ ได้แต่นึกถึงบุญกรรมของตัวเองอย่างเดียวใดเป็นคนหมดที่พึ่งพิงซะแล้วอันที่จริงบุญเหลือตอนนั้นเป็นเด็กอายุเพียงหกเจ็ดขวบเท่านั้นไม่น่าจะมีความคิดดื่มดั่มในพระธรรมจนกลายเป็นความดื้อรั้นรุนแรงพี่ป้านะอาแม้กระทั่งพ่อก็ไม่น่าจะโหดเหี้ยมอำมหิตกับลูกที่อายุยังน้อยถึงเพียงนั้นมันแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตามปกติพ่อที่ไหนก็ไม่เหี้ยมโหดถึงกับทารุนลูกของตัวเองแบบนี้ได้ลงคอ แต่อย่างว่าแหะครับพ่อของบุญเหลือเป็นคนโมโหร้ายหลงโกโรธแล้วเป็นคนขาดสติลืมตัวมีบางตอนที่หลวงปู่บุญเหลือท่านเล่าไว้เมื่อได้สติเห็นลูกนอนแบบหยอดน้ํำข้าต้มอยู่ก็มาแสดงความสงสารเวทนาบอกว่าตัวทํารุนแรงไปแต่ยังไงก็ตามเมื่อถึงกรรมที่สืบเนื่องกันมาแต่อดีตและกรรมนั้นก็เหมือนสิ่งลี้ลับที่บงการมนุษย์ให้ดําเนินไปตามกรรมของตัวมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท่าน จะต้องประสบเกิดขึ้นได้เคยสร้างเวียนสร้างกรรมกันมาในอดีตชาติก็ต้องมาชดใช้กันให้สะสมแต่เมื่อใช้กันแล้วก็อาจจะมีผลดีมาชดเชยกันได้เด็กชายบุญเหลือนอนสมอยู่ริมสนามหญ้านานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะคำนวณได้เพราะว่าใจอยู่ในความเศร้าหมองเหมือนจะชีวิตอยู่ในความหวนก็พอดีอใหญเพ่งพี่สาวของพ่อแล้วก็ใหญดาน้องสาวพ่อ พากันวิ่งเข้ามาโอบอุ้มไว้ด้วยน้ำตาแล้วก็พาไปหาพระอาจารย์รุนเจ้ า, าวาดว ส, สีสเกตแล้วมอบหมายให้อยู่กับท่านตั้งแต่นั้นมาเวลานั้นแม้ว่าจะเจ็บปวดยังไงก็มีความปิติยินดีอย่างล้นเหลือที่จะได้เรียนทางธรรมจะไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกแล้วพระอาจารย์ก็เมตตาธนุถนอมเหมือนกับลูกให้พยายามรักษาจนเป็นปกติเหมือนกับตายแล้วเกิดอีกในโลกใหม่ บุญเหลือใช้เวลาขวนขวายศึกษาในทางธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างจริงจังแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่านโดยการปฏิบัติวัฏฐกอย่างเต็มใจท่านก็ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในทางพุทธธรรมปลูกฝังสติปัญญาให้กว้างขวางไพศาล ส, สอนให้ทําสมาธิแนะอุบายทำให้ทุกวันไม่ได้ขาดทําให้รู้ธรรมเห็นธรรมเท่าที่บุญบารมีจะทําให้บุญเหลือเป็นสิทธิ์ของท่านตลอดเวลาสี่ปีตอนนั้นมีอายุ สิขวบเท่านั้นเองระหว่างนั้นครอบครัวของพ่อแม่ก็ค่อนข้างฟืดเครืองอัตขัดขัดสนจนลงเพราะว่าต้องส่งเสียให้พี่เล่าเรียนศึกษาจนสําเร็จออกไปรับราชการแล้วก็ประกอบอาชีพแล้วต่างก็แยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเหลือพ่อแม่อยู่ด้วยกันเพียงสองคนซึ่งแก่ชาราไปตามตามกันเท่านั้นการทํามาหากินระหว่างไทยลาวขงสองฝั่งบ้านพี่เมืองน้องไม่มีอะไรกีดกันไปมาหาสู่กันได้สะดวก คนฝั่งนี้ข้ามไปทํากินฝั่งโน้นคนฝั่งโน้นข้ามมาทํากินฝั่งนี้ก็ไม่ว่ากันถือว่าโขงสองฝั่งเป็นดังฝั่งเดียวพ่อแม่ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ริมโขงปากห้วยหนองแปนใกล้ๆกับเมืองเชียงครวนเมืองท่าเดือแขวงเวียงจันทประเทศลาวดินแดนดังกล่าวที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามคุ้มวัดาธาตุของเมืองหนองคายไปซื้อที่ดินนั้นไว้เป็นเงินหกสตังค์สมัยนั้นแต่ก็ช่างมีค่าหรือเกินเพราะว่าเงินเป็นของหายาก ซื้อที่ได้สาสิบไร่เศษท่านใช้ที่ดินผืนนี้ประกอบอาชีพทําไร่ทําสวนเพื่อหาเงินทองส่งลูกที่ยังเรียนไม่จบแล้วก็เพิ่งจะเข้าทํางานใหม่ๆไม่พอใช้พอกินมีแต่บุญเหลือเท่านั้นที่ไม่ได้รบกวนท่านอยู่กับพระอาจารย์รุนไม่อดไม่อยากพ่อแม่ทําไร่ทํานาปลูกผลไม้ปลู ก, ล ก, ล ก, ลกพริกมะเขือแล้วก็ใบายาสูบเมื่อได้พืชผลอะไรก็นําพืชผลนั้นลงเรือข้ามฟากมาขายทางฝั่งไทย แล้วก็ซื้อข้าวปลาอาหารไปส่งลูกต่อมาวันหนึ่งบุญเหลือลาอาจารย์ข้ามไปเยี่ยมพ่อแม่ไปเห็นความลําบากของท่านก็สงสารบ้านอยู่อาศัยก็ปลูกเป็นกระต้อบเล็กๆเสาไม้ไผ่พื้นปูฟากไม้ไผ่สับเวลานั้นเป็นหน้าหนาวพักค้างคืนกับพ่อกับแม่ผ้าห่มกันหนาวของพ่อกับแม่ก็ไม่มีพ่อเอาสิน้นผืนหนึ่งมาหม่มบุญเหลือมีผ้าห่มติดไปด้วยผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มที่มีอยู่ผืนเดียว จะให้พ่อแม่ห่มก็ไม่พอตัวเองก็ไม่มีหม่มในที่สุดก็ตัดสินใจเอาไปห่มให้พ่อเอาผ้าสิ้นที่พ่อมาห่มให้แม่ส่วนตัวเองก็ลงไปสมไฟผิงอยู่ข้างนอกกระต๊อบตลอดคืนแล้วก็นอนข้างกองไฟนะั้นเมื่อไปเห็นพ่อแม่แล้วก็ทําให้เป็นห่วงอยู่กันตามลําพังสองคนไม่มีใครอยู่ปรนิบัติลูกๆ ก, ก็แยกแย้ายไปหมดอยากจะกลับไปลาอาจารย์มาปรนิบัติท่านก็เสียธรรมที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ท่านพระอาจารย์รุ่นกชาราลงมากแล้วท่านรักเหมือนลูกจะมีใครปลนิบัติท่านเมื่อยังคิดไม่ตกในเรื่องนี้ก็เลยกลับไปอยู่พระอาจารย์ตามเดิมประมาณสามเดือนต่อมาเป็นฤดูมะม่วงสุกในวัดมีมะม่วงผลดกก็ไปเก็บมาถวายพระอาจารย์จะเพราะอะไรก็เหลือทราบเพราะอาจารย์ฉันมะม่วงมากผิดปกติต่อมาก็ท้องร่วงเป็นอหิวาตะกโรคญาติโยมมาช่วยการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากเพราะว่าท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน มีลูกศิษย์มากมายหลายรุ่นแต่ยูคยาสมัยนั้นก็มีแต่ยากลางบ้านสมุนไพรไม่สามารถจะสู้กับโรคได้ในที่สุดท่านก็ถึงแก่การมรณาภาพลงยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับบุญเหลือเป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์ท่านเป็นที่พึ่งแห่งเดียวตอนที่พ่อไม่ให้เข้าบ้านตัดเป็นตัดตายท่านเลี้ยงดูบุญเหลือเหมือนกับลูกของท่านเองให้ที่อยู่ที่กินให้การเล่าเรียนในทางธรรมแล้วก็อบรม ฝึกฝนในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นการให้อันยิ่งใหญ่แม้จะรู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เป็นธรรมดาของสังขารแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่เหนือความเป็นธรรมดาก็ยังต้องปรินิพพานแต่บุญเหลือก็ยังอดหลั่งน้ําตากริ้งเกลือกอยู่กับศพของท่านไม่ได้เมื่อญาติโยมช่วยกันจัดพิธีปลงศพให้ท่านแล้วบุญเหลือก็หมดที่พึ่งในชีวิตและในทางธรรมอย่างแท้จริง ก็ตัดสินใจอำลากุฏิที่เคยนอนวัดที่เคยอยู่ข้ามฝั่งโขงไปอยูปอ่ปรนิบัติพ่อแม่ผู้ชราลงตอนนั้นบุญเหลือมีอายุได้เพียงสิบขวบเท่านั้นแต่ความคิดอ่านไปไกลมากผิดกับเด็กรุ่นเดียวกันที่ยังสนุกสนานกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตอนหกขวบก็ดิ้นรนจะไปเรียนทางธรรมไม่ยอมเรียนหนังสือที่โรงเรียน จนถูกเคี่ยนตีลงโทษอย่างหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ไปอยู่กับพระอาจารย์รุนสมความต้องการบุญเหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ทางธรรมอยู่แล้วเมื่อพระอาจารย์เอาไปเพาะปลูกรดน้าพรวนดินก็มีความเจริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขากว้างขวางใหญ่ขึ้นพอบุญเหลือกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ก็รับหน้าที่ทํางานแทนท่านหลายอย่างดูแลต้นผลไม้รดน้ำพรวนดินเก็บผักหักฟืน้น ทำอาหารให้ท่านรับประทานเวลานอนถ้าร้อนก็พัดวีให้จนกระทั่งท่านหลับไปพืชผลในสวนที่เก็บไปขายได้ก็จะจัดจานเก็บซะเองแล้วก็ขนเอาลงเรือมาขายทางฝั่งไทยส่วนหนึ่งก็จับจ่ายเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูกันอีกส่วนหนึ่งก็เก็บสะสมไว้ใช้ในคราวจำเป็นส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นบุญเหลือก็ไม่เคยทิ้งพ่อแม่หลับนอนแล้วก็จะถือโอกาสนั้นทาวัดสวดมนต์ทาสมาธิ บุหลือมีความสุขอิ่มเอิบอยู่กับสมาธิไม่เคยจืดจางท้อถ อ, ถอยถึงวันพระก็จะขอหยุดการงานไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดพ่อแม่ก็ตามใจไม่ขัดข้องเพราะว่าเห็นบุญเหลือทำงานตัวเป็นเกลียวทั้งวันท่านคงจะสำนึกได้ว่าในกระบวนลูก้วยกันมีบุเหลือเพียงคนเดียวที่คอยปฏิบัติ ด, ดูแลท่านในยามแก่เท่าแต่สิ่งที่บุหลือไม่ยอมทาเด็ดขาดก็คือปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อยู่มาประมาณปีเสร็จเงินทองที่สะสมไว้ก็พอที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนขนาดย่อมๆได้ก็ปรึกษากับพ่อแม่ว่าเราอยู่กระตอบไม่ค่อยคุ้มแดดกุ้มฝนกันลมหนาวไม่ได้เงินที่เก็บไว้นี้ควรจะนำมาซื้อไม้แล้วก็อื่นๆเอามาปลูกบ้านได้พ่อแม่ก็เห็นดีด้วยเขามอบเงินทั้งหมดให้พ่อเป็นผู้จัดการซื้ออุปกรณ์การปลูกบ้านจนครบอยู่แต่จะปลูกขึ้นมาเท่านั้น ประเพณีการปลูกบ้านในสมัยนั้นเมื่อมีของพร้อมแล้วก็บอกกล่าวขอแรงชาวบ้านให้มาช่วยกันแล้วเลี้ยงข้าวยาปลาปิ้งกันตามธรรมเนียมแล้วก็จะช่วยกันคนละไมา้คนละมือเพียงวันเดียวก็เสร็จหรือถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยก็สองวันแต่ว่าการปลูกบ้านครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องชดใช้กรรมให้พ่อแม่เมื่อเริ่มลงมือปลูกบ้านฝังเสาตอนเช้าวเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬกาก็จะลงมือทํากับข้าวอาหารเลี้ยงกลางวั น, น, น, น, น บ้างก็ตั้งหมอ้อบ้างก็ตั้งแกงปรุงอาหารกันงานนี้พ่อก็เตรียมปลาที่จับมาได้สิบเป็ดตัวล้วนแต่ตัวใหญ่ผูกเชือกล่ามไว้ในแม่น้ำโขงตรงสะพานยังเป็นเป็นอยู่บุญเหลือก็เกิดไปทางนั้นเห็นเข้ามีใจสงสารเวทนาปลาว่าจะต้องตายในครั้งนี้มันเป็นความสงสารเวทนาอย่างจับใจจนลืมทุกอย่างหมดคิดอย่างเดียวคือจะช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากความตาย มันไม่น่าจะต้องมาสังเวยชีวิตเพื่อความสุขของมนุษย์เพียงมือเดียวเวลาที่คนทำครัวเขาจะมาสังหารก็ใกล้เข้ามาในที่สุดบุญเหลือก็ตัดสินใจลงไปตัดเชือกปล่อยปลาให้แหวกว่ายหายไปในลำน้ำขุ่ในขณะที่ปล่อยปลานี้แม่ไม่เห็นเห็นการกระทำของบุญเหลือเป็นคนแรกแม้ว่าจะเข้าใจในเจตนาท่านก็ต้องลงโทษซึ่งแน่และจะต้องเบากว่าที่พ่อจะลงมือเองแม่ก็ใช้ไม้คาน ว่าไม่ขานตรงมาตีหลังตีไหล่ไม่นับทีเดียวท่านเรื่องรู้ถึงพ่อแทนที่ท่านจะคิดว่าแม่ตีแล้วก็แล้วกันไปท่านกลับเพ่นลงมาลงมือเองซ้ําเขาอีกทั้งเตะทั้งตบทั้งกระทืบด้วยโทรอันลืมตัวจนกระทั่งบุญเหลือกระเด็นตกลงไปในน้ําการลงโทษนี้รุนแรงจนไม่มีแรงดิน้นจะคาใจเสียได้จนชาวบ้านต้องมาช่วยไว้อาการหนักมากจนต้องนําส่งโรงพยาบาลเพราะไม่ใช่แต่มือเท้าที่กระหน่าลงมา ท่านยังใช้ไม้ตะพดด้วยจนหัวแตกเลือดไหลโกรกแล้วท่านก็ไม่ยอมหยุดเสด้วยอันที่จริงก็สาสมหรอกเพราะว่าปลาเขาเตรียมทำอาหารเลี้ยงคนมาช่วยปลูกบ้านกลับปล่อยไปเสียแล้วจะเอาอะไรทำอาหารเพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้สงสารแต่แม่ที่พลอยถูกตบตีด้วยฐานเลี้ยงลูกไม่เอาไหนซึ่งการปล่อยปลาครั้งนี้บุญเหลือก็รู้แก่ใจเป็นอย่างดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ หลังจากอธิษฐานถึงพระโพธิญาณในการปล่อยปลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองทำไม่เห็นว่าการจะสร้างบา ร, รมีเพื่อสัจธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจะต้องใช้ขันติอย่างอุกฤษถึงจะสำเร็จประโยชน์เกิดมรรคเกิดผลแก่ตัวได้พระพุทธเจ้าก็เคยทรงรเผชิญมารเพื่อสร้างบา ร, รมีมานับไม่ถ้วนชาติไม่ใช่ทำกันเล่นเล่นทำเป็นพิธีเห็นเขาทำก็ทำบ้างจะได้บรรลุถึงสวรรค์นิพพาน บุญเหลือสลบสลัยอยู่ที่โรงพยาบาลท่าเดือแขวงเวียงจันทร์เป็นเวลาถึงสองวันถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้แม่ที่เฝ้าไข่อยู่รู้ว่าลูกยังไม่ตายก็อุทานบอกลูกแม่ตรงเข้ามาประคองบุญเหลือก็บอกแม่ว่าแม่ครับแล้วก็เกิดความตื้นตันพูดไม่ออกก็ถามแม่บอกว่าผมอยู่ที่ไหนอะแม่อยู่ที่โรงพยาบาลลูกเสร็จแล้วก็โอบกอดเอาไว้ความรักของแม่นะ่ะเหมือนนาทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ฉโลมใจให้เกิดความอบอุ่น ทำให้ความเจ็บปวดบรรเทาลงได้แทบหมดสิน้นบุญเหลือนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่าเดืออีกหกวันหมออนุญาตให้กลับบ้านได้พ่อแม่พากลับมาถึงบ้านกกเข้าไปกราบขอขมาโทษพ่อพ่อพ่อเห็นอย่างนั้นน้ำตาของท่านก็ไหลซึมออกมาจนกระทั่งหยดสู่ใบหน้าร้องไห้สะอกสะอื่นเอามือทั้งสองโอบกอดลูกเอาไว้ลูกเอ้ยลูกยังเจ็บอยู่ตรงไหนอีกเนอะ หายดีแล้วเหรอที่พ่อตีลูกทำไมพ่อถึงใจร้ายแบบนี้ต่อไปลูกจะเป็นคนดื้อ น, นะลูกอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกเป็นคนดีของพ่อนะลูกนะวันที่พ่อตีลูกนะพ่อลืมตัวไปจริงๆความเป็นคนดีในสายตาความรู้สึกของพ่อกับความเป็นคนดีในทางธรรมทางโลกกับทางธรรมนะั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอเชื่อฟังพ่อแม่ทาตามพ่อแม่ต้องการไม่คานึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไร นั่นเป็นความดีแบบพ่อแต่ความดีอย่างทางธรรมนั้นพ่อไม่เข้าใจเลยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแท้ๆทีเดียวการทำความดีในทางธรรมบางทีมันก็เป็นผลร้ายในทางโลกวันหนึ่งหน้าฝนเป็นเดือนหกฝนตกชุกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำต่างๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างที่คนนิยมใช้เป็นอาหารก็ชุกชุมส่งเสียงร้องระงมด้วยความเบิกบานสําดานใจอยู่ในทุ่งนา ชาวบ้านก็ถือโอกาสถือข้องจุดตะเกียงไปจับกบเขียดอึงอ่างกันยังสนุกชื่นชมที่จะได้อาหารอันโอชะมากินพ่อของบุญเหลือก็เหมือนกับชาวบ้านชวนบุญเหลือถือข้องไปจับกบโดยที่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงได้พ่อเป็นคนจับแล้วก็ส่งให้บุญเหลือเอาใส่ข้องก่อนจะใส่ข้องพ่อก็บอกว่าให้หักขามันก่อนนะลูก จะทำยังไงอะตามันแป๋วไม่ได้ทำผิดร้ายอะไรก็จะถูกจับเอามากินบุญเหลือก็ทำไม่ลงเราเป็นคนถือศีลปฏิบัติทำจะทำได้ยังไงก็ถือโอกาสพ่อเผลอไม่ยอมหักขากบเขียดเลยกลับถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ช่วยกันยกข้องจะเทใส่โอค ง, งสำหรับขังส่วนบุญเหลือนะ่ะเข้าห้องนอนแล้วกบมันไม่ได้หักขาก็กระโดดจากข้องลงไปเต็มนอกชานบ้าน ท่านทั้งสองก็พากันไล่ตะครุบจนวุ่นวายจับได้บางหนีลงจากบ้านไปบ้างแล้วมันก็หนีไปได้จนหมดพ่อเห็นกบไม่ถูกหักขาก็รู้ว่าเป็นการกระทําของบุญเหลือก็เกิดโมโหขึ้นมาลืมตัวขึ้นมาอีกเรียกบุญเหลือออกมาจากห้องนอนเห็นตัวท่านสั่นไปหมดพอบุญเหลือออกมาท่านก็เอาไม้ฟาดตีหัวหล่หลายทีแล้วก็เตะกระเด็นตกจากนอกชาติอีกเจ็บที่โครงทั้งจุกเสียดนั่นในอกพยายามพยุงกายลุกขึ้นขอชีวิต ท่านลงมาทั้งเตะทั้งถีบเอาอีกกระทืบลงไปกลางหลังถึงก็อาเจียนเป็นเลือดออกมาทันทีแม่เห็นก็กระโดดก็มากอดขาพ่อบอกหยุดทำโทษเธออย่าฆ่าลูกถึงตายเลยแค่นี้ก็สมควรแล้วพ่อก็หยุดหันไปตบแม่อีกสองสมทีตะโกนบอกว่ามึงสั่งสอนลูกมึงไม่แหมเลวอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็หันหลังกลับเข้าห้องไป ใช้กรรมพ่อคราวนี้ได้รับทุกขเวทนาสาหัสคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วบอกกับแม่บอกว่าผมหายใจไม่ออกกับแม่ผมอาจจะไม่รอดชีวิตในคราวนี้แม่ก็กระเสือกกระสนไปเรียกชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยรักษาให้อยู่ให้ยาทั้งยาเทศยาไทยสมุนไพรพร้อมนอนป่วยอยู่สองเดือนถึงค่อยหายเป็นปกติอยู่มาอีกหลายเดือนพ่อกับแม่ก็ขอร้องให้ไปช่วยหาปลาเพราะาการหาปลาเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ทั้งที่ท่านรู้ว่าบุญเหลือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิอยู่เป็นประจำความดีของพ่อนั่นมันมักจะไม่ดีตามทางที่บุญเหลือยึดถืออย่างนี้เสมอเป็นเวรเป็นกรรมที่เกิดมาชดใช้หนี้กันเสียจริงๆก็ได้จะยกมือกราบไหว้ต่อพ่อแม่ว่าขออย่าให้ลูกทำบาปเลยซึ่งแน่นอนก็ย่อมจะไม่ศพอารมณ์พ่อแต่ว่าคราวนี้ยังไม่ถึงกัลงมือลงไม้ เพราะว่าการงานทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็ทำได้ทุกอย่างอย่างเต็มที่ทุกอย่างจนสามารถปลูกบ้านได้แล้วขณะที่บุญเหลือกลับมาอยู่กับท่านพืชผลในไร่สวนก็เจริญงอกงามดีผลดอกออกผลสมบูรณ์ฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเงินทองไม่ขาดมือไม่จำเป็นจะต้องไปทำอาชีพหาปลาฆ่าชีวิตคนอื่นแต่พ่อเนี่ยไม่ได้นึกถึงเอาเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทวัดเช้า จำได้ว่าเป็นวันเพ็ญเดือนอะไรจำไม่ได้บุญเหลือก็ได้ยินเสียงผู้เฒ่าอีกมากระซิบว่าให้ออกจากการคลุกคลีในกามออกเดินทางไปอาศมแก้วกู่โดยเร็วเสียงคนแก่ที่เคยได้ยินนี้เป็นเสียงที่มีอำนาจเด็ดขาดเป็นประกาศสิทธิที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้บุญเหลือก็มีความห่วงใ ย, ยพ่อแม่ที่แก่เท่าลงทุกวันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ภาคเพียปรปฏิบัติพ่อแม่ทั้งสองให้มีความสุข เวลากินก็ตเตรียมอาหารการกินไว้พร้อมเวลาจะนอนก็พัดวีให้จนหลับต่อไปลูกคนไหนและ้จะมาช่วยดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยนับแต่ได้รับคำสั่งจากเสียงให้ครุ่นคิดแต่ทางสองแง่ทางหนึ่งคือทางกิเลสอีกทางหนึ่งคือโมฆะธรรมดับทุกข์อิทธิพลบุญคุณของพ่อเนี่ยสูงส่งและล้ำค่ายิ่งกว่าอะไรแล้วลูกจะทำยังไง ถึงจะไม่มีราขีส่วนทั้งโมฆะธรรมก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจไว้ไม่ครอนแคลนเพื่อหวังบา ร, รมีธรรมที่จะทําให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ไปก็จะเสียงานอันยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ได้คิดว่าขณะนี้พ่อแม่ก็ไม่ลําบากอะไรยังพอมีเรียวแรงประคองตัวได้ถ้าไปแล้วสร้างบา ร, รมีธรรมให้สําเร็จก็ยังมีเวลาพอกลับมาแสดงความกตัญญูปรนนิบัติตอบแทนท่านได้ ก็ตัดสินใจไปติดตามหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ณอาสมแก้วกูในคืนวันหนึ่งคืนวันนั้นได้เตรียมทูบเทียนแล้วก็เก็บดอกไม้รอพ่อแม่เข้านอนแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไว้ตรงปลายเท้าก้มกราบขอขมาลาโทษที่ต้องทอดทิ้งพ่อแม่ไปเอาศรีรษะเกลือกลิ้งเบาๆกับเท้าของท่านแล้วก็ตัดสินใจลงเรือนจากมาไปลงเรือเล็กที่ท่าน้าคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ ออกเดินทางแสวงหาอาสมแก้วกูตามเสียงสั่งอันมีอำนาจซึ่งตอนนั้นบุญเหลือมีอายุเพียงสิบสองปีเท่านั้นก่อนจะก้าวลงเรือก็ก้มกราบแม่พระธรณีที่บันไดขอให้ช่วยรักษาชีวิตพ่อแม่ในตอนที่ลูกหนีไปค้นหาอาสมแก้วกูเมื่อพบแล้วสมประสงค์ก็จะรีบกลับมาปฏิบัติอีกครั้งจากนั้นก็ไปหยิบพายเลยไปเก็บดอกไม้มานึงเพื่อไหว้แม่พระคงคา ขอฝากพ่อแม่เอาไว้เช่นเดียวกันเวลานั้นน้ำกาลังเชี่ยวกรากพายเรือทวนน้ำขึ้นไปคนเดียวไปจนถึงพระธาตุเจดีกลางนา้ำหรือว่าเจดีวัดธาตุเมืองหนองคายในปัจจุบันบุเหลือก็ก้มกราบอธิษฐานขอพรจากเจดีธาตุขอเดชบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะหนีจากพ่อแม่ออกไปค้นหาอาสมแก้วกูเพื่อสแสวงหาสัจธรรม ขอให้ข้าเดินทางไปถึงอสมด้วยความคลาดแคล้วปลอดภัยอันตรายดใดๆอย่าให้มีแก่ข้าพเจ้าเลยข้าหนีจากพ่อแม่ไปขอเดชะอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องพระทาตจงช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองพ่อแม่ของข้าให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุยืนยาวขอให้ข้ามีโอกาสกลับมาอุปถรัรมภ์บำรุงพ่อแม่อีกครั้งก่อนจะถึงซึ่งชีวิตเถอะไหว้ขอพรต่อพระเจดีทาตแล้วก็พายเรือเข้าฝั่งท่าพระทาต แล้วก็ขึ้นฝั่งมองไปทางคุ้งน้ําอันเป็นที่อยู่ของพ่อแม่มองเห็นสวนท่ามกลางแสงจันทร์วันเพ็ญตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามบริเวณพระเดีย์ดูงเงียบเหงาวังเวงเล็กเกินบุเหลือคุกข่าวหันหน้าไปทางบ้านพ่อแม่กราบลาท่านอีกครั้งก็ขึ้นจากตลิ่งทิ้งเรือไว้ข้างหลังแล้วก็อาศัยหลับนอนอยู่ในบริเวณพัชเดีด้วยความเหนื่อยอ่อนหลับไปแล้วก็นิมิตเห็นพ่อแม่กําลังหลับแล้วก็กลับกลายเป็นคนแก่ถือไม้เท้า ยืนหันหน้ามาหาบุญเหลือแล้วก็บอกว่าเอ้ยรีบเดินทางไปเร็วเถอะลูกเอ้ยไม่อย่างนั้นประโยชน์ของเจ้าจะล่าช้าไปอาจจะไม่ทันกลับมาสนองประคุณพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าขอให้ลูกตัดอะไรไว้ก่อนเถอะอย่าเนิ่นช้าในการเดินทางแล้วภาพนิมิตก็หายไปบุญเหลือเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รอนแรมเดินทางอยู่หลายวัน จึงไปถึงถ้ำเขาเรียกถ้ำหอหนางของเจ้าแม่โอูษาซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านติว้วเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อเดินทางมาถึงถิ่นนี้ก็กราบไหว้วนถึงเทพ ร, รักเจ้าป่าเจ้าเขาและเจ้าแม่โอูษาขอจงปกปักรักษาช่วยนำข่าวของข้าพเจ้าไปส่งถึงพ่อแม่และรักษาพ่อแม่ให้มีความสุขด้วยขออาศัยหลับนอนในพรยนี้ด้วยต่อจากนั้นก็นั่งสงบจิตทำสมาธิอยู่ปรากฏเห็นเจ้าแม่โอูษาในนิมิต มาถามว่าทำไมเจ้าถึงได้หลงทางมาทางนี้ที่นี่ยังไม่ใช่อสมแก้วกูที่เจ้าต้องการส่ะหานะให้อคันตุ ก, กะจงเดินไปตามทิศทางที่ข้าชี้ไปนี้แหละแล้วเจ้าจะสมหวังทุกอย่างแล้วเจ้าแม่โอสาก็เลือนหายไปจากนิมิตรุ่งขึ้นก็เดินทางไปตามทิศที่เจ้าแม่บอกรอนแรมตัดดงลัดป่าดั้นด้นไปตามสันเขาภูพานประมาณสิบสองวัน ก็ถึงเขาสวนกวางซึ่งเป็นกิ่งอำเภอสวนกวางในปัจจุบันแต่ว่าเดิมขึ้นเขตอำเภอ้ำพองจังหวัดขอนกนันบรรยากาศในแถบนั้นบริสุทธ์สดใสโล่งเตียนประกอบด้วยทิวเขาหน้าอยู่หน้าอาศัยก็ที่สวนกวางนี่แหละเคยเป็นที่จำศีลภาวนาของพระอริยกุณาทานหรือ ว, ว่าภายหลังเรียกว่าพระฤาษีสันตจิตที่เราชาวไทยชื่นชมในธรรมะของท่าน เวลานั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกรถยนต์ยวดยานพาหนะไม่มีถนนหนทางคมนาคมยังเป็นทางเควียนท่ามกลางป่าดงหนาทึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดเสือหมีช้างงูปรากฏว่าบุญเหลือใช้ชีวิตบำเพ็ญสมาธิประมาณเดือนกว่าเพราะเป็นบริเวณสถานที่เป็นสปายะผลไม้รากไม้พออาศัยประทังชีวิตไปได้แต่ละวันวันหนึ่งก็เดินทางจากที่พักอาศัยเพื่อหาผลไม้ในป่าในดงกิน ได้ผลไม้แล้วก็กินไปเดินไปกลางป่าจนหลงหลงทางในป่าไม่ทราบว่าทางกลับที่พักไปทางไหนก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วไปพบภูเขาสูงชันแห่งหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ตรงบริเวณหน้าหุบผามีหินย้อยงดงามมีเถวาวัลย์พันเกี่ยวปกคลุมอยู่มีเสียงสัตว์เช่นลิงข้างบางชะนีร้องหวยหวน์ควนครางพอพิจารณาไปรอบๆเขาทางด้านซ้ายมือมีหินเรียงกันเป็นแผงแผงเข้าไปเป็นชั้นชั้น พอเดินลึกเข้าไปก็รู้ว่าเป็นถ้ำมีลักษณะอัศจรรย์มากภายหลังได้ถามชาวบ้านสวนควางดูเขาบอกว่าสวนควางแห่งนี้ไม่เคยมีถ้ำเว้นแต่จะหลงทางโดยบังเอิญจึงจะพบถ้ำได้รอบๆถ้ำที่ว่าเนี่ยสงัดวังเวงภายในถ้ำอากาศก็เย็นสบายไ ม, ไม่มีเสียงจิ้งหรีเรไรร้องเสียงสิงสาราสัตว์อะไรก็ไม่มีก็เดินขึ้นไปเรื่อยเหยียบชั้นหินที่สูงขึ้นไปเหมือนบันไดจนกระทั่งถึงชั้นซอกหินอีกแข่งหนึ่ง รอบบริเวณสถานที่นั้นราบเรียบกว้างสะอาดสะอานเหมือนกับมีคนรักษาทําความสะอาดไว้อยู่เป็นประจำพื้นถ้ำคล้ายๆทํำด้วยหินอ่อนฝาผนังถ้ำมีโขดหินย้อยแวววาวมีประกายเหมือนเพชรเมื่อเดินลึกเข้าไปก็พบสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งตั้งระ ง, งานอยู่ในถ้ำนั่นก็คือม้าหินตัวใหญ่สีขาวเปือกตรงขาม้าทั้งสี่มีเท้าจตุมหาราชยกเท้ามาข้างละองค์เหมือนกับม้านั้นทะยานเหาะกลางอากาศ บนหลังม้าหินอ่อนนั้นมีพระสิท ธ, ธะประทับอยู่บนหลังส่วนทางหางก็มีรูปนายชนะจับหางม้าลอยตามไปด้วยเป็นภาพที่เหมือนฝันไปใครหนอมาสร้างสมบัติเทวไลไว้ในสถานเรนลาแพ่งนี้ช่างสวยงามเหลือเกินบุญเหลือก็นั่งคุกข่าวก้มกราบนมัสการด้วยความนอบน้อมเวลานั้นบังเอิญ น, นึกออกว่าเคยมีชาวบ้านเล่าให้ฟังเขาเรียกถ้ำแผลงมา้า น่าจะเป็นถ้ำแห่งนี้แน่ก็นั่งอยู่ในถ้ำนี้เป็นเวลานา น, านพอสมควรวันหนึ่งกำลังทำสมาธิสงบอยู่ในถ้ำปรากฏว่ามีข้างขาวบินออกบินเข้าอยู่ตามซอกหินและไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรวันนี้ถึงได้มีั้างขาวมากผิดปกติเป็นพันเป็นหมื่นบินเข้ามาแล้วก็บินไปรอบรอบตัวของบุญเหลือซึ่งกาลังทาสมาธิ จนไม่มีที่ที่เขาจะอยู่ได้แล้วก็มีข้างข่าวยักษ์หลายตัวบินเข้ามาเหมือนกับมีการนัดแนะประชุมอะไรกันสักอย่างต่างตัวต่างหาที่เกาะห้อยหัวลงมาจนดูมืดไปหมดส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าอึกกระทึกทุกตัวทําให้ถ้าทั้งถ้ำกึกก้องไปหมดแล้วอยู่ๆก็หยุดร้องโดยพร้อมกันเงียบสงัดคล้ายกับไม่มีอะไรอยู่ในถ้ำครับมันเกิดอะไรขึ้นกับหลวงปู่บุญเหลือเวลานั้น เมื่อวานนี้เล่ามาถึงตอนที่หลวงปู่บุญเหลือเวลานั้นอายุแค่สิบสองปีได้ยินเสียงประหลาดที่บอกให้ไปหาอาสมแก้วกูก็เดินทางหนีพ่อแม่ออกจากบ้านเข้าป่าแล้วขึ้นไปบนภูเขาเสร็จแล้ววันหนึ่งกำลังทำสมาธิสงบอยู่ในถ้ำมีข้างคาวบินออกบินเข้าอยู่ตามซอกหินไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุ อะไรวันนี้ถึงได้มีข่ า, ขาวมากผิดปกติเป็นพันเป็นหมื่นบินเข้ามาแล้วก็บินไปรอบรอบตัวเด็กชายบุญเหลือซึ่งกําลังทําสมาธิจนแทบจะไม่มีที่จะอยู่เสร็จแล้วก็มีข่ า, ขาวยักษ์หลายตัวบินเข้ามาเหมือนกับมีการนัดแนะประชุมกันต่างตัวต่างหาที่เกาะห้อยหัวลงมาดูมืดไปหมดทั้งถ้าส่งเสียงเจียวจ้าวอึกกระทึกทุกตัวถ้านี้เกิดกล้องไปหมด แล้วอยู่ๆก็หยุดร้องโดยพร้อมกันเงียบสงัดคล้ายๆไม่มีอะไรอยู่ในถ้ำเวลานั้นบุญเหลือก็กำหนดจิตให้สมาธิตั้งมั่นแล้วเวลานั้นก็พลันรู้ภาษาของค้างข่าวพูดกันฟังรู้เรื่องเหมือนภาษาคนก็เป็นที่ประหลาดใจเหลือเกินมีค้างขาวยักษ์ตัวหนึ่งพูดขึ้นบอกว่าฤาษีตนนี้เข้ามาในถ้ำนี้ความจริงถ้ำนี้มีจานวน หลายร้อยหลายพันแล้วที่มีฤาษีเข้ามานั่งบําเพ็ญไม่เคยมีฤาษีตนไหนที่มีบารมีธรรมแบบนี้เลยนับตั้งแต่นัดที่ท่านมาอยู่ในถ้ำแผลงมานี่ท่านไม่เคยทําให้พวกเราเดือดร้อนแล้วก็ไม่เคยทำร้ายพวกเราสักตัวแล้วท่านก็ไม่อยากได้สมบัติมหาศาลที่มีอยู่ในถ้านี้ด้วยนี่แหละคือองค์โพธิญาณที่แท้จริงเสร็จแล้วก็มีข้างค่าวอีกตัวหนึ่งพูดขึ้นบอกว่า เทพเทวดาในถ้ำนี้ก็มานมัส ก, การท่านหมดแต่ทําไมนาะเวลาเนี้ยมีเด็กที่มีบุญญาธิการมาเกิดเราจะพูดยังไงกับฤาษีตนนี้ที่จะบอกให้รู้ว่าเด็กคนที่ว่าเนี่ยมีบุญเนี่ยยังมีชีวิตอยู่กับพ่อแม่ปัจจุบันแต่เขาจะอยู่ได้เจ็ดเดือนเด็กคนนี้ก็จะตายถ้าไม่มีใครไปช่วยมาพอข้างข่าวพูดจบลง ทุกตัวก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าหากว่ากรรมของเด็กคนเนี้เกาะเกี่ยวกับฤาษีตนนี้วานให้ฤาษีตนนี้ตามไปโปรดไปช่วยเด็กคนนั้นได้ไหมล่ะข้งข่าวก็ประชุมสนทนากันอยู่จนค่าก็ทยอยออกไปหากินคนละทิศคนละทางพอคังข่าวไปหมดแล้วบุญเหลือก็ถอนออกจากสมาธิ พิจารณาเห็นว่าแม้จะสัตว์ก็ยังมีความสามารถรู้ในอภิญญารู้ว่าใครเป็นบัณดิตรู้ว่าใครเป็นคนพันแต่มนุษย์แท้ๆกลับไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วจากนั้นก็คุ่นคิดหาวิธีเรื่องที่ข้งข่าวนะพูดเหมือนกันในเชิงขอร้องว่าให้ไปช่วยเด็กคนหนึ่งก็นึกรู้ขึ้นมาในใจว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านยางไหวเด็กผู้มีบุญอยู่ทางนั้น แล้วก็สิ่งที่ทำให้กระตือรือร้อนก็คือที่ข้างข่าวพูดบอกว่าถ้าให้อยู่กับพ่อแม่ปัจจุบันอีกจะเดือนเด็กคนนี้ก็จะต้องตายก็นึกถึงตัวเองว่าความจริงไม่ใช่หน้าที่อะไรเรามาเนี่ยเพื่อจะเร่งรีบไปค้นหาอาสมแก้วกูไม่ได้ไปตามหาเด็กมีบุญแต่ว่ากลัวเขาจะหมดบุญ เ, เด็กคนนี้ มีความสัมพันธ์อะไรกับเราเราคิดแล้วชีวิตต่อไปของเราคงจะเป็นเหมือนความฝันที่เป็นความจริงอย่างไม่น่าเชื่อนี่ขนาดั้างข่าวพูดกันแล้วเรายังฟังรู้เรื่องมันเป็นไปแล้วก็ตัดสินใจจะไปช่วยเด็กมีบุญคนที่ว่าเนี่ยพอคิดจะไปช่วยเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีกับตัวเด็กชายบุญเหลือร่างกายของเด็กวัยสิบสองปีกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นเพศคนแก่ จากนั้นก็ออกเดินทางจากถ้ำแผลงมามุ่งไปสู่บ้านยางไหวายอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิเดินทางอยู่เจ็ดดวันถึงได้ไปถึงหมู่บ้านที่ว่านั้นแล้วก็เข้าไปนั่งพักอยู่ที่ต้นสะแบงใหญ่ใกล้ๆกับทุ่งนาเขาเรียกนาปักกิบอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านยางไหวตอนนั้นร่างที่เปลี่ยนจากเด็กอายุสิบ12ขวบมาเป็นคนแก่อย่างประหลาด นั่งอยู่ที่ต้นสแบงก็มีชาวบ้านเห็นเข้าก็าแวะมาคุยด้วยหลายคนเสร็จแล้วบุญเหลือก็ใช้อุบายเรียบเคียงเออเด็กที่ยังเกิดมายังไม่ทันครบเดือนนมีลูกใครบางเนี่ยบังเอิญมีผู้ชายคนนึงชื่อในสอนก็บอกว่ามีเด็กเกิดใหม่นะเป็นหลานของตัวเองแล้วก็คุยให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กคนนี้คลอดออกมาปรากฏว่ามีฟ้าผ่าทั้งที่ฝนก็ไม่มีตกลมก็ไม่มี เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าฟ้าแรงเสร็จแล้วบุญเหลือก็ถามชื่อพ่อแม่แล้วก็ความเป็นมาในสอนก็เล่าให้ฟังหมดว่าพ่อของเด็กในชื่อในลบเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางบ้านนั่นแหละภรรยาชื่อนางพึ่งนะเสร็จแล้วก็ชวนกันไปนะเพราะว่าเล่าให้เขาฟังว่าเด็กคนนี้มีบุญแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าะจะมาทาอะไร ขั้นไปถึงในลบซึ่งเป็นพ่อเด็กเนี่ยไม่อยู่บ้านอยู่แต่นางพึ่งกับลูกน้อยอายุไม่ครบเดือนจริงๆแม่เด็กก็วางลูกไว้บนเบาะจัดอาสนะให้กับบุญเหลือนั่งพูดเรื่องของเด็กหลายเรื่อง เ, อเสร็จแล้วบุญเหลือในร่างของชายชาราก็ถามนางพึ่งบอกว่าเอาเด็กคนนี้น่ารักนะขอได้ไหมประเพณีเขาถือกันมาเมื่อผู้ทรงศีลมาขอลูก ก็คือขอเป็นลูกบุญธรรมนับเป็นสุริมงคล น, นางก็ดีใจก็บอกได้เจ้าค่ะเสร็จแล้วนายสอนที่มาด้วยก็เลยพูดบอกว่าเออมอบให้เป็นลูกท่านเลยการมอบลูกนี้จะต้องมีการเอาได้ฝ่ายมาผูกข้อมือนางพึ่งก็เข้าไปในห้องเพื่อหาได้แต่ก็หาไม่ได้นายสอนก็เลยพูดกับ น, น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปดูที่บ้านกูที่บ้านกูมีกูจะไปเอามาให้แล้วก็หลงเรือนไป บุญเหลือก็เห็นที่ผนังบ้านมีด้ายอยู่เส้นหนึ่งก็เอื้อมมือไปดึงออกมาพอใช้ผูกข้อมือได้อ่าเสร็จแล้วแม่เด็กก็บอกว่าผูกเอาเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่เลยนะพอผูกเสร็จก็อุ้มลูกมาส่งให้เป่าหัวอีกอาเป็นลูกของหลวงปู่ซะบุญเหลือก็อุ้มเด็กมีบุญอ่าตามที่ข้างข่าวบอกเอาไว้ พอได้โอกาสก็ลุกขึ้นลงเรือนพาเด็กหนีไปทันทีตอนที่ลงเรือนหนีมานั้นร่างกายมันเหมือนกับจะกลายเป็นคนหนุ่มอ า, อายุประมาณกลางคนเพราะว่ามีเรี่ยวแรงมีกำลังมากวิ่งออกมาจากหมู่บ้านอ ย, ย่างไหวเลี้ยวไปดูข้างหลังเห็นคนวิ่งตามมาเป็นแถวไปหมดโหร้องกันอึงคันึงประกาศให้รู้กันทั่วมีคนแปลกหน้ามาลักพาลูกนางพึ่งวิ่งหนีไปช่วยกันจับไปได้เร็ว ครับหลวงปู่บุญเหลือกําลังลักขโมยเด็กลักขโมยไปไหนเอาไปทําอะไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องของการลักขโมยเด็กเนี่ยหลวงปู่บุญเหลือท่านเล่าให้ฟังที่หลังบอกว่าครั้งแรกท่านคิดว่าเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นในนิมิตของท่านเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เพราะว่าหลังจากนั้นมาหลายปีท่านสอบถามดู ปรากฏว่ามีคนบอกว่ามีคนแ ก, แก่คนหนึ่งมาลักลูกของนางพึ่งเนี่ยวิ่งหนีไปนานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนเวลานั้นหลวงปู่บุญเหลือพาเด็กลุยน้ําข้ามน้ําไปอย่างรวดเร็วผ่านบ้านท่าสางตัดข้ามแม่น้ําชีเข้าหมู่บ้านนางแนวเข้าบ้านโนนรังจนกระทั่งหนองอีตู่ อุ้มเด็กหนีมาไม่รู้จักเน็ดจากเหนื่อยวิ่งไปถึงสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พาเด็กแอบขึ้นรถไฟตู้สําหรับบรรทุกวัวมีวัวอยู่ในนั้นด้วยเป็นวัวแม่ลูกอ่อนพอรถไฟออกปรากฏว่าเด็กเกิดร้องไห้ขึ้นมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็คิดว่าเด็กคงจะหิวนมเพราะว่าอุ้มวิ่งมานานพอดีเหลือไปเห็นแม่วัวกับลูกของมันก็คิดว่ามันจะต้องมีนมแบ่งให้เด็กกินได้เพราะว่ามันก็กําลังให้ลูกนมกินกินนมอยู่ ก็อุ้มเด็กเข้าไปแล้วก็ไปบอกกับแม่โคบอกว่า เ, ออเด็กที่ข้าอุ้มอยู่เนี่ยคงจะหิวนมมากร้องไห้ขอขอเมตตาขอนมให้เด็กกินด้วยเถอนะแม่โคนะคล้ายๆกับแม่โคมีการรู้ภาษาคนก็ยืนทางขาให้เต้านมต่ำลงมาคล้ายๆจะบอกว่าให้เด็กมากินนมเธอก็เลยอุ้มเด็กเข้าไปดื่มนมแม่โคจนอิ่ม รถไฟเคลื่อนจากสถานีบัวใหญ่วิ่งผ่านมาหลายสิบสถานีจนถึงสถานีเขาสวนขวางก็อุ้มเด็กลงจากรถไฟเดินไปที่พักห่างสถานีประมาณสักกิโลเมตรเสศษเวลาที่อุ้มเด็กมานั้นได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาข้างหลังเลี้ยวกลับไปดูปรากฏว่าโคแม่แล้วก็ลูกของมั น, นเดินตามมาข้างหลังก็เลยบอกกับแม่ครูบอกว่าเออแม่ครูท่านอาจจะเป็นแม่เลี้ยงของเด็กคนนี้หากว่าจริงตามที่ อ, อ ถ้าเข้าใจนะแม่โคเดินตามเข้ามาเถอะเวลานั้นแม่โคก็เข้ามาเอาหน้าดันก้นของหลวงปู่ให้เดินต่อไปคล้ายกับจะเร่งให้รีบๆไปก็ออกเดินต่ออย่างรวดเร็วเวลาวิ่งแม่โคก็วิ่งตามในที่สุดก็มาถึงถ้ำแผลงมาเดินเข้าไปข้างในถ้ำเอาเด็กวางไว้แม่โคก็เข้าไปเอาลิ้นเลียที่เด็กแล้วก็ทางขาย่อนเต้านมให้เด็กกิน วันเวลาผ่านไปถึงปีหนึ่งเด็กทารกก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอาศัยนมของแม่โคนี่แหละชุบเลี้ยงวันหนึ่งกำลังนั่งสมาธิได้ยินเด็กร้องไห้เข้าใจว่าคงจะหิวนมก็ออกจากสมาธิไปตามหาแม่โคไปเจอควางฝูงหนึ่งทั้งตัวผู้ตัวเมียกำลังเล่นไล่หยอกล้อกันอยู่ใกล้ๆแม่โคลูกโคก็ร้องบอกว่าแม่โคลูกกาลังหิวนมแล้วมาให้ลูกกินนมหน่อย แม่โคได้ยินก็รีบลุกขึ้นวิ่งจากปูงควางมาโดยเร็วมาเอานมให้เด็กกินเมื่อแม่โควิ่งไปปูงควางก็พากันมองคอนก็ร้องขึ้นด้วยภาษาของตัวซึ่งเวลานั้นหลวงปู่บุญเหลือนี่ฟังเสียงภาษาของสัตว์รู้เรื่องเขาก็บอกว่าฤาษีตนเนี้ยก็เหมือนฤาษีทั่วไปนั่นแหละไม่รัดไม่เมตตาพวกเราเลยฮะดูสิ เราก็กําลังสนุกสนุกเนี่ยดันมาเรียกแม่โคไปได้อีกไม่นานตฤุีตัว น, นี้ก็ตายเหมือนก็ตอนอื่นๆนั่นแหละแสดงว่าในถ้ำแผลงมาแห่งนี้เคยมีฤาษีมาสิ้นชีวิตลงอย่างมากมายเพราะว่าอย่างน้อยเขาลูกนี้ก็มีอายุมาเป็นพันๆปีก็เดินเข้าไปใกล้ผูงกวงังจิตรู้บอกให้ทราบว่ากวางเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นภูมิเทวดารักษาเขตนี้ท่านก็บอกไปว่าเออปู่เจ้าเขาไพรทั้งหลาย ข้าไม่ได้ดูหมิ่นพวกท่านเลยแม้แต่น้อยนะพวกท่านไม่ใช่สัตว์เดนะรัจฉานนะขรูพวกท่านเป็นพระภูมิมีอำนาจอยู่ในเขตนี้พอพูดอย่างนั้นก็ยกมือทั้งสองขึ้นพนมแล้วก็พูดต่อบอกว่าเดี๋ยวข้าขอฝากตัวท่านฝากเนื้อฝากตัวกับปู่เจ้าเขาไพรทุกๆคนด้วยนะหงกวางเหล่านั้นได้ยินต่างก็พากันหมอบลงอย่างพร้อมเพรียงกันเสร็จแล้วตัวหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าก็ พูดขึ้นบอกว่ า, อาขอให้ท่านฤาษีรีบเดินทางไปค้นหาอาสมแก้วกูเธอะเด็กคนเนี้พวกข้าพเจ้าจะดูแลเลี้ยงไว้ในถ้าแผลงมานี่เองเพื่อรอท่านหากถ้าหากว่าท่านเจออาสมแก้วกูสําเร็จเมื่อไหรจงกลับมารับเอาเด็กไปไว้ที่ไหนก็ได้พวกข้าจะเลี้ยงเด็กไว้จนกว่าท่านจะมารับจะกี่ปีกี่เดือนก็จะรอข้าพเจ้าขอให้สัจจะแก่ท่านฤาษี เดินทางไปอาสมแก้วกูเ่เถอะเสร็จแล้วก็ฝูงกวางก็หันหน้าไปทางทิศเหนือคล้ายๆจะชี้ทิศทางไปยังอาสมแก้วกู่ให้ท่านเดินทางไปทิศนั้นทีนี้ก็สงสารแต่เด็กเด็กกําลังจะเดินแล้วก็หัดพูดกระจ๊อกกระแจ๊กเสร็จแล้วเราต้องหนีจากไปไม่มีใครจะเลี้ยงดูเด็กก็รักหลวงปู่บุญเหลือเหมือนกับพ่อพอพตัดสินใจจะต้องไปนะั้นเด็กก็ร้องไห้ตามต้องกลับมาอุ้มอีกด้วยความห่วงความอะไร ท่านวางลงเด็กก็ยังร้องตามอีกจะเอาเด็กไปฝากให้ชาวบ้านเลี้ยงเด็กก็จะเสียบา ร, รมีถึงุูงควางและแม่ครูจะรับอาสาเลี้ยงให้อย่างแข็งแรงก็ไม่ไวายเป็นห่วงแต่แล้วก็จําเป็นต้องจากไปแม่ครูและุูงหวางก็มารายล้อมเด็กเอาไว้ไม่ให้เด็กเห็นอ่าจะได้ไม่ร้องตามเด็กมีบุญคนนั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรมีชีวิตหรือว่าบำเพ็ญตบะบุญอย่างไรในหนังสือของหลวงปู่บุญเหลือไม่ได้กล่าวถึง กล่าวถึงแต่นายลบนางพึ่งพ่อแม่ของเด็กแล้วก็นายสอนลุงของเด็กว่าได้สิ้นชีวิตไปหมดแล้วยังเหลือเมียนายสอนอยู่คนหนึ่งอายุเจสิบกว่าแล้วย้ายครอบครัวจากบ้านเดิมไปอยู่บ้านโนวนวั่นไพรจังหวัดขอนแกน่นชีวิตที่ปู่บุญเหลือได้ประสบมานี้เหมือนกับความฝันจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงที่ฝังแน่นในความทรงจาของท่าน เรื่องที่ท่านเล่ามาเนี่ยท่านเล่าในขณะที่ท่านเป็นผู้ทรงศีลเพราะฉะนั้นท่านไม่โกหกเมื่อท่านจากเด็กมีบุญตามคำมองฝูงกวางมาแล้วด้วยความรักและเวทนาก็เดินทางจากถ้ำแผลงมาเขาวสวนกวางมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองหานตัดตรงไปอำเภอเพนถึงผูกระแตซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่าแต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งด่านตรวจเขต อ, อาเภอโพนพิสัยต่อจากนั้นก็เดินทางไปถึงถ้ำสีทน ซึ่งยังเป็นป่าทึบหมู่บ้านยังไม่มีมีแต่คนไปหักร้างถังพงทําไร่ทําสวนเป็นแห่งๆเท่านั้นก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำสีทนทําความเพียรสงบอารมณ์อยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำสีทนก็มีชาวบ้านชื่อในทองมีไม่รู้นามสกุลอะไรเป็นชาวบ้านหินงมจังหวัด น, นองคายแล้วอีกคนชื่อในอานชาวสกุลนครทั้งสองคนนี้เคยไปทํางานรับย้างอยู่กับพ่อแม่ของอบุญเหลือ ก่อนที่จะหนีจากบ้านมาเข้ามาชวนกันมาทําไร่อยู่ใกล้ๆถ้ำสีทนนี้หลวงปู่บุญเหลือพักอยู่ที่ถ้ำสีทนหลายวันก็มีชาวบ้านหลายคนพร้อมทั้งนายทองดีและนายอานเนี่ยอเขาก็จําได้จําหลวงปู่ได้ก็ดีใจเล่าเรื่องของพ่อแม่ตอนที่บุญเหลือห น, นีมาให้ฟังอ่เขาก็บอกว่าโอ๊ยท่านร้องไห้เที่ยวกูหาทั้งวันทั้งคืนทุกขนทุกแข่งไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่หลายวัน แม่นะ่ถึงก็ร้องไห้กิ้งเกลอกอยู่ที่ตะลิงตรงที่เคยผูกเรือไว้เหมือนจะตายตามคำบอกเล่าอันนี้ทำให้บุญเหลือตอนนั้นอุทานจนลืมตัวว่าพ่อแม่ของลูกทำให้เกอบตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่แล้วก็คิดในใจว่าเอออย่าเพิ่งนึกว่าลูกเป็นคนอากตัญยูไม่รู้คุณเลยลูกขอไปแสวงหาพุทธธรรมแล้วย้อนกลับมาทดแทนพระคุณในภายหลังเถอะ คนทั้งสองก็เล่าต่อว่าครั้งหลังสุดเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยคิดว่าบุหลเหลนี้ได้ตายไปแล้วก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญเหลือก็สั่งคนทั้งสองบอกว่าถ้ามีโอกาสไปทางบ้านพ่อแม่ก็ขอให้เขาบอกข่าวว่าบุญเหลืเหลยังอยู่กําลังเดินทางไปแสวงหาพุทธธรรมอยู่แต่ว่าคนทั้งสองในเห็นบุญเหลือเป็นเด็กจะพาไปส่งให้แก่พ่อแม่ให้ได้ให้เหตุผลยังไงก็ไม่ยอมฟัง เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องคืนนั้นเข้านอนกันหมดแล้วบุญเหลือก็เลยหนีออกมาในยามดึกมุ่งตรงไปยังโขดหินที่ถ้ำบ้านได้แล้วก็หลบนอนอยู่ที่นั่นที่ถ้ำบ้านได้นี้ไม่ใช่เทือกเขาใหญ่โตอะไรเป็นเพียงโขดหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นเนินสูงสูงต่ํา่ำซับซ้อนแต่ทิวทัศน์สวยงามมีสิ่งแปลกประหลาดหลายอย่างเช่นหินแปรเป็นรูปเต่าขนาดใหญ่ใหญ่ประมาณสักสี่วาเศษเศษแล้วก็รูปสัตว์อื่นๆเป็นหินอีกหลายอย่างอ่า บางแห่งก็เป็นเรียงรายเป็นชั้นชั้นเหมือนตึกรามบ้านช่องจะว่าเป็นถ้าก็ไม่เชิงจะว่าพโพรงก็ไม่ใช่ล้อมรอบไปได้วยป่าหนาทึบเต็มไปได้วยสัตว์ร้ายตัวทากนั้นชุกชุมมากมันอยู่ตามต้นไม้และผื้นดินได้กลิ่นคนมันจะคืบคลานเข้ามาแล้วดีดตัวเข้าใส่ประกาะดูดเลือดหน้าขนพองสยองกล้าวยุงเหลือปริ้นก็เที่ยวโบยบินเป็นฝูงฝูงถูกมันกัดก็แล้วขึ้นเป็นตุ่มทั้งแสบทั้งคันจนเป็นไข้ ตกมืดค่ําไปแล้วก็ค่อยอยังชั่วตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างเย็นจัดท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีเมฆหมอกกลุ่มควันบุญเหลือก็เจริญสมาธิอยู่เหนือก้อนหินได้ยินน้ําในแม่น้ําโขงไหลซอ้อซอกหินกลางน้ําเสร็จแล้วพอได้ยินก็มุ่งไปยังเสียงน้ํานั้นปรากฏว่ากลางแม่น้ำโขงมีหินใหญ่น้อยตะปุ่มตะปั่มจมอยู่ในน้ําก็มีโผล่ขึ้นมาพ้นน้ําก็มีตอนนั้นเข้าฤดูแรงแล้วน้ําในแม่น้ําโขงลดลง พอจะเดินข้ามไปได้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกแก่งอาหองมองไปทางฝั่งซ้ายก็เห็นเทือกภูเขาควายทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดสายตาติดต่อถึงเขาที่เรียกกันว่าภูหอภูโฮงภูพระบุญเหลือก็ลงไปยังชายฝั่งเดินข้ามไปยังก้อนหินนั้นก้อนหินลูกแล้วลูกเล่าบางตอนถ้าเป็นซอกหินกว้างข้ามไปไม่ได้ก็ต้องลงน้าตะเกียกตะกายข้ามไปซอกขดหินบางตอนก็อันตราย ตกลงไปในน้ําไม่ได้น้ําแรงจะถูกพัดพาไปกระแทกหินใต้น้ําก็เจ็บระบบไปทั้งตัวต้องตะกายไหวไปจนอ่อนเพลียเหลือกําลังขณะที่ไหวจากข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งเกาะพักเหนื่อยอยู่ที่ก้อนหินใหญ่มีแง่งอนให้พอจับยึดไว้ได้ก็เห็นหินใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่สองก้อนตาก็มองเห็นไปว่าก้อนหนึ่งเป็นพ่อก้อนหนึ่งเป็นแม่กําลังนั่งร้องไห้คิดถึงบุญเหลืออยู่ ก็พยายามก็ไปใกล้รูปพ่อแม่ก็กลายเป็นก้อนหินไปตามเดิมบุญเหลือคิดไปหลายอย่างกับภาพที่เห็นว่าเป็นนิมิตเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอินนิมิตเทพสังหรณ์หรือว่าเป็นนิวรนความห่วงมากางกั้นยังไงหนอหรือเพราะว่าตัวเองคิดถึงพ่อแม่ในยามยากก็เป็นได้ในที่สุดก็ข้ามขึ้นฝั่งประเทศลาวจนได้แล้วก็พักกายอยู่ในที่ร่มระยะหนึ่ง จากนั้นก็เดินทางกระเซาอกระเซิงมุ่งหน้าไปยังภูหอภูโหงเดินประมาณเจ็ดวันก็ถึงแล้วปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาอันสูงชันไปเจอเส้นทางหนึ่งบนยอดเขานานๆจะมีคนเดินผ่านมาถึงหรือไม่ก็เป็นทางเดินของสิงสาราสัตว์ที่เขาเรียกทางด่านจากนั้นก็ตัดตรงไปยังภูเขาควายเด็กอายุเพียงสิบสองปีทรหดอดทนมุ่งมั่นในความมุ่งหวังของตัวอย่างเด็ดเดี่ยวไม่น่าจะเป็นไปได้อ่า เสร็จแล้วก็นึกถึงความดุร้ายลืมสติของพ่อที่ลงโทษแต่ละครั้งทั้งเคียนทั้งตีเตะตบถีบกระทึบไม่ยอมรามื อ, อคงจะทำให้เด็กตัวเท่านี้มีความทรหดแข็งแกร่งเข้มแข็ ง, ขงในความตั้งใจของตัวได้อย่างเพียงพอเสร็จแล้วได้เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งชงโงกเป็นที่รื่นรมดีก็ขึ้นไปนั่งพักเหนื่อยอยู่มีปล่องลึกลงไป ความอยากรู้ก็ทําให้เดินลงไปในปล่องหินนั่นความรู้สึกขณะนั้นก็หดหูกล้าบางกลัวบ้างแต่ก็ยังคงเดินลงไปอีกเสร็จแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนุ่มๆตกลงมาที่บ่าทําให้ตกใจเสียวไปทั้งตัวเอามือคลำดูกลายเป็นงูใหญ่เ อ, อ่น้ําหนักงูใหญ่ทําให้เสถลาลม้มลงเสร็จแล้วงูนั้นก็เริ่มพันตัวรัดจนแน่นยิ่งดิ้นเท่าไหรก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเจ็บปวดแทบกระดูกจะแตกแยกออกจากกัน เสร็ล้วงูนั้นก็แผลแม่เบีย้ยอ้าปากมาข้างหน้าความกลัวนี่ทำให้เกรงตัวดิ้นรนอย่างเต็มที่แต่ว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกรัดแน่นเขาอีกต่อมาก็ใช้หางแย่เข้าไปในปากเพื่อจะใช้หางเป็นอาวุธฆ่าให้ตายบุญเหลือพยายามกัดฟันเอาไว้แน่นไม่ยอมไม่หางงูล้วงเข้าไปได้มันแหย่จนปากฉีกออกเป็นแผลเลือดไหลออกมาจนเสื้อเปื้อนเลือดแดงฉานไปทั้งตัว เมื่อเอาหางล้วงเข้าไปในคอไม่ได้มันก็รัดเขาที่คออีกเปลาะหนึ่งที่ทําให้ห า, ายใจไม่ออกแทบจะสิ้นใจตายในเวลานั้นเท่านั้นยังไม่พอมันยังเปลี่ยนท่าเอาหางกลับลงมาแหย่เข้าไปที่ก้นอีกทั้งเพลียทั้งหมดกําลังจะขัดขืนอ่าเสร็จแล้วก็มีสติขึ้นมาหวนนึกถึงพ่อแม่ก็ราพึงว่าพ่อครับแม่ครับลูกคงจะมาทิ้งสังขารที่พ่อแม่ให้มาในะอยู่ในถ้ำนี้แน่แล้วความเจ็บปวดทําให้ลูกเหลือทนแล้ว ลูกคงไม่มีโอกาสตนิบัติพ่อแม่อีกขอพระคุณพ่อแม่จงช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นภัยด้วยเถอะลูกต้องตายแน่ๆไม่มีทางพ้นแล้วพยางูใหญ่ก็ยังไม่ยอมปล่อยบีบรัดเอาหางแย่ที่ทวนันจนตัวอ่อนหมดกำลังจะดิ้นรนเวลานั้นทอดอะไรปล่อยร่างอย่างนี้จิตก็นึกถึงสมาธิกำหนดจิตลงในสมาธิพิจารณาด้วยยานอย่างแน่นิ่งดิ่งลง ก็พลันรู้ว่าพญางูที่รัดร่างอยู่นี้ไม่ใช่ใครอื่นแท้จริงเป็นเทพรักษ์นายด่านที่รักษาทวารบานประตูอันลีลับเอาไว้พอรู้อย่างนั้นก็กำหนดพลังสมาธิผลักดันต่อสู้กับเทพรักษ์นายทวารอย่างเต็มที่ก็นึกพูดในใจบอกว่าพญางูเอ้ยท่านเป็นแต่เพียงนายด่านเท่านั้นไม่ใช่เทพผู้ทรงยศทรงฤทธิ์ในถ้ำแห่งนี้ทำไมถึงได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตหวังจะฆ่าทำลายข้าพเจ้าเป็นอาหาร ข้าพเจ้าเป็นผู้มาสร้างบารมีโพธิสมภารนะพญางูข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของตถาคตมอบกายถวายชีวิตให้ท่านแล้วพญางูไม่ควรทำแก่สิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้หรือว่าจะเป็นภูมิฐานงูนอกาศาสนาถึงได้ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตมาฆ่าเราซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพอพูดออกมาอย่างนั้นไม่น่าเชื่อพญางูรีบคลายตัวออกถอนหางจากทวารของบุญเหลือ ล้วก็รีบเหลือย ห, หายกันไปในถ้ำนั้นช่างเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆแต่ว่าบุญเหลือได้รับบาดเจ็บทั้งที่ปากแล้วก็ทวารหนักจนเลือดไหลร่างกายที่ถูกรัดในแทบกระดูกจะแหลกทำให้หมดกำลังนอนเกลือกลิ้งอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็สลบหมดสติไปไม่รู้สึกตัวในช่วงที่สลบไปธรรมานุสัยในจิตก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาก็ทาให้รู้ชัดว่าเวลาที่คนเราหรือว่าสัตว์ก็ดีมีกรรมอาศัย การเกิดจากดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่มาประชุมกันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเมื่อจะสิ้นใจหรือถึงการอวสานแห่งชีวิตภาวะการของธาตุขันทั้งสี่จะผิดปกติไปไม่สมดุลซึ่งกันและกันจิตยังรู้อยู่ไม่ได้ออกจากร่างไปถึงได้รู้ว่าก่อนสังขารจะแยกย้ายไปสู่ธาตุเดิมคือธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันนี้จะรู้ว่าตัวเองหมดเรี่ยวหมดแรงเกิดความเจ็บปวดสุดจะทนได้ ถูกเวทนาบีบคั้นแสนสาหัสจนเหลือแต่ธาตุลมที่หายใจเข้าออกเพียงธาตุเดียวลมมันจะค่อยๆแผ่วเบาลงค่อยๆช้าลงลมจะพัดจากเบื้องต่ำขึ้นสู่เบื้องสูงพัดวนเวียนจากซ้ายไปขวามีอาการเริ่มหดอูเข้าสู่ศูนย์รวมของวายโยธาพัดหล่อเลี้ยงสนับสนุนวิ ญ, ญญาณในหัดไทยวัตถุ มาสุดที่บนกระหม่อมของเราเวลาธาตุลมเริ่มหดอู่นั้นธาตุไฟซึ่งเป็นอุตุรูปรักษาทุกๆธาตุให้คล่องแคล่วในการทํางานก็เริ่มเคลื่อนออกเพราะธาตุไฟเคลื่อนออกความเย็นก็เข้ามาแทนมันค่อยๆเย็นลงเย็นลงครั้นเมื่อธาตุลมและธาตุไฟแยกออกจากกันกําลังเรี่ยวแรงหรือว่าพลังทุกส่วนก็อ่อนเปลี่ยหมดกําลังในที่สุดอินทรีย์ก็เริ่มถูกปลด หมดกำลังความรู้สึกจากสัมผัสภายนอกทั้งปวงลำดับนั้นจิตวิญญาณอันเป็นองค์ภพซึ่งได้สันตติสืบต่อปัจจัยไปนั้นก็เริ่มเคลื่อนจากมหาภูตรูปคือตัวตนร่างกายของสิ่งที่เรียกว่าสังขารครั้นจิตวิญญาณในผ้ากายทิพยละเอียดเริ่มเคลื่อนไปแล้วทั้งธาตุลมและธาตุไฟก็ค่อยๆเย็นเข้าลมก็ค่อยๆช้าเข้าช้าเข้า จนหมดภาวะของาธาตุลมที่หายใจเข้าหายใจออกลําดับนั้นทุกส่วนสัตว์ของร่างกายก็เริ่มเย็นลงหมดความอบอุ่นไปในที่สุดยังเหลือแต่าธาตุน้ําและธาตุดินอันเป็นาธาตุหลักที่ผสมกันเป็นก้อนต่อจากนั้นก็ค่อยเปื่อยเน่าผุพังไปกลับกลายเป็นฝุ่นดินเหมือนเดิมความตายเป็นเช่นนี้หนอการยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นเราของเรา เป็นอนัตตาไร้สุ้นสิ้นตัวตนไปแล้วในขณะที่ธรรมานุสัยเกิดขึ้นก็ทําให้บุญเหลือทราบได้ก่อนอื่นทั้งหมดก็คือลมหายใจเข้าออกหยุดทําหน้าที่ยังเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ําซึ่งเป็นของฝากปัญหาไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังแล้วแต่จะจัดการกันไปธรรมานุสัยได้เกิดแก่บุญเหลือจนเวลาล่วงเลยมากี่วันกี่คืนไม่อาจทราบได้ไม่รู้ว่าสลบหมดสติไปนานเท่าไหร่ ต่อมาได้สติคืนมาแต่ว่าร่างกายแขนขายัางเคลื่อนไหวไม่ได้คล้ายกับคนเป็นอมพาตตายทั้งตัวเมื่อลืมตาขึ้นกว่าสายตาไปรอบๆก็เห็นสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเพราะว่าบริเวณพื้นรอบตัวที่นอนสมอยู่มีผลไม้หลายชนิดไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้บุญเหลือหิวโหวยมากแต่ก็ไม่มีกาลังขยับมือเท้าไม่ได้แล้วจะกินยังไงก็ได้แต่ระลึกอธิษฐานจิตถึงคุณบา ร, รมีองค์พระโพธิญาณ ซึ่งได้อุตสาบากบัณสร้างมาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรที่ขวางหน้าไม่เคยก้มหน้าแก่คำว่ายอมแพ้ทั้งหลายขอเดชะอนุภาพแผ่งสัจจะของข้าพเจ้านี้จงช่วยให้พ้นหายจากเวทนาโดยเร็วเถิดเวลานั้นบุญเหลือหิวหวยมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยจึง อธิษฐานว่าขอเดชะอนุภาพแห่งสัจจะของข้าพเจ้านี้จงช่วยให้พ้นหายจากเวทนาโดยเร็วเถิดพออธิษฐานเสร็จก็น้อมจิตเข้าสู่สมาธิรวมพลังจิตทั้งหมดเพ่งหล่อห ล, อ, ลอมตรงที่เจ็บนั้นทันทีประมาณชั่วขณะจิตร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวได้แต่ยังไม่สิ้นเวทนาเมื่อร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวได้ด้วยความหิวก็รีบใช้มือคว้าเอาผลไม้มากัดกินจนหมด ผลไม้ตกสู่ทองแล้วอาการที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก็าหายไปมีกำลังกายกำลังใจดีขึ้นเวลาถัดมาตอนที่พยุงตัวลุกขึ้นนัง่งก็ได้พบหญิงสาวหกคนลักษณะผมยาวมีผ้ารัดเต้านมผ้าชายไปข้างหลังอย่างที่เรียกว่าสบายเฉียงแต่ไม่ทราบวราทำด้วยอะไรดูระยิบระยับเหมือนกับประดับด้วยเพชรนุ่งผ้าถุงธรรมดารัดเข็มขัดประดับเหมือนกับเพชรส่องแสงแพรวพรว รูปหน้ากลมเหมือนมะนาวตัดถ้าจะมองผู้หญิงทั้งหกด้วยโลกีวิสัยแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากกว่าผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ผิวพรรณวันลนะเหลืองอารามผู้หญิงทั้งหกคนก็เดินมาหาบุญเหลือก็นั่งคุกเขา่าแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าเชิญข้างในท่านอาคันตุ ก, กะท่านบายอย่างนั้น สังเกตดูผู้หญิงทั้งหกค น, นมีลักษณะเรียบร้อยสำเนียงวาจาที่พูดอ่อนหวานนิ่มนวลกิริยามารยาทดูเป็นผู้มีคุณธรรมสูงก็คิดแต่ในใจว่าผู้หญิงทั้งหกคนนี้คงต้องเป็นนางแก้วคงจะได้สร้างบา ร, รมีฝึกฝนอบรมจิตจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาแต่อดีตชาติไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยไม่ทราบว่านางมาจากโลกไหนกันแน่เวลานั้นบุญเหลือลุกขึ้นจะออกเดิน ผู้หญิงสามคนมายืนข้างหลังอีกสามคนเดินนำอยู่ข้างหน้าคนนึงก็พูดว่าเชิญอาคัรตุกะไม่ทราบว่าบุหลือมีกำลังเดินได้อย่างไรเดินลึกเข้าไปในถ้าไม่น้อยกว่าสิบสองกิโลเมตรระหว่างทางได้เห็นผู้คนมากมายกายกองสองฝั่งถนนมีบ้านหินคล้ายๆสร้างมาต่ยุคดึกดำบันไม่อาจจะคำนวณการเวลาได้ผู้คนที่เห็นนั้นล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นหาผู้ชายไม่มีเลย ที่แปลกก็คือหน้าตาผิวพรรณผุดพองเหมือนกันทุกคนกิริยาท่าเดินสำรวมระวังเหมือนกับ น, นักบวชการเดินก็ดีพูดจาก็ดีเหมือนกับมีการอบรมศึกษาชั้นสูงมาแล้วบุญเหลือถูกนำเดินไปเรื่อยๆจนพบสถานที่ที่เรียกว่าพุทธเทวไลแห่งหนึ่งก็หยุดก้มตัวลงกราบกราบเสร็จก็มีระฆังดังกังวานขึ้นหลายครั้ง เสียงระฆังดังมากจนต้องเอามืออุดหูปิดตาไว้จนสิ้นเสียงระฆังตอนนั้นบุญเหลือรู้ว่าเจ็บปวดที่ปากแล้วก็ทวานมากจากฤทธิ์ของเทพ ร, รักงูรักษาด่านจนถึงก็ต้องล้มตัวลงนอนที่มหาวิหารแห่งนั้นแล้วผู้หญิงก็พากันมาดูบุญเหลือเป็นจํานวนมากไม่ปรากฏว่ามีผู้ชายเลยทุกคนที่เห็นนี่แต่งกายนุ่งขาวห่วมขาวหมดในจํานวนผู้หญิงเหล่านี้มีอยู่ท่านหนึ่งเจริญด้วยปฏิพานววหารธรรม ยกมือทั้งสองขึ้นไหว้แล้วก็บอกว่าข อ, อนรมสการท่านอาคันตุ ก, กะพวกข้าพเจ้าในทวีปนี้มาขอขมาโทษกับท่านที่นายด่านของพวกเราได้ทำไม่ดีมีร้ายกับท่านคุกคามทำลายชีวิตของท่านเสร็จแล้วบุเหลือก็รีบตอบบอกว่าเออ ข, ข้าไม่ได้เป็นพระข้าเป็นแต่เพียงผู้ดำเนินสร้างบารมีตามรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ผูห้หญิงคนนั้นก็บอกว่าขอนมัสการท่านอาคันตุกาอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไม่ใช่พระองค์ใดองค์หนึ่งท่านอาคันตุกะจะเข้ามายังทวีปถิ่นฐานของพวกเราได้ยังไงด้วยความสำนึกว่าตนเป็นเพียงคนธรรมดาบุเหลือก็ตอบไปว่าเออเดี๋ยวแม่หญิงทั้งหลายตระกูลของข้าพเจ้าเนี่เป็นลูกชาวสวนแต่เป็นผู้มีใจรักปักใจในาศาสนาเท่านั้นเองท่านอย่าพูดว่า ถ้าเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจะเป็นบาปอันหนึ่งเป็นการยกตัวเทียมพระนี่มันเป็นการไม่สมควรหรอกเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดบอกว่าขอนามส ก, การต่อท่านถ้าท่านไม่ใช่พระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่หลงทางมาถึงทวีปนี้หรอกหรือไม่งั้นท่านก็ต้องเป็นทายาทของอาสมแก้วกูแห่งโน้นอย่างแน่นอนถึงจะมาถึงทวีปนี้ได้พอได้ยินคําว่า อาสมแก้วกู่เท่านั้นก็สะดุ้งสุดตัวน้ำตาไหลด้วยความทราบซ่านจากส่วนลึกของหัวใจที่ที่ดั้นด้นลำบากยากแค้นแทบจะเอาชีวิตมาทิ้งก็เพรา ะ, สะแสวงหาอาสมแก้วกู่นี่เองพอตั้งสติได้แล้วก็ถามว่าเออแม่หญิง ท, ทวีปของท่านเนี้ชื่อทวีปอะไรอ่ะนางก็ตอบว่าชื่อบุเพวิเทหะทะวีปหนึ่งในสีทวีปของมงคลจักรวาลแห่งเดียวกับท่านนั่นแหละ เพียงแต่ทวีปของท่านนะเรียกว่าชมพูทวีปท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคยอ่านพระอภิธรรมนะย่อมรู้ดีว่าทวีปอีกสามทวีปนั้นผู้ที่จะไปได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกที่ทรงฤทธิ์อภิญญาไม่ได้ไปได้ง่ายๆการที่หลวงปู่บุญเหลือหลวงพลัดเข้าไปในบุพเพวิเทหทวีปนี้ แสดงว่าทวีปแต่ละทวีปซึ่งเป็นแดนลี้ลับก็อยู่ในโลกนี้เองเพียงแต่ไม่รู้ทางไปทางมาเท่านั้นเองท่านที่มีบุญบา ร, รมีสร้างสมไว้อาจจะพลัดหลงเข้าไปก็ได้เป็นแดนอันลี้ลับจริงๆแต่ก็มีอยู่การสนทนาไต่ถามทำให้บุญเหลือพูดและทำความเข้าใจกับผู้หญิงเหล่านั้นได้พอสมควรพิจารณาดูพลเมืองของทวีปนั้น ก็ทําให้หวนึกถึงเมืองแห่งชมพูทวีปที่พูดถึงเมืองรับแลมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายคล้ายๆเป็นเมืองแม่ไหมเมื่อไหร่ที่ผู้ชายหลงดงหลงป่าพลัดเข้าไปในเมืองรับแลหรือว่าบางบทนี้ผู้หญิงในเมืองนี้จะมาแย่งยื้อผู้ชายคนนั้นไล่ปล้าก่อจูบอะไรต่างๆความจริงอันนั้นมันเป็นเพียงแค่หนังหรือว่าละครที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองหลวงปู่บุญเหลือยืนยันบอกว่า มันไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการใดที่เมืองรับแลนะ่ะเขาทำอย่างนั้นประเพณีรับแลนี่ก็ เ, เทิดผู้ชายไว้ในที่สูงทุกคนมีกิริยามารยาทคุณสมบัติทำอันบริบูรณ์มีจริตนิสัยงดงามไม่มีความโลภโกรธหลงไม่เหมือนกับที่มนุษย์เอามาแต่งมาเล่นกันศกรปรกลามกอย่างเรื่องเมืองรับแลอะไรต่างๆที่เอามาเขียนกันอย่างหยาบหยาบคล้ายๆอย่างนั้น ไม่มีผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นเทวีได้ถามว่าอาท่านได้เสี่ยงบา ร, รมีตามหาอาสมแก้วกู่ไม่ใช่หรอือถ้าเป็นอย่างนั้นขอเรียนให้ทราบว่าเคยมีทายาทแก้วกูนี่พลัดหลงมาในทวีปนี้แล้วองค์หนึ่งต่อมาก็พลัดมาอีกเป็นองค์ที่สองที่สามที่ ส, สี่ส่วนท่านเนี่ยเป็นอที่ห้าแล้วสําหรับอาสมแก้วกู่นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สุดแต่ความเพียรในบา ร, รมีของท่านเอง จะถึงช้าถึงเร็วก็เหมือนกันบัดนี้ท่านคงจะเจ็บมากเพราะว่านายด่านทวารเมืองเราทำร้ายขอให้ท่านจงพักอยู่ในทวีบนี้ก่อนพวกเราจะประกอบยาถวายพอหายเจ็บป่วยเป็นปกติแล้วค่อยเดินทางจากทวีปไปแสวงหาอาสมแก้วกูต่อไปตามวาสนาบารมีที่เสี่ยงมาบุญเหลือก็พักรักษาตัวอย่างบุเพวิเทหะทวีปนานประมาณสี่ห้าเดือน ไม่ได้มีผู้หญิงคนไหนมาแสดงการยั่วยวนชวนสเสน่ห์แต่ละนางปฏิบัติต่อบุหลือด้วยจิตอันเมตตาให้การรักษาเป็นอย่างดีมีความเคารพในพระพุทธศาสนาด้วยความนอบน้อมทำให้บุเหลือรู้สึกทราบซึ่งในบุญคุณอย่างเหลือที่จะกล่าวได้การรักษาของเขาก็ใช้ตัวยาสมุนไพรบุเหลืออยู่ที่นี่ด้วยความสงบสุข แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญรุ่ดหน้าไปเป็นอันมากอาหารที่ผู้หญิงเหล่านั้นผลัดกันนํามาให้ล้วนเป็นผลไม้ที่แตกต่างจากชมพูทวีปสําหรับกลางวันนั้นไม่มีแสงอาทิตย์สส่องแต่ปรากฏว่าแสงสว่างผ่องใสส่วนกลางคืนก็มืดมนสงัดวังเวงไม่มีเสียงพูดเสียงคุยไม่มีผู้คนเดินพลุกพล่านเหมือนว่ายามราตรีเช่นนี้มีแต่สาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมสมาธิจนจิตแน่นิ่งดิ่งลงตอนหัวคำ่ำในมหาวิหารจะได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระด้วยสำเนียงสนอต่อจากนั้นก็มีแต่ความเงียบตอนเช้าชาวบ้านชาวเมืองก็จากบ้านเดินไปมาสนทนากันแต่ไม่ไม่มีเสียงดังไม่ได้มีการโต้เถียงอะไรเลยคุยกันเงียบๆนะดูเหมือนจะถ่ายเทพระธรรมซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหายุ่งยากวุ่นวายเช่นเมืองชมพูทวิปเมื่อหายเป็นปกติดีแล้วก็อำลาสตรีทั้งหลายผู้มีพระคุณเพื่อเดินทางค้นหาอาสมแก้วกู่ต่อไปโดยมีผู้หญิงหลายคนตามมาส่งทางแต่ว่าไม่ได้นำทางปรากฏว่าบุญเหลือเดินวนเวียนหลงทางอยู่นาน ก็มีผู้หญิงสองคนเอาคนทวน้ำมาให้บอกว่ายามกระหายจะได้ดื่มแก้กระหายจากนั้นก็เดินทางต่อบุญเหลือยังเห็นผู้หญิงนั้นเดินตามมาส่งแต่แปลกที่ไม่ยอมชี้ทางให้เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะการแสวงหาอาสงแก้วกูนั้นเป็นการเสี่ยงบา ร, รมีมีกุศลวาสนาก็ไปได้ถูกเองถ้าชี้ทางบอกให้ก็ไม่เป็นการเสี่ยงบา ร, รมีอย่างแท้จริงออกจากเขต บุพเพวิเทหทวีปแล้วก็พบข้างหน้าว่าได้ย้อนกลับมาถึงภูหอภูโหงอีกครั้งหนึ่งเหลียวกลับไปดูข้างหลังผู้หญิงที่ตามมาส่งอันตระทานหายไปหมดแล้วการค้นหาอาสมแก้วกูเป็นไปอย่างตั้งอกตั้งใจเข้าไปถึงภูหอภูโหงแล้วก็ผ่านไปถึงภูเบียทะลุถึงเขาหลวงที่มีขนาดใหญ่และสูงมาก จากเขาหลวงแล้วก็ไปถึงถ้ำผูกระเดื่องใกล้หมู่บ้านเซลาบําอยู่ในแขวงสุวรรณเขตในถ้ำผูกระเดื่องนั้นมีน้ำตกจากยอดเขาเหมือนกับคล้ายๆครกกระเดื่องเป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะนั้นเดินอยู่รอบรอบขอบถ้ำพิจารณาดูแล้วเหมาะสมที่จะพักผ่อนนอนในที่นั้นแต่พอตกตอนกลางคืนได้ยินเสียงผีกองกอยทั้งตัวผู้ตัวเมียพากันร้องเสียงสนั่นไปทั่วทั้งถ้ำ เวลานั้นบุญเหลือไหว้พระส่วนมนแล้วเดินจงกรมนั่งทําสมาธิกาหนดจิตฟังเสียงผีกองกอยได้ยินมันพูดกันบอกว่ามีฤาษีมาพักที่นี่อีกแล้วแต่ฤาษีตนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนตอนอื่นนะเป็นทายาทอาสมแก้วกูคงจะหลงทางมาที่ถ้าเราเนี่ยแต่พวกเราอย่าไปทําลายท่านเหมือนฤาษีตอนอื่นนะเพราะว่าตนนี้มีอภิญญาบรารมีแก่กล้ามาก ก็มีผีกองกอยบางตัวพูดบอกว่าทำไมเนื้อหนังมังสาของท่านถึงได้หอมชวนกินแท้ถ้าพวกเราได้กิน้วคงจะอร่อยฮถ้าผีกองกอยตัวไหนได้กินเนื้อหรือสีตนนี้คงจะหมดกรรมหมดเวรสิ้นชาติจากการเกิดเป็นผีกองกอยละมัง้งบุญเหลือรู้สึกตกใจขณะหนึ่งก็รวบรวมพลังใจทำสมาธิแน่วนิ่งเจ้าผีกองกอยบางตัวก็พูดบอกว่าเอ เราพากันมาเดินรอบตัวท่านหากท่านแก่กล้าจริงก็ไม่กินถ้าท่านไม่แก่กล้าจริงเราจะควักตับไตไส้พุงขอตรีศีตนนี้มากินจะให้อร่อยเชียและพวกเราทั้งหลายนี่เราขอร้องอย่าไปร้องควนครางอยู่ใกล้ใกล้รีีมากนกท่านจะเสียสมาธิท่านเป็นทายาอาสมแก้วกูถ้าขืนทำอะไรให้ท่านจะเป็นบาปนะเมื่อผีกองกอยพูดอย่างนั้น ให้ตัวที่ร้องอยู่รอบรอบตัวก็ค่อยๆหลบหนีหายไปจนเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักตัวเอ้ชีวิตเราทำไมถึงมีอุปสรรคมากมายอย่างนี้ครั้นผ่านพ้นราตรีนั้นมาได้เช้าขึ้นก็รีบเดินจากถ้ำนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองอเซบังเฮียนผ่านเมืองนี้ไปเลยเข้าอัตะปือก็เต็มไปได้วยขุนเขาลำนาวไพร จากภูลูกนี่ไปสู่ลูกโนนหลายป่าหลายเขาเต็มไปด้วยสิงสาราสัตวนาน า, นาชนิดทั้งดุร้ายและไม่ดุร้ายบ่ายหน้าไปยังเมืองเสปนแล้วก็วกเข้าเขตเมืองอัตตะปืออีกไปพบหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของชาวเขาสุดเขตแดนระหว่างเมืองลาวกับเมืองยวนต่อกันระหว่างเขตแดนทั้งสองมีห้วยกั้นกลางข้ามห้วยผ่านเข้าไปก็เป็นเขตเมืองยวน ระยะทางเพียงห้าสิบเมตรบ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านช น, ชนโดในอดีตการไปมาหาสู่ของเราละยวนเป็นไปอย่างฉันพี่น้องถึงเทศกาลก็มาร่วมกันทําบุญบุญเหลือและที่หมู่บ้านชินโดออมองเห็นภูเขาใหญ่มามาโบราณเรียกกันว่าภูชุนบุญเหลือสนใจมากเพราะว่ามีความใหญ่กว่าภูกระดึงจังหวัดเลยสองสามเท่า อดีตภูเขาแห่งนี้มีประวัติโด่งดังไปถึงเมืองไทยเมืองลาวเมื่อได้มาประจักษ์เห็นขุนเขาวนี่ยตัวเองก็อยากจะขึ้นไปถึงยอดเขา ว, ว่าจะมีอะไรบนนั้นก็ถามชาวบ้านว่าทางขึ้นเขาลูกเนี้ยไปทางไหนครับชาวบ้านเขาก็แปลกใจเสร็จแล้วก็ห้ามอยากขึ้นไปเลยมีคนขึ้นไปตั้งเยอะแล้วไม่เคยมีใครมีโอกาสกลับลงมาแม้แต่คนเดียว นินิสัยบุญเหลือตั้งแต่เกิดมาถ้ามุ่งอะไรแล้วถึงจะเป็นจะตายก็ต้องทำให้สำเร็จเมื่อมองดูยอดเขาอย่างพินิษพิจารณาทั้งสูงทั้งชันจะกี่วันกี่คืนก็จะต้องไปให้ได้ก็ตัดสินใจบอกชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวข้าจะขึ้นเขาแห่งเนี้ต้องการจะไปนค้นหาอาสมแก้วกูก็ไม่รู้ว่าอยู่แห่งหนตนตำบลไหนชาวบ้านชโดก็เล่าให้ฟังอาสมแก้วกูเนี่ยนะพวกเราได้ยินมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเล่าให้ฟัง แต่ว่าเคยจะได้ยินเท่านั้นแหละได้ยินว่าใครที่เดินหลงป่าจะได้พบอาสมแก้วกูมีหลายคนรู้เรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่สำหรับภูเขาลูกเนี้ยท่านอยขึ้นไปเลยถ้าขึ้นไปเนี่ยคิดว่าท่านไปได้เพียงยอดเขาชั้นที่หนึ่งเท่านั้นหลักส่วนยอดที่สองนี่ท่านขึ้นไม่ได้เด็ดขาดทาไมอ่ะทำไมถึงขึ้นไม่ได้ เออคือมันนานมาแล้วปู่ย่าตายายท่านสั่งลูกสอนหลานสืบกันมาถึงบัดนี้ว่าถักขึ้นไปหาอยู่หากินเช่นหาหน่อไม้หาอาหารป่าอะไรในเขตขาวลูกนี้น่ะนะให้ไปได้ได้แค่ขั้นที่หนึ่งส่วนภูเขาลูกที่สองถ้าใครขืนดื้อดึงขึ้นไปไม่เคยมีใครกลับมาได้เลยเราหวังดีต่อท่านซึ่งมีอายุน้อยนะทั้ง ก็ก็ก็ตั้งคัดค้านแล้วแล้วก็ห้ามไม่ให้ขึ้นด้วยบุเหลือพยายามถามรายละเอียดกับชาวบ้านหลายตัวหลายคนเป็นเวลาเกือบเดือนอ่าก็ตัดสินใจเดินทางไปยังลูกเขานี่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมุ่งขึ้นเขาย่อดแรกก่อนหลวงปู่บุญเหลือจะเจอกับอะไรบนยอดเขาที่ชาวบ้านเขาห้ามไม่ให้ขึ้นไปแต่ต้องครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องของหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตผู้สร้างอาสมแก้วกู่อันมหัศจรรย์ที่จังหวัดหนองคายยังไม่จบนะครับแต่ว่าคงจะจบวันนี้ละเรื่องของหลวงปู่บุญเหลือนี่ไม่ใช่พระนะครับ แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงปู่ก็เพราะด้วยความเคารพนับถือประวัติของหลวงปู่บุญเหลือที่ท่านเล่าให้ฟังท่านได้ไปถึงทวีปทั้งสี่ที่ไม่ค่อยมีใครจะได้เคยไปสัมผัสนักเคยได้ยินแต่ในหนังสือว่าไตรปิฎกก็คือชมพูทวีปอุตระกุรุทวีปบุพเพวิเทหะทวีป อมอนูยานทวิปนะครับหลวงปู่บุญเหลือเดินทางผ่านดินแดนต่างๆไปจนกระทั่งถึงเมืองกาสีเวลานั้นหลวงปู่ยังอายุแค่สิบสองเท่านั้นเองเมืองกาสีเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าแมว้วก็เดินทางผ่านพวกหอขึ้นเขาสูงไปถึงเมืองมะ ตรงไปยังเมืองหมอกอันนี้อยู่ในเขตแดนลาวนะครับประเทศลาวไปถึงเมืองสามหวีเมืองสีก็แล้วก็เหมือนจะมีอะไรมาดนใจให้ในบุญเหลือนี่เดินไปเรื่อยๆแล้วเป็นเส้นทางเดียวที่ตรงไปถึงอาสมแก้วกูขึ้นไปยังภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูที่สูงที่สุดชื่อภูสันหนาวบนยอดเขาสูงแห่งนี้มีชนเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่เขาเรียกลาวเทงหลังจากนั้น ก็ไปพบกับถ้ำภายในถ้ำก็ไปพบชายชราสูงอายุคนหนึ่งเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ผมกเกล้ามวยม้วนเอแวะแล้วก็ศรีรษะนิพกไว้ด้วยหนังเสือทาเหมือนกับหมวกเอาสวมหัวแวะส่วนบ่าก็พาดโดยสังกติที่ทำด้วยหนังเสือมีสร้อยรูปประคำคล้องคอไว้หลายเส้นแม้แต่ผ้านุ่งก็เป็นหนังเสือเช่นเดียวกัน ท่านก็คือมหามุ น, นมมีแก้วกูนั่นเองมหามุนีแก้วกูนี่ตามที่มีอักษรจารึกประวัติไว้ว่าท่านมีอายุเป็นอมตะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่ยี่สิบห้าจะเรียกว่าท่านมีอายุอยู่ยาวนานมาเป็นเวลาถึงยี่สิบห้าพุทธันดอนเรียกกันว่ามหามุนีแก้วกู่เสร็จแล้ว เด็กชายบุญเหลือนี่ก็มาอยู่ที่นี่มีเด็กอยู่ทั้งหมดรวมสิบคนพอดอีรวมเวลาที่บุญเหลือหนีพ่อแม่มาเมื่ออายุสิบสองตอนที่มาถึงอาสมแก้วกูเนี่อายุสิบสี่เดินทางสองปีเป็นสิทธิลำดับที่ห้าของท่านมหาหมุนีแก้วกูสิทธ์ทั้งหมดมีสิบคน จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนอบรมทุกอย่างเป็นเวลาหกปีเต็มๆจนกระทั่งอายุยี่สิบปีอยู่มาวันหนึ่งมหาโมนีแก้วกูก็เรียกทั้งสิบคนนี่มาพร้อมกันเราก็มีคำสั่งให้ทุกคนกลับบ้านได้แล้วเพื่อไปโปรดสัจธรรมหรือว่าเพื่อนมนุษย์ที่มีกรรมเกี่ยวข้องนิสัยกันให้เห็นแสงประทีปธรรมของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนตัวบุญเหลือนี่มหามุนีท่านบอกว่าให้พยายามกลับบ้านให้เร็วเพราะว่าพ่อแม่ของลูกก็จวนเจียนจะถึงเวลามรณะแล้วลูกรีบกลับไปปฏิบัติพ่อแม่เร็วๆเถอะไม่ต้องห่วงพ่อพ่ออยู่ทางนี้เอาตัวรอดเองแล้วก็จงระวังว่าคนที่เลื่อมใสในตัวลูกนี่จะมีมากแล้วในเวลาเดียวกันคนอิจฉาเบียดเบียนก็มีมากด้วยลูกต้องเอาความดีชนะความชั่วของคนเหล่านี้ให้ได้ จากนั้นพี่พี่น้องนที่ร่วมอาสมเดียวกันจานวนสิบคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่ทุกคนก็ส่งจิตรู้ถึงกันใครไปบาเพ็ญกิจอยู่ที่ไหนก็รู้กันแต่ก็ไม่เปิดเผยกันหลังจากออกจากอาสมแก้วกู่มาแล้วเดินทางรอนแรมมากลางดงกลางป่าประมาณเจ็ดเดือนถึงได้มาถึงบ้านพ่อแม่ท่านทั้งสองก็ยังอยู่ที่ที่เดิมบ้านสวนเชียงครวนเมืองท่าเดือแขวงเวียงจันท์ ตอนที่บุญเหลือเดินเข้าบ้านเป็นเวลาเย็นพ่อกับแม่กาลังกินข้าวอยู่ก็เดินเข้าไปยืนข้างหน้าคุกเข่ากราบลงสามครั้งห่างๆท่านเอามือป้องหน้าตะลึงด้วยความสงสัยเพราะตาท่านคงจะกว้างฟางไปมากบุญเหลือก็บอกพ่อแม่ครับผมกลับมาแล้วพอได้ยินเสียงท่านก็จำได้แต่เพื่อให้แน่ใจท่านก็ถามว่าลูกบุญเหลือใช่ไหม บุญเหลือก็บอกครับแม่ผมเองเท่านั้นละแม่ลุกขึ้นวิ่งเหยียบขวามะข้าวที่วางเนี่วิ่งมากอดบุญเหลือแล้วก็ร้องไห้ได้วยความตื้นตานใจต่อมาก็เล่าเรื่องราวระหว่างที่จากไปให้ท่านฟังว่าไปไหนมาเสร็จแล้วบุญเหลือก็ปฏิบัติท่านต่อมาอีกปีหนึ่งบุญเหลืออายุยี่สิบเอ็ดแม่ก็คิดจะให้บวชซึ่งบุญเหลือก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าชอบอยู่แล้วมีความตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้วก็ตกลงใจบวชทันที แต่ว่าเวรกรรมวันบวชเนี่ยพอโกนหัวปุ๊บในตาของบุญเหลือก็มืดมนอนตรการมองไม่เห็นอะไรเลยอะก็เป็นอันว่าบวชไม่ได้เพราะคนตาบอดจะไปบวชได้ยังไงเสร็จแล้วพออยู่มาพอผมงอกงอกขึ้นมาตามเดิมตาก็สว่างสวยัยเห็นได้อย่างเดิมดูสิมีเวรมีกรรมเหลือเกินอ่าบวชไม่ได้โกนหัวไม่ได้แล้วจะบวชได้ยังไงอ่ ไม่มีวาสนาที่จะได้คลองผ้าเหลืองก็จำเป็นจะต้องปรนนิบัติพ่อแม่ต่อไปอีกหนึ่งปีพอเห็นว่าตาดีแล้วก็พูดกับพ่อแม่บอกว่าอยากบวชให้สบายใจสักทีคราวนี้คงไม่มีปัญหาแล้วละ่ะพ่อแม่ก็เตรียมงานอีกครั้งด้วยความยินดีเตรียมเครื่องบวชกองอัฐบริการครบถ้วนจ้างมโหรสศพเพื่อฉลองการบวชเป็นการใหญ่พ่อเนี่ยเป็นคนโกนผมให้เองในคราวนี้ จะพอโกนผมหมดหัวตาบุญเหลือก็กลับมืดไปอีกมองอะไรไม่เห็นเหมือนครั้งก่อนก็เป็นอันว่าบวชไม่ได้อีกนะก็ถึงกับบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็นองขาวผมขาวเป็นนาคอย่างเงี้ยความจริงบุญเหลือก็เชื่อเรื่องกรรมที่บวชไม่ได้อยู่แล้วก็รู้ว่าถ้าตาบอดแล้วขืนบวชครองผ้าเหลืองจะเกิดอะไรขึ้นนะที่นี่เมื่อบวชไม่สํเาเร็จพอผมงอกดีตาก็มองเห็นอย่างเดิม พ่อแม่ก็คิดกันว่าเมื่อบวชไม่ได้แล้วก็ควรจะแต่งงานมีครอบครัวให้เป็นหลักเป็นฐานต่อไปเถอะเอาดีทางคารวสเถอะท่านก็มองผู้หญิงที่เหมาะสมไว้คนหนึ่งครั้นปรึกษากับบุญเหลือบุญเหลือก็บอกอย่าหาว่าผมขัดคำพ่อแม่เลยนะครับผมแต่งงานไม่ได้หรอกถ้าผมแต่งงานผมก็ลืม เ, เรื่องปฏิบัติทำตามสัญญาที่ให้กับหลวงปู่แก้วกูไว อยาให้ผมแต่งงานเลยครับคราวนี้พ่อไม่แข็งขืนบีบบังคับได้อย่างใดก็คงจะเข้าใจอะไรดีขึ้นประกอบกับเห็นว่าบุญเหลือเนี่ไม่ได้ทิ้งนิสัยสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิฝากไปในธรรมเมื่อเด็กทํามาอย่างไงพรพอโตก็ทําอยู่อย่างนั้นอ่าไม่เหมาะแก่การครองเรือนอ่ไปมีเมียแล้วมีรําคาญเปล่าๆสวดมนต์ทั้งวันแต่การจะอยู่บ้าน เ, ยเฉยๆก็ไม่เหมาะ เรือ่องสวนก็ไม่มีอะไรจะต้องทํามากผลไม้ที่ปลูกไว้มันก็โตผลิตผลให้อย่างเต็มที่แล้วพ่อแม่ถึงจะหูอื้อตาฟางไปบ้างก็ยังมีกําลังแข็งแรงอยู่ก็เลยอยากให้บุญเหลือได้ทําการงานเป็นที่พึ่งกับตัวเองเพราะความมุ่งหวังที่จะให้บวชทีแรกก็มีอันเป็นบวชไม่ได้ซะทุกทีก็เลยตัดสินใจส่งบุญเหลือไปอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพอ่ะ กุ อ, อยู่แถวสะพานมขวานชื่อนางลามียตเหตุเพราะว่าบุญเหลือนี่ไม่ได้ร่ำเรียนทางโลกไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้เข้ามาอยู่กรุงเทพจะไปทาอะไรก็ต้องทำงานหนักเป็นกรมกรก่อสร้างคนอิฐหาบปูนหาบใายที่นี้บุญเหลือเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนหนักเอาเบาสู้ไม่เลือกงานก็พอได้เงินเป็นค่าใช้จ่ายบ้าง ก็ทำงานก่อสร้างมาระยะหนึ่งก็มีคนฝากฝังให้ทํางานอยู่ที่โรงพิมพ์ชื่อโรงพิมพ์เกียรติศักดิ์ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิษัตรย์ข้างโรงเรียนในร้อยทําอยู่ไม่นานชีวิตก็หันเหไปสู่วงการบันเทิงจอดผูกคลีอยู่กับงานการทางโลกประมาณสองปีก็อึดอัดอเพราะว่าไม่ใช่ทางที่ต้องการตั้งแต่เล็กแต่น้อยเคยชินแต่เรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องธรรมะแล้มามีชีวิตอยู่แบบนี้อึดอัดมาก เสร็จแล้วเวลานั้นเหตุการณ์บ้านเมืองท่านจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีถูกกบฏแมนฮัตตันจับเอาไปขังในเรือเวลานั้นเกิดวุ่นวายกันใหญ่บุญเหลือก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตในกรุงเทพที่สับสนวุ่นวายก็เลยหลบเที่ยวจาริกสแสวงบุญตามใจปรารถนาแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่ไปพักที่ประตูผีจังหวัดนครราชสีมา เวลาว่างก็สนทนาบางสอนธรรมให้กับชาวบ้านมั่งก็มีคนนับถือบุญเหลือเป็นจานวนมากเช้าวันหนึ่งบุญเหลือใส่บาตรพระแล้วก็กลับเข้าบ้านพักก็มีเด็กมาบอกว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งมารอรับบิณฑบาตก็เลยจัดหาอาหารจะไปใส่บาตรท่านพอออกไปก็พบว่าเป็นพระอาจารย์สิงขันตยาคโมซึ่งเป็นพระเถระร่วมสมัยกับพระอาจารย์มั่น บุญเหลือก็ตามท่านไปถึงวัดป่าสารวันที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นอาวาสของท่านเสร็จแล้วก็ไปรักษาศีลภาวนาอยู่ที่วัดนั้นจนกระทั่งตอนที่จะจากไปพระอาจารย์สิงห์ท่านก็บอกว่าขอเจริญพรแก่โยมบุญเหลือขอให้คุณโยมเนะี่ยตั้งมั่นอยู่ในภูมิธรรมของคุณโยมเถอะอย่าได้ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆเลยเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งปวงเสร็จแล้วบุญเหลือก็จะริกต่อไป ตามบ้านนอกตรอกซอยทั้งเมืองนอกเมืองในตามอำเภอนอกอำเภอเพื่อจะแนะนำสั่งสอนเผยแพร่พระธรรมแล้วก็ขยายไปทุกจังหวัดภาคอีสานให้ประชาชนรู้จักเข้าวัดฟังธรรมถือศีลอุโบสถอย่างเสียบ้างจาริกออกไปทางอำเภอพนอบ้านหนองแวงบ้านลหานนาไปแต่ละหนแต่ละแห่งก็มีทั้งคนรักคนชังมีทั้งคนช่วยเหลือใ ห, ให้ความปลอดภัยมีทั้งคนเกลียดชังให้ร้าย เพราะว่าการเผยแพร่ธรรมะของบุญเหลือเวลานั้นคือตัวเองเขาเรียกพ่อออกหรือว่าชีปัขาวเท่า น, นั้นไม่ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนน้ำหนักความนับถือของประชาชนก็ไม่เหมือนกับพระภิกษุสาวกของพร ะ, ะพระุทธเจ้า ก็เลยมีผู้ยัดเยียดข้อหาต่างๆให้เช่นถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์บ้างเป็นแนวหน้าบ้างถูกจับถูกกุมหลายครั้งหลายหนแต่ก็ใช้ความอดทนไม่ตอบโต้ให้ยาวความระหว่างที่อยู่บ้านละหานนาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นก็มีลูกศิษย์หลายคนมาอยู่ด้วยกันมาดำเนินบารมีร่วมกันต่อมาก็ไปแสวงบุญที่อาเภอบ้านไผ่ก็ไปพบแม่ชีคาล่าอาจารย์ใบ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นผู้ปฏิบัติเที่งงรัหน่าเลื่อมใสามากจากนั้นไม่นานจากบ้านไผ่ก็ไปบ้านแก่งละวะก็ได้ลูกศิษย์ใหม่คือนายอุ่นล่ามาเป็นศิษย์ติดตามสร้างบารมีเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงปี2500กึ่งพุทธกาลพอดีคนทั้งหมดก็เลยติดตามบุญเหลือกลับไปหาพ่อแม่ที่ ฝั่งลาวคือเชียงครวนแล้วก็ดำเนินชีวิตทำไร่บ้างทำสวนบ้างรับย่างเขาบ้างอย่างปกติธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ละเว้นข้อประพฤติปฏิบัติในทางทำแล้วต่างคนต่างก็ปลูกกระตอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานในที่ดินพ่อแม่ของบุญเหลือก็อยู่กันอย่างสงบเคร่งครัดถึงฤดูทำนาก็ไปทำนาถึงฤดูทำไร่ก็ไปทำไร่ ปฏิบัติพ่อแม่ไม่ให้ขัดข้องมองใจถือเป็นกิจวัตรไม่ได้ขัดเสร็จแล้วต่อมาลูกศิษย์หลายคนนั้นก็ช่วยกันเลื่อยไม้เพื่อปลูกสลาขึ้นใช้เป็นที่สอนอบรมธรรมะแล้วก็ส่วนมนต์ภาวนาเวลานั้นประเทศไทยลาวนี่ยังเป็นบ้านพี่เมืองน้องไปมาหาสู่กันสะดวกประชาชนทั้งสองฝาฝั่งไม่มีการทำบัตรประจาตัวประชาชนสิทธิท้งฝั่งไทยก็ไปเยี่ยมเยิยน บุญเหลานี่คราวแลวมากๆตอนนั้นเท่าอยู่ชนะนิกรเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมที่บ้านของบุญเหลือนี่ก็มีการสั่งสอนอบรมธรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคนดีของประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ในพลในพันแม่นายกรัฐมนตรีอาณาจักรลาวต่างก็เลื่อมใสปฏิบัติของบุญเหลือไปมาหาสู่อยู่เสมอ ต่อมาในพลกองแหลตอนนั้นยังเป็นร้อยเอกทำการปฏิวัติรัฐประหารสำเร็จทำให้ภาวะบ้านเมืองขับขันทางด้านชายแดนไทยลาวต้องถูกปิดไปมาหาสู่กันไม่ได้เผอิญเวลานั้นพ่อของบุญเหลือป่วยลงยาก็ไม่มีจะรักษาโรงพยาบาลทั้งฝั่งลาวก็ยังอนาถาอยู่มากทั้งเกิดปฏิวัติขึ้นด้วยก็เลยฉุกเฉินไปทุกอย่างบุญเหลือกสิตสอคนคือในคาล่า และในอุ่นล่าก็ตัดสินใจแกวเรือข้ามฝั่งมายัางฝั่งไทยเพื่อจะหาซื้อยาไปรักษาพ่อขึ้นเรือที่ท่าป่าอ้อยใต้วัดธาตุลงไปหน่อยกำลังเดินไปตลาดวัดธาตุถูกจับครับหาว่าเป็นลูกน้องกองแลเอาละสิเกิดเรื่องและครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทั้งสามคนนี่โดนจับ ตอนที่จะเดินไปตลาดวัดธาตุโดนประหลัดเสนีจับเขาสงสัยหาว่าเป็นลูกน้องกองแหลเวลานั้นประหลัดเสนีก็คงจะจําปู่บุญเหลือไม่ได้ก็ซักไซ้์ไต่ถามถึงบ้านเกิดเมืองนอนบุญเหลือก็ชี้แจงให้ทราบว่าเป็นคนหนองคายเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าข้ามไปอยู่ฝั่งลาว เลยได้รับการปล่อยตัวแต่ว่าไม่ยอมปล่อยสิทธิ์ที่มาด้วยอ้าวทีนี้จะกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงสิทธิ์แต่ถ้าไม่กลับก็เป็นห่วงพ่อที่กำลังเจ็บอยู่ในที่สุดก็ไปหาคนรู้จักคนหนึ่งชื่อพี่รําจูนอ่าเขาให้เขาไปรับรองก็ถูกปล่อยตัวมาพอได้ยาแล้วก็จะข้ามฝั่งไปดูพ่อแต่ว่าเพราะพรมแดนปิดก็ไม่มีเรือที่จะข้ามไป เรือที่เอามาก็หายไปแล้วก็เลยตกลงกันว่าต้องข่ายอ่าว่ายข้ามน้ําไปว่ายข้ามแม่น้ำโขงกันไปทั้งสามคนพอไปถึงก็เห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่ก็ใจเสียนึกว่าพ่อตายซะแล้วแต่ว่าไม่ใช่หรอกปรากฏว่าแม่ร้องไห้เพราะว่าเป็นห่วงว่าบุญเหลือจะตายไวอย่างนั้นอาการของพ่อพอได้กินยาแล้วก็ค่อยทุเหลาขึ้นแต่ว่าจะให้แข็งแรงเหมือนเก่านั้นคงไม่ได้พอจะประคองไปเท่านั้นแหละเพราะว่า ตอนนั้นนะท่านมีอายุถึง99ปีแล้วอีกปีเดียวก็จะครบร้อยต่อมาไม่นานในพลภูมินอสวรรค์แล้วก็ในพลสีหูก็ทำการปฏิวัติโค่นล้มกองแลบ้านเมืองจราจนเดือดร้อนไปหมดได้ยินจะเสียงปืนต่อสู้กันไปทั่ววันหนึ่งก็มีชาวบ้านเขาเรียกบ้านหนองเงียงเมืองชัยเชิฐถาแขวงเวียงจันพากันมาหาก็บอกว่าที่หมู่บ้านของเขา ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ถึงเก้าร้อยหลังคาเรือนเนี่ยนับว่ า, เ, าเป็นหมู่บ้านใหญ่เกิดเหตุร้ายมีมนุษย์จำพวกผีปีศาจคือเป็นผีปอบผีกระสือเข้ามาอรารวาสกินชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันล้มตายไม่ได้หยุดก็ขอให้หลวงปู่บุญเหลือไปช่วยก็เลยไปช่วยสวดมนต์ภาวนาขับไล่ทำอยู่ห้าเดือนหกเดือนก็สงบลงไปได้อยู่มาดึกคืนหนึ่งในปนภูมิสั่งทหารประมาณห้าคันรถ มาจับกุมหลวงปู่บุญเหลือขณะพักอยู่ที่บ้านพักของแม่ตู้แหวงท ร, รมวงษาเขาก็มัดมือมัดแขนหาว่าเป็นสายสืบข อ, องฝ่ายตรงข้ามพวกชาวบ้านหนองเหงียงรู้ข่าวก็พากันมารับรองรับประกันให้แต่ว่าทหารไม่ยอมฟังเสียงก็ลากตัวขึ้นรถไฟแล้วยืนทางขาคร่อมบุญเหลือไว้ใช้ปืนขู่เข็นต่างๆแล้วก็เอา บุญเหลือมุ่งไปสู่ที่ประหารซึ่งอยู่โคนต้นงิ้วใหญ่ท่าพระลานชัยหมู่บ้านแก่งยางพอไปถึงทหารก็กระชากลงจากรถพร้อมจะขึ้นไก่ปืนนะตอนนั้นบุญเหลือตกใจไปขณะหนึ่งเห็นแต่ทางว่าจะต้องตายแน่นอนการที่จะประหารคราวนี้ไม่มีการสอบสวนความจริงผิดถูกแต่ประการใดเลยลาวสมัยนั้นไม่มีกฎหมายไม่เห็นความสําคัญของความยุติธรรมทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้มีอํานาจสั่งยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่า เรื่องนี้คนที่เคยไปเมืองลาวสมัยนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยข้ามไปฝั่งลาวไปคุยที่บ้านพักเจ้าแขวงหรือว่าเจ้าเมืองน่ะปรากฏว่ามีคนสองคนเขาทะเลาะวิวาทกันก็ตีกันจนหัวแตกมาฟ้องเจ้าแขวงท่านสั่งท่านทีบอกให้ปรับคนละยี่สิบบาทแล้วไปทายาใส่แผลเ อ, เองก็เปน็นอันว่าจบเออง่ายดีเสร็จแล้วเวลานั้นพอหลวงปู่บุญเหลือได้สติก็แอบถอดแหวน ที่ได้มาจากาสำนักแก้วกูอมไว้ในปากรละลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาช่วยด้วยเวลานั้นทหารก็จับคนอีกหกคนมามัดมือมัดตาเข้าที่ประหารด้วยแล้วก็ทหารเปชฌฆาาก็ใช้ยางรัดเป็นยางขนาดใหญ่นี่มัดค อ, อเหมือนกับผูกคอตา ย, ยางั้นทุกคนมัดรวมทั้ง ตัวของบุญเหลือด้วยนะเสร็จแล้วก็ใช้ขันชนะจนกระทั่งตายทุกคนเลยแต่ว่าบุญเหลือกลับไม่ตายก็เลยถูกทารุณต่างๆยิงก็ไม่ตายแทงก็ไม่เข้าในที่สุดเขาก็ใช้ไฟฟ้าแรงสูงมามัดเกี่ยวขาเกี่ยวแขนเอาไว้หมายจะฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้าพอเขาเปิดสวิตช์ไฟปรากฏว่าตัวบุญเหลือนี่ สั่นร้อนไปหมดอ่ากระแสไฟวิ่งเข้ามาในตัวเสร็จแล้วหม้อไฟระเบิดตมูมไฟดับบูบลงทันทีอ่ารอดตายแล้วคราวนี้แต่ไม่รู้ว่าทหารโหดจะใช้วิธีฆ่ายัางไงต่อไปอีกทีนี้พอใช้ไฟฟ้าช็อตในตายเขาก็จับมัดจนตัวงอนั่นเชยะเอายัดใส่กระสอบก็ช่วยกันยกไปทิ้งลงในแม่น้ำขงซึ่งถือว่าเขาฆ่าได้สาเร็จหมดหน้าที่แล้วคราวนี้ ลงแม่น้าโขงไปแล้วตอนนั้นรู้ตัวอยู่ในกระสอบก็ดิ้งคลุกคลักครุกคลั ก, กตั้งสตยาทีิฐานขอเดชอำนาจบารมีธรรมที่เคยได้สร้างบุญบารมีมาอย่างไม่ท้อถอยขอพระพุทธเจ้าจงช่วยพ้นจากอันตรายด้วยเถอในกระสอบที่เขาจับตัวบุญเหลือยัดไวนะ้น่ะมีหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปด้วยเพื่อจะ่วงเขาโยนลงน้ำแล้วหินนี่ก็เป็นน้าหนัก่วงให้จมลงใต้น้า แต่ว่ากระแสน้ำนั่นแรงก็พัดพาร่างในกระสอบเนี่ยไปถึงหาเขาเรียกหาทรายฟองแล้วก็เกยติดจีตที่นั่นแหละบุญเหลือยังไม่ตายฟื้นดิ้นกุกลักกุกลักอยู่ในกระสอบพอมีกําลังขึ้นก็ดิ้นรนแก้มัดตนเองจนสําเร็จก็เดินขึ้นสู่ตลิง่งอหารถมุ่งหน้าไปในเมืองนเขาเรียกตลาดคุมคุมสีไครไปที่บ้านในพลอําคาคุณนายทองเพชรซึ่ง เคารพนับถือปู่บุญเหลือมาตั้งแต่เดิมเขาก็ซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เล่าให้เขาฟังโดยละเอียดแล้วก็ทําพิธีสู่ขวัญตามประเพณีให้พ่อกับแม่ก็มาร่วมด้วยจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านที่เชียงครวนอย่างเงียบๆตามเดิมต่อมาในครอบครัวของบุญเหลือนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ป่วยเป็นไข้ามาลาเรียแต่ว่าบุญเหลือนี่ป่วยหนักกว่าเพื่อนจนเห็นว่าหมดทางรอดพ่อให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอบีแขวงเวียงจันทร์ รักษาอยู่เก้าวันเก้าคืนก็มีอาการดีขึ้นแต่หมอก็ยังไม่ยอมให้ออกจากโรงพยาบาลคืนหนึ่งขณะที่นอนยังไม่หลับปรากฏว่ามีนกเข้าแมวตัวหนึ่งมันบินมาเกาะที่หน้าต่างส่งเสียงร้องคล้ายๆบอกลางสังหรณ์บางอย่างเช้าวันต่อมาลูกศิษย์ของปู่บุญเหลือก็คือในคำล่าในอุนล่านี่มาส่งข่าวว่าพ่อตายแล้วไม่ได้เจ็บไข้า ต, าตายตามธรรมดาจะถูกโจรปล้นฆ่าตาย เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งลูกศิษย์ของปู่บุญเหลือที่ปลูกกระตอบอยู่รอบรอบสวนปฏิบัติธรรมแล้วก็พากันพักผ่อนหลับนอนจนเข้ามาในบ้านครูเข็นจะเอาทรัพย์สินพ่อมีเงินอยู่ในบ้านเจ็ดสิบห้าบทก็นำมาส่งให้โดยดีแต่มันไม่ยอมขอเพิ่มเป็นแสนหนึ่งะจะเอาที่ไหนมาให้ถ้านไม่มีให้ก็เลยฆ่าพ่อตายแล้วก็หลบหนีไปดีว่าแม่ไม่ถูกทาอันตราย ปู่มนเหลือเสียใจมากเป็นธรรมดาที่ยอมรับว่าเป็นปุตุชนอยู่แวแม้ว่าจะระงับดับได้ด้วยสมาธิแล้วก็มีสติพิจารณานะเสร็จแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาจัดการศพของพ่อก็สร้างเจดีย์ธาตุบรรจุอัฐิไว้เป็นอนุสรณ์สักการะต่อมาบ้านเมืองก็เกิดวิกฤตอีกในพลกรุประสิทธิ์อภัยพร้อมบริวันทารัฐประหารคนอานาจในพลภูมิหน่อสวรรค์สาเร็จ บรรดาขุนพลนายทัพฝ่ายชนะนิกกรกาลังเรืองอำนาจทรงอิทธิพลทั่วราชาอาณาจักรลาวแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์แก่ปู่บุญเหลือด้วยตลอดเวลาสามปีต่อมาปู่บุญเหลือคอยดูแลค ร, รครับประคับประคองแม่ซึ่งชรามากแล้วอายุเก้าสิบเก้าปีอ่อนว่าพ่อที่ตอนอายุร้อยปีก็สิ้นชีวิตลงพ่อนะ่ตายตอนรอยแต่ว่า แม่ตอนนั้นอายุ99ยังไม่เป็นไรแม่ยกที่ดินแปลงที่อยู่นี้ให้เป็นสมบัติของปู่บุญเหลือสั่งว่าลูกจะสร้างวัดหรือว่าสมบัติศาสนายัางไงก็แล้วแต่ตามใจถ้าลูกไม่รับเดี๋ยวแม่จะจองเวรให้ลูกมีเวรต่อไปพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยก็ไม่มีใครเขาต้องการก็เอาจำเป็นต้องรับพอจัดการศพแม่เรียบร้อยแล้วชีวิตของบุญเหลือก็เริ่มมืดมัวอีก อยู่ต่อมาอีกสามปีนะตอนนั้นจะเริ่มสร้างวัดกรรมก็ตามมาถึงญาติพี่น้องเกิดอยากได้ที่ดินแปลงนั้นขึ้นมาอีกก็พากันมาประชุมคัดค้านทั้งที่แม่ได้มอบห้เป็นมรดกของปู่บุญเหลือทั้งหมดทีนี้ก็เพื่อระงับเหตุไม่ให้พี่น้องแตกกันต่อไปก็เลยจัดการแบ่งที่ดินออกไปเจ็แปลงให้แก่พี่น้องทั้งเจดคนแต่เมื่อแบ่งแล้วเนี่ยตีเป็นราคาเงินสมัยนั้นทั้งหมดก็เป็นเงิน2องพร้อยบาท นะก็ตกลงปู่บุญเหลือรับซื้อไว้เพื่อดําเนินให้เป็นไปตามประสงค์ของแม่จะสร้างวัดต่อแม้กระ น, นั้นพี่น้องเหล่านี้ก็เหมือนเกิดมาจองเวรจองกรรมกับบุญเหลือจริงๆเมื่อตอนเด็กบุญเหลือไม่ยอมไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็พี่น้องนี่แหละที่รุมกลั่นแกล้งทำร้ายอย่างทารุนแสนสาหัสบัดนี้บุญเหลือจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนาสร้างให้แม่ก็มาคอยขัดขวาง แม้ว่าจะได้เงินส่วนแบ่งค่าที่ดินกันไปแล้วก็ยังอุตาหามายุไม่แย่ชาวบ้านได้เกลียดชังกันแกล้กลงบางคนเอารถตีนตะขาบบุกเข้ามาเหยียบย่ำพืชผลเสียหายแต่ว่าบุญเหลือก็ไม่ได้โต้ตอบยังคงวางเฉยเพราะว่าพระอาจารย์มหามุนีแก้วกูได้กำชับบอกว่าให้เอาความดีชนะความชั่วทำใจให้หนักแน่นมั่นคงอย่าวันไหวต่อโทษทุกที่คนอื่นก็ทำแก่เราให้ละให้ได้ทุกอย่างละโลภละโกรธละเกลียดเป็นหลัก ในการดำเนินตามพุทธธรรมถ้ายังละไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าชนะตัวเองเมื่อชนะตัวเองไม่ได้จะไปชนะคนอื่นได้ยังไงตอนนั้นปู่บุญเหลือก็เริ่มสร้างเป็นอาสมแก้วกูขึ้นแล้วแต่ก็ถูกทาลายยับเยินหมดซ้ายัางฟ้องร้องไปยังนายพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่าเรือแล้วที่ค่ายจีนัยโมค่ายทหารผู้มนวยการเวียงจันทร์าตั้งข้อหาไปยังนายพลกประสิทธ นะว่าเป็นคอมมิวนิสต์ติดต่อกลับต่างประเทศนะผู้มีอำนาจนมักจะเป็นโรคหูเบาเชื่อง่ายไม่สนใจที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีสองพันรสิบสามที่บ้านของบุ่บุญเหลือกำลังทำบุญเลี้ยงพระอุทิศกุศลให้พ่อกับแม่มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารตำรวจพากันมาหลายคันรถมาล้อมงานบุญเลย เวลานั้นมีคนมาทําบุญกันเยอะตลอดจนสานุสิทธิ์ของปู่บุญเหลือก็ถูกจับไปเกือบหมดทุกคนแล้วก็ส่งไปกักขังไว้ในค่ายทหารจีนอิโม่ต่อมาในพลคำศรีชนะนิกรได้มาพูดกับปู่บุญเหลือหลังจากเป็นผู้ขาวสะอาดแล้วท่านก็บอกว่าอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกนั้นเลยเหตุที่ถูกจับกุมก็ว่าคนที่ถูกจับนั้นเป็นคนไทยข้ามมาต้องถูกจับตามกฎหมายระหว่างประเทศ ปู่บุญเหลือก็อ้อนวอนขอความเป็นธรรมให้ปล่อยคนเหล่านั้นซึ่งไม่มีผิดอะไรนะเอาข้าพเจ้าเป็นตัวแทนตัวประกันแทนคนเหล่านี้เอถอะท่านในพลโมโหใหญ่เอามือตอบโต๊ะดังปังเดินหนีไปก็ปล่อยให้ปู่บุญเหลืออยู่ตามลาพังแต่ก็ไม่กักขังอีกเสร็จแล้วท่านก็ไปหาในพลคําโงนชนะนิกกรท่านก็บอกว่าหลวงปู่อย่ามาขอความเป็นธรรมจากกฎหมายเลยนะ เสร็จแล้วก็เถียงกันหลายคำเสร็จแล้วปู่บุญเหลือก็ออกมาว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยซึ่งอาจจะเจรจาขอร้องกันได้ระหว่างที่เดินไปยังไม่ทันถึงก็มีรถทหารขับมาจอดใกล้ๆเข้าล้อมจับจับตัวปู่บุญเหลือเอาไปขังที่หอสามชั้นไยแดงถูกทรมานต่างๆถูกทหารเอาด้ามปืนตีหัวจนล้มลง ปู่บุญเหลือก็ได้จะถามว่าทำไมถึงทำกันอย่างป่าเถื่อนแบบนี้จากนั้นก็นำมาพดพบกับนายพลกุ ป, ประสิทธตก็เชิญให้ปู่บุญเหลือนั่งเก้าอี้ปู่บุญเหลือก็ไม่ทันสังเกตว่าเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าพอนั่งลงไปแล้วทหารก็เข้ามามัดอมัดไว้กับเก้าอี้กดสวิตช์ไฟฟ้าขึ้นตอนนั้นปู่บุญเหลืออยู่กับนายพลกุ ป, ประสิทตสองคนทหารออกไปหมดแล้วอพอ ร, รู้ว่าเขาสับ สับไฟเนี่ยนะปรากฏว่าไฟย้อนกลับไฟย้อนกลับแล้วก็มอ่ม้อไฟระเบิดเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วที่แก้ที่มัดอยู่ก็หลุดก็เลยลุกขึ้นเดินไปที่ในพลบอกว่าทำไมต้องทำกันแบบนี้ในพลก็กดกริ่งมีทหารกลูเข้ามาแล้วก็รุมทุบตีบุบเหลือจนหมดสติไป ความจริงในพลกุประสิทธิ์เคยอุปถัมภุบุลเหลือมาอย่างมิดแต่ทำไมถึงกลับเป็นศัตรูถึงกับจะฆ่าทำลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ในกฎแห่งกรรมซึ่งมีความลี้ลับเปน็นอันมากตกดึกประมาณห้าทุ่มแล้วบุบุลเหลือก็ได้รู้สึกตัวขึ้นก็ตัดสินใจว่าจะโดดตึกลงไปขืนอยู่ต่อไปของลำบากก็โดดลงไปไปนอนอยู่บนพื้นดินข้างถนนพอดีมีรถโรงพยาบาลอบีวิ่งผ่านมา หมอชื่อในแพทย์ชาลิโ อ, อจำจำปู่บุญเหลือได้เพราะเคยไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ช่วยกันอุ้มขึ้นรถแล้วก็นำไปยังโรงพยาบาลอบีทันทีปู่บุญเหลือเป็นไข่อยู่เจ็ดชั่วโมงก็มีรถทหารจากรมกองต่างๆพากันมายัางโรงพยาบาลจะมาจิงตัวปู่บุญเหลือไปแต่ว่าแพทย์โรงพยาบาลทุกคนก็มาขัดขวางเอาไว้อ้างอภิสิทธิ์จัญาแพทย์ไม่ยอมให้เอาตัวไป พวกสารวัตรทหานตำรวจก็เลยต้องยอมกลับไปในแพทย์บีโอที่มีใจเมตตาก็ประชุมปรึกษากันเสร็จล้วปูป่บุญเหลือก็ขอร้องให้ช่วยปลดปล่อยคนไทยที่ถูกจับตัวไปด้วยตอนที่มาทําบุญเนี่ยที่สุดก็ขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตไทยมีการเจราจากันวันรุ่งขึ้นคนไทยทั้งหมดก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ว่าถูกส่งตัวมากักขังเพื่อสอบสวนอีกที่สถานีตารวจน้องคาย ลุงปู่ได้เล่าเรื่องนี้อย่างยืดยาวแต่ว่าสรุปว่าเมื่อเมืองลาวค่อยสงบลงก็มีพี่น้องอาทางฝั่งโน้นคือฝั่งลาวเนี่ยชื่อในจันมาขอให้ปู่เหลือกลับไปสร้างสถานวัตถุแก้วกู่ที่สร้างไว้ต่อก็กลับไปไปสร้างอาสมแก้วกู่ขึ้นอีกก็นับว่าทําความเจริญจนกิติศัพท์แพร่ไปยังต่างประเทศทั่วสารทิศ ต, ตอนนั้น ดังมากอยู่ทางฝั่งลาวนะเมื่อปี2518ประเทศลาวได้เปลี่ยนไปอีกจากประชาธิปไตยเดิมก็ไม่ค่อยจะเต็มใบอยู่แล้วไปเป็นคอมมิวนิสต์ทีนี้คนไทยซึ่งเป็นสิทธิ์ของปู่บุญเหลือไปอยู่ฝั่งโน้นเห็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยพากันอพยพกลับฝั่งไทยอันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวปู่บุญเหลือก็จำต้องทิ้งอาสมแก้วกู่ที่สร้างขึ้นมาด้วยภายหลังก็มาซื้อที่ ชหมู่บ้านสามัคคีอำเภอเมืองหนองคายก่อสร้างอาสมแก้วกูขึ้นใหม่รูปปั้นทั้งประวัติพุทธศาสนาและเทว